ตงเวลาแห่งวรรณกรรมจีนต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ชุดสองกังจากบทประพันธ์ของซื่อในอันและโดยอาจารย์จรัสชัยเชี่ยวยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่หกมีชื่อตอนว่าก้าวมังกรซื่อจินออกปล้นในป่าสนแดงหลวงจีนลู่เผาอารามร้างวัดว่าควน ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกทุกท่านรับฟังได้นะบัดนี้หลังจากข้ามสันเขาไปได้หลายลูกหลวงจีนลูกก็มองเห็นทางคนเดินสายหนึ่ง ตัดรัดเลี้ยวซอกซอนเข้าไปในกลางดงสนกว้างตามทางสายนั้นไปได้สักครึ่งลี้พันก็เห็นวัดพุทธเป็นอารามชมรุสุดโซมมหนึ่งปรากฏอยู่ต่อหน้าเสียงกระดิ่งดังมาจากแถวนี้นี่เองที่ซุ้มประตูทางเข้าวัดมีแผ่นป้ายสีแดงซีดพาดขวางสลักอักษรทองเก่าๆอ่านได้ความว่าวัดวากวนพอเดินไปได้อีกสักสี่หากว็ข้ามสะพานอิฐล่วงเข้าไปในเขตกำแพงวัด ลูดตรงไปยังหมู่ตึกรับรองประตูหมู่ตึกหายไปแล้วกำแพง ร, รอบๆนั้นก็พังลงไปสิน้นหลวงจีนลูกคิดในใจว่าหม่อารามออกใหญ่โตถึงขนาดนี้ปล่อยให้ชมรุษซุดซอมถือเพียงนี้ได้เช่นไรฮะม่ว่าพลางก็ตรงไปยังกุฏิเจ้า อ, อาวาสบนพื้นกุฏิกองเละไปด้วยขี้นกนางแอน่นกองฝุ่นหยาบใยใยแมงมุมหนาคลุมประตูด้านหน้า หลวงจีนลู่เอาไม้เท้ากระทุ้งพื้นพร้างตะโกนออกไปว่าขอเวนทบารอาหารให้พระตุ๊ดองหลายขอรับหลวงจีนลู่ตะโกนเช่นนั้นอยู่เป็นนานแต่ก็หามีใครตอบออกมามไม่เมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบหลวงจีนลู่ก็ถือวิสาสะตรงเข้าไปสำรวจในห้องครัวกระทะหายไปแล้วส่วนเตาดินที่ก่อไว้นั้นก็พังลงสิ้นลูกแก้หอสัมภาระ ที่ผูกติดหลังออกวางไว้หน้าสารเจ้าจำลองประจำเตาไฟเล็กๆที่พื้นครัวแล้วถือไม้เท้าออกค้นหา ร, บรอบๆที่ห้องเล็กหลังครัวนั่นเองพรัน้นลูกก็ได้เห็นพระแก่ๆสองสามรูปตาโหลใบหน้าซูบซีด พ, พร้อมลื้อแต่หนังหุ้มกระดูกนั่งกันอยู่ดูระเกะระกะหลวงจีนลูก ต, ตะโกนต่อว่าพระพวกนี้ว่าวพระพวกนี้ช่างยับคายไร้ามารา ย, ยาทนกะ รอยให้ตามาตะโกนและตะโกนเน่าก็ไม่ยักมมีใครตอบเฮ้ยพระที่นั่งอยู่รูปหนึ่งพันโบกมือขึ้นแล้วพูดขึ้นว่ารดเพ่าเพาเสียงลงหน่อยหลวงจีนลูกพูดขึ้นว่าอตาตมาเป็นพระบังเอิญทุดดงผ่านมาทางนี้จึงใครจะขอพิธบอร์อาหารสักหน่อยมีอะไรผิดด้วยหรือฮะพระรูปหนึ่งในจานวนสามสี่รูป พูดกับหลวงจีลู่ว่าหวกเราก็ไม่มีอะไรจะทันมาสามวันสี่วันแล้วจะมีปัญญาไปหาอาหารจากไหนให้ท่านได้เราฮะฮหิวจะตายห่าอยู่แล้วจะไยังอาหารจากเราอีกลุงจีลู่ก็ว่าอัดทำมามาจากอารามบนเขาหูไท่ขอบิณฑบาตเพียงข้าวต้มสักครึ่งชามก็ยังดีพระในจำนวนสามสี่รูปก็พูดขึ้นว่า ถ้ามาจากที่จำพรรษาของพระโพธิสัตว์พวกเราก็อยากจะแบ่งทานอาหารให้อยู่แต่ก็ให้อับจนนักจะทำฉันไดได้เล่าด้วยว่าพระรูปอื่นๆหนีไปจนหมดสิ้นแล้วข้าวสารสั่งมล็กนึงก็ไม่มีเหลือพวกเราอยู่ที่นี่ก็อดมาได้สามวันแล้วหลวงจินลูตวาดทันทีว่าโกหกอตาตมาไม่เชื่อดอกว่าสถานที่ออกใจโตเช่นนี้จะไม่มีข้าวเลยสั่งมล็กนึงนะฮะ พระที่นั่งอยู่ก็พูดขึ้นว่าเจงอยู่ครั้งหนึ่งวัดเราเคยเจริญฮุ่งเรืองเป็นที่ชุมนุมของบรรดาพระเถรเนรชีต่างๆจากทั่วทุกสารทิศแต่ต่อมาพระทุูดงรูปหนึ่งพานักโทษในรัฐทิตาผู้หนึ่งมา ย, ยึดวัดแล้วทําลายทุกสิ่งทุกอย่างลงสิ้นไม่มีอะไรที่พวกมันไม่ทําพวกมันขับไล่พระของเราออกไปจนหมด ยังเหลืออยู่ก็แต่พวกเราที่แก่เท่าเกินจะเดินเหินไปไหนมาไหนได้สะดวกโดยเหตุชะนี้พวกเราจึงไม่มีอะไรจะฉันหลวงจินลู่ตะวัดไปอีกว่าเฮ้ยแล้วไลแค่พระรูปหนึ่งกับเจ้าสือผู้หนึ่งจะไปทำอะไรได้แล้วทำไมพวกท่านไม่พากันไปร้องเรียนทางการบ้านเมืองเล่าพระรูปหนึ่งว่าเฮ้ย ห, หลวงพี่ยังไม่เข้าใจวัดเราตั้งอยู่ไกลจากตัวเมืองทัก ยิ่งกว่านั้นต่อให้ทหารมาก็ทำอะไรพวกมันไม่ได้พวกมันทั้งคู่ร้ายกาดนักไอเรื่องปล้นขา้าไอเรื่องวางเพลิงแล้วก็ไอพวกสารเลวพวกนี้แสนจะถนัดนักตอนนี้พวกมันอยู่กันที่ถึงหลังกุฏิเจ้าอาวาสหลวงจินลู่ถามว่าแล้วพวกนั้นเป็นใครกันละ่ะพระรูปหนึ่งตอบว่าตัวพระทุดงชื่อกุย มีชื่อในสังฆปริมณฑลว่าผู้สำเร็จแะสมุยานา้มตามที่ชาวบ้านเรียกหาว่าพระพิมพ์เนื้อเหล็กส่วนเต่าสือนั้นมีชื่อว่ากิ้ลบิดาเรียกว่ากิวลูกคนร้องสมุญาว่าพูดบินจากนรกมันทั้งสองไม่เหมือนคนละลอกตัดกิเลสที่แท้แล้วเป็นพวกโจรไพรใจอมหิทธอาศัยผ้าเหลืองเป็นเครื่องบังท่านนั่นเอง ขณะซักถามพระแก่อยู่พลันจมูกหลวงจีนลูกก็ได้กลิ่นหอมจังจจึงถือไม้เท้าเดินไปทางหลังห้องนักที่นั้นเองบนเตาดินที่เพิ่งก่อขึ้นใหม่ๆไอ้น้ำเดือดจากหม้อซึมผ่านฝาหลังถึงซึง้งสารด้วยกกขึ้นมาหลวงจีนลูกเปิดฝาหม้อออกดูก็เห็นเข้าต้มลูกเดือยกำลังกลุ่นได้ที่อยู่ภายในและอุทานขึ้นว่า <S <S แม่ออะไรเลย พระทุกสิ่งพวกนี้ช่างหยาบคายไร้มารยาทสิ้นดีพวกเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรฉันมาสามวันแล้วแต่ขับต้มลูกเดือยอยู่นี่เป็นพระเป็นเจ้าควรต้องพูดแต่ความจริงจึงจะถูกพระแก่เหล่านั้นใจหายวาบรีบจิงยกถ้วยโถอาชามหนีไปสิน้นลุงจีลูกหิวจนตาลายพอเห็นข้าวต้มก็นึกแต่จะกินแต่ถูกพวกพระแก่แย่งเอาถ้วยชามหนีไปสิ้นแล้วข้างๆเตาไฟนั่นเอง ลู่สังเกตเห็นโต๊ะไม้สีซีดๆตัวหนึ่งฝุ่นจับหนาเตอะมือไว้เท่าใจคิดลูกพิงไม้เท้าเข้าข้างฝาหยิบฟางบนพื้นขึ้นมาปัาดฝุน่นสองมือก็ยกหม้อเทเข้าต้มลูกเดือยลงกับพื้นโต๊ะทันทีเหล่าพระแก่ก็รีบวิ่งเข้ามาแย่งเข้าต้มหลวงจีนลู่ใช้มือผลักกระเดรนออกไปบางคนก็ถึงกับล้มกลิ้งล้มหงายอีกหลายคนวิ่งหนีลู่รีบใช้มือเปล่ากอบเข้าต้มลูกเดือยใส่ปากเคี้ยวตุย้ยตุ ย, ต ย, ตย พอกระเดือกลงไปได้หน่อยเดียวหนึ่งในเหล่าพระแก่ก็ทวนขึ้นว่าพวกเราไม่มีอะไรตกถึงท้องมา3าวันแล้วแล้วก็มีวันนี้แหละที่ออกไปพิกขาจานให้ลุกเดือยมันหน่อยหนึ่งกะจะเอามาต้มกินให้อิ่มสักหน่อยแต่ตอนนี้ท่าน ก, ก็กินมันหมดใช่แล้วอตอนนั้นหลวงจีนลูกกาลังกลืนลงไปได้หกเจ็ดคพอได้ฟังก็ถึงกับสะอึกด้านนอก ใครบางคนร้องเพลงมื่นทะลึ่งขึ้นมาหลวงจีนลู่รีบเช็ดมือหยิบไม้เท้าออกไปส่องดูเบื้องหลังกำแพงพังๆนั้นพันก็เห็นเต้าสือผู้หนึ่งสวมหมวกดำเสื้อคลุมดำรัดเอวด้วยผ้าหลากสีสวมเกีย้ยใช้ไม้คานหาบตะกร้าไม้ไผ่สองใบมาบนบ่าตะกร้าที่ห้อยอยู่ปลายไม้คานด้านหนึ่งมีปลาอยู่หลายตัวพร้อมด้วยเนื้อห่อมาในใบตองส่วนตะกร้าอีกใบ ก็มีเล่าหนึ่งไหเอาไปบัวมัดปากร้องเพลงเสียงโบกเบกจับความได้ว่าตัวน้องอยู่บ้านเหนือตัวพี่อยู่บ้านใต้เจ้ายังไม่มีผัวส่วนตัวพี่ก็ยังไม่มีเมียถึงเมียไม่มีพี่ก็ยังพอทำตัวหากเจ้าไม่มีผัวเหงาตัวแล้วจะทำะไหนเหล่าพระแก่รีบเข้ามากระซิบที่หูหลวงจีนลู่ว่านั่นไงมันมาแล้ว เต่าสืบพูดบินจากนรกกิว้วลูกค้นร้องละ่ะธหลวงจีนลู่ได้ฟังก็กระชับไม้เท้าย่องตามไปนักโทษผู้นั้นไม่รู้ว่ามีคนตามก็ก้าวข้ามช่องประตูผ่านกําแพงหลังกุฏิจเจ้าอาวาสล่วงเข้าไปภายในหมู่ตึกแห่งหนึ่งโดยไม่ทันระวังตัวลู่ย่องตามเข้าไปก็เห็นโต๊ะตัวหนึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นหวยบนโต๊ะ ว, วางจานอาหารไว้หลายใบจอกสุราสามจอก และทะเกียบอีกสาคู่พระอ้วนร่างกาย ก, กำยำล่าสันรูปหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้กลางโต๊ะขนคิ้วดกหนาเป็นปื้นดังแปลงทาสีหน้าดำประหนึ่งล้างด้วยหมึกเนื้อตัวขึ้นกล้ามเป็นมัดๆผิวหนังใต้แผงอกลงไปเป็นพุงกะทิทั้งหยาบทั้งกล้านทั้งสีก็คร้ำด้วยดำแดดพุงพุ้ยป่องออกมาเป็นลอนมีหญิงสาวนางหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเต้าสือผู้นั้นวางตะกร้าไม้ไผ่ทั้งสองลงแล้วก็เข้าไปนั่งร่วมวงที่โต๊ะ หลวงจีนลูเดินใส่อาจอา จ, อาจตามเข้าไปหลวงจีนอ้วนพ่อหันมาเห็นเข้าก็ตกตะลึงรีบกระโดดขึ้นยืนพลางร้องขึ้นว่านิมนต์นั่งก่อนหลวงพี่เชิญดื่มสุราด้วยกันสักจอกสิหลวงจีนลูเข้นถามไม้เท้ากระชับมั่นในมือเจ้าสองคนทำวัดจนสุดซ้อมด้วยเหตุอันใดฮะหลวงจีนอ้วนย้ำอีกว่านิมนนั่งก่อนหลวงพี่ ให้อัตมาได้อธิบายสักหน่อยเถิดลู่ตัดบทว่าดีแล้วพูดออกมาให้หมดหลวงจีนลูปพูดออกมาในตาจ้องเขม็งวัดนี้เคยเป็นที่จเจริญรุ่งเรืองงามสง่าไรนากว้างขวางพระสงฆ์องค์เจ้าก็อุนหนาฝาค่างแต่พวกพระแก่ที่อาศัยอยู่ในกุฏิพวกนั้นชอบดื่มสุรายาเมาเป็นนิจสินใช้เงินเสพสุขอยู่กับอิสตรีไปทั่วจเจ้าอาวาสจะห้ามอย่างไรก็หาฟังไม่ พวกพระแก่ทำเรื่องร้องเรียนแล้วจัดแจงเอาไปหิท่านไปเสียจนเป็นเหตุให้วัดวาอารามถูกปล่อยประละเลยจนชารุดสุดโทรมพระเถนเนชีหนีหายไปสิน้นที่ทางของวัดที่มีอยู่ก็ถูกนำออกขายอัตมากับเต้าสือผู้นี้เพิ่งเข้ามารับช่วงได้ไม่นานหวังใจจะกอบโก้บุรณะปฏิสังขรสิ่งประหลักหักพังในวัดนี้ขึ้นมาใหม่หลวงจีนลู่ซักตอไปว่า แล้วสตรีนางนี้เป็นผู้ใดกันเนหตุไฉนถึงจึงมานั่งกินเหล้าอยู่ที่นี่ฮะฮลุงจินอ้วนตอบว่าหลวงพี่ฟังอาตมา ก, ก่อนหญิงผู้นี้เป็นบุตรสาวของวางยูจินที่หมู่บ้านข้างล่างบิดาของนางเป็นคนใจบุญสุนทานทำบุญกับวัดเสมอมาแต่ตอนหลังประสบเคราะห์กรรมต้องขายสมบัติพัสัทธนของครอบครัวไปจนหมดสิน้น หญิงผู้นี้ไร้ญาติขาดมิตรสามีก็ล้มป่วยนางมาที่นี่เพื่อขอยืมข้าวอัตมาเห็นว่าบิดานางเคยเป็นโยบปุปถักให้ทางวัดมาช้านานดังนั้นอัตมาจึงเชิญนางดื่มสุรานิดหน่อยเองนิดเดียวเดี๋ยวนางก็ไปแล้วก็อย่างที่เห็นอยู่นี่แหละหลวงพี่จะได้ไปฟังความไอ้แก่พวกนั้นยอมให้พวกมันปันหัวเอาเลย หลวงจีนลูกนึกชอบใจในคำโอภาปราัยที่สุภาพอ่อนน้อมของหลวงจีนอ้วนลูกพึมพำว่าแม่ไอ้พระแก่พวกนั้นเล่นกนกับข้าแล้วถือไม้เท้าย้อนกลับมาที่ห้องครัวพวกพระแก่เพิ่งกินข้าวต้มลูกเดือยเสร็จก็แอบมองอยู่แต่ไกลหลวงจีนลูกพูดกับพระแก่พลางชี้หน้าฝ่ายพระแก่ด้วยความโกรธ พวกเจ้าลวงข้าให้หลงกลันเป็นเพราะพวกเจ้าเองต่างหากที่เป็นฝ่ายทำลายวัดน่ะฮะพระแก่โตว่าเอย่าไปเชื่อมันหลวงพี่เพรวกมันขังหญิงทางนั้นไว้เพราะเห็นว่าท่านมีอาวุธแต่พวกมันไม่มีจึงไม่กลาต่อยตีกับท่านนั่นสิถ้าท่านไม่เชื่อก็จงกลับไปดูใหม่เอาเอนเถอดดูทีสิว่าคราวนี้มันจะเชิด อ, อะไรใส่ เฮ้ยหัดให้หัวคิดพิดจารณาดูสิบ้างเถิดหลวงพี่พวกมันก็กินทั้งเล่าทั้งเนื้อส่วนเรานั้นจะหากินเข้าวต้มได้ก็ยากเย็นแสนเข็นตอนนั้นด้วยกลัวว่าท่านจะแย่งกินดอกจึงไม่ได้บอกเรื่องข้นต้มให้ท่านรู้หลวงจินลูกพูดว่าเออจริงแฮะจับปลายไม้ได้ก็ยกขึ้นพาดบาแล้วย้อนกลับไปทางกุฏิเจ้าอาวาสพอไปถึงก็เห็นประตูกําแพงปิดแน่นสนิท ลูกโกรธยกเท้าทีทีเดียวก็ทลันเข้าประตูไปใต้หวยต้นเก่าพระพิมพ์เนื้อเหล็กหรือกุย้ยผู้สำเร็จกรายเงาในมือแล้วปาดเข้าฟันลู่ตะวัดลั่นออกไปได้คำหนึ่งกระชับไม้เท้าเหล็กแล้วทลันเข้ารับมือทั้งสองรบกันไปได้<ะ> 1 4บหเพลง<ะ>กุ้ยหาใช้คู่มือของหลวงจีนลู่ไม่ดังนั้นพ่อผ่านไปได้สัักก็ได้แต่ถอยคอย ป, ป, ป<ะ>ัดป้ กำลังที่มีอยู่ก็อ่อนลงอย่างรวดเร็วเล็งแล้วแต่โอกาสจะหนีนักพรตเตาเห็นดังนั้นก็ถึงเงาย่องเข้ามาด้านหลังลู่ได้ยินเสียงฝีเท้าที่สืบเข้ามาแต่ตัวไม่กล้าหันหน้าไปดูพอสักพักเห็นเงาของเต้าเสือปรากฏอยู่บนพื้นก็รู้ว่านักพรตผู้นี้เกือบจะเข้ามาถึงตัวอยู่แล้วลู่ตวาดเสียงดังลั่นเอากลิ้งเซลุ่งสุดตัวด้วยคิดว่านี่ถ้าจะเป็นสัญญาณว่า อดีตครูทหารประจำด่านเยียนอันเจ้าหวดไม้เท้าเข้าใส่จึงผิวกายก็จมหลบออกไปให้พ้นรัศมีอาวุธหลวงจิตลู่ได้ทีก็เบี่ยงตัวมาเผชิญหน้าคู่ต่อสู้ทั้งสองแบบสามเส้าทั้งสาร้องรันพันตูต่ออีกกว่าสิเพลงแต่ด้วยหลวงจิตลู่นั้นทั้งหิวและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงไม่อาจต้านสองแรงลู่แท็กตีลวงไปไม้หนึ่งแล้วก็เพ่นหนีทิ้งปลายไม้เท้าเรียร์ระไปตามดิน คู่ต่อสู้ทั้งสองก็ควงเงาไล่ตามออกไปนอกวัดคนทั้งสรบกันต่ออีกสิบกระบวนท่าลูกก็เตลดิดหนีไปอีกหลวงจีนอ้วนกับเต้าสือโลดไล่ตามไปจนถึงสะพานอิด ก, ก่อนจะสุดตัวลงนั่งพักอยู่บนราวสะพานหลวงจีนลูกหนีไปได้ไกลโขก็หยุดหายใจ พ, พึมพำกับตนเองว่าเราคิดแต่จะหนีลืมห่อผ้าทิ้งไว้หน้าศาลเจ้าในครัวตอนนี้ไม่มีเงินค่าเดินทางหิวก็หิว ว่าตัวเราจะถึงคราวอับจนสีแล้วร ก, กระมังจะหวนกลับไปก็ไม่ได้ด้วยไอ้สองตัวนั้นมันตึงมือเกินไปนักขืนปล่อยให้สองรุมหนึ่งเราคงจะเอาชีวิตไปทิ้งเป็นแม่นมันหลวงจิน ล, ลูกลากเท้าไปได้อีกไม่กี่ลีก็มาถึงป่าใหญ่ไม้ไร่ล้วนต้นสนแดงลูกคิดในใจ ว, ว่าป่านี้ชอบคนทัก ท่านใดนั้นหลวงจีนลูกก็เห็นบุรุษหนึ่งโผล่หัวออกมาจากเงาไม้คนคนนั้นขม่นมองออกมาพอเห็นเป็นหลวงจีนก็ทมน้ำลายใส่แล้วหดหัวกลับเข้าพุกไม้ไปอย่างเก่าหลวงจีนลูกคิดในใจว่าถ้าคิดไม่ผิดไอหมอนั่นมันต้องเป็นโจรคอยดักพ้นคนเดินทางเป็นแน่หน้อยแน่พอเห็นว่าเราเป็นพระมันก็คงคิดว่าถ้าจะไม่มีอะไรให้จึงทมน้ำลายใส่แล้วหนีไป แต่ไอ้อับ ป, ปรีนี่ดวง ม, มันซวยนักที่มาเจอเราเข้าจำจะถือโอกาสฟาดให้หายระบายแคหลอกคราบเอาเสื้อมันมาแกลากเรากินท่าจะดีกว่าไม้เท้ากระชับมั่นในมือหลวงจีนลู่ตรงเข้าไปในป่าตะวาดออกไปว่าไอเจ้าคนบัดซบในป่านั้นจงเรกออกมาไม่ไหวให้กูเข้าไปนะพ่อชายผู้นั้นได้ยินก็แค้นหัวเราะแล้วพูดขึ้นว่า เฮ้ย hey, ข้านี่ช่างอับโชคเสียนี่กระไรเงินทองก็ไม่ได้แถมไอ้โลนี่ยังมาชวนทระตบตีซะอีก hey. ว่าแล้วก็คว้าเงาวกระโดดออกมาจากพุ่มไม้เขาตะโกนว่าเฮ้ย hey, ไอ้ล้านหนังกลับข้ายังไม่ทันคิดทำอะไรเอ็งกลับรนมาหาที่ตายเองแท hey, ้รงงจจูููต่่อออไวาา้้นบะสสัม กู ه, เป็นใครลวงจีดลูกกักแกว่งไม่เท้าแล้วโถมเข้าใส่ครับโจรผู้นี้ชื่อว่าอะไรครับและมาจากไหนเดี๋ยวเราไปฟังต่อกันในตอนหน้านะครับ ฝ่ายตรงข้ามกระชับงาวก้าวกข้ประจันบานแต่ถึงจะทำดังนั้นในใจกลับกดคิดตัหงิดตะหงิดไม่ได้ว่าเอ๊ะเราเคยได้ยินเสียงแบบนี้ที่ไหนวะเนี่ยฮะเข้าตะโกนบอกไปว่าเสียงหลวงพี่คุณคุ้นหูข้านักท่านมีนามว่าะไรหลวงจีนลู่ตะโกนบอกไปว่ารับก็ได้ครับสามร้อยเพลงเมื่อไรแล้วเราจะบอกบุรุษหนุ่มได้ฟังก็บรรดาโทสะรุกเข้าใส่ เท้าใหญ่ประทะไม้เท้าวงเดือนรบกันมาได้ราวสิบเพล ง, งก็อดจะชื่นชมไม่ได้ชายหนุ่มคิดในใจว่าแม่หลวงเกียรรูปนี้ฉันไานจึงได้รบกันนะักดังนั้นพอสู้กันต่ออีกห้าเพลงบุรุษหนุ่มผู้นั้นก็ทนไม่ไหวตะโกนออกไปว่าหลวงพี่หยุดจักประเดี้ยวข้ามีอะไรจะกล่าวต่างฝ่ายต่างถะออกจากรัศมีอาวุธ บุรุษหนุ่มพูดขึ้นว่าข้าพูดจริงๆนะหลวงพี่มีนามว่ากไรข้าแน่ใจว่าจำเสียงท่านได้หลวงจีนลูกก็เอ่ยนามบอกชายผู้นั้นรีบวางเงาแล้วสืบท้าวออกมาโค้งคารวะแล้วพูดว่าพี่จำาสือจีนคนนี้ไม่ได้เลยใช่หรือฮะหลวงจีนลูกหัวเราะร่วนแล้วว่า <laughs> เป็นท่านนั่นเองท่านน้อยๆ้ืยอ สองฝ่ายแลกคาระวะแล้วชวนกันเข้าไปนั่งใต้ร่มไม้ลูกถามว่าน้องท่านไปอยู่ที่ไหนมาคลาจากกันที่เวยโจนะ่ะฮะนายน้อยซื่อพูดว่าวันที่ข่าจากพี่ที่โรงเตียมนั้นเพราะข้าได้ยินว่าพี่ข้าไอ้เจิงคนข้าหมูแล้วหนีไปตำรวจสืบความได้ ว, ว่าข้าเองก็เป็นคนช่วยพี่ออกเงินค่าเดินทางให้สองพ่อลูกเท่าจินกับลูกสาวนักร้อง ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจลบจากเวทโจอบ้างข้าไปเยียนจอเที่ยวตามหาอาจารย์หว่างจิน้นแต่อย่างไรอย่างไรก็หาพบไม่จึงวกมานครตา้าหมิงเมืองหลวงมณฑลอูดอรและพักอยู่ที่นั่นพักหนึ่งพอเงินหมดก็เลยมานี่แหละตั้งใจว่าจะหาเงินสักหน่อยไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้พบกันที่นี่แล้วอะไรทาให้พี่บวชเสียเล่าฮะ หลวงจินลูกจึงเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นให้ซื่อจินฟังซื่อจินเอ่ยขึ้นว่าถ้าหลวงพี่หิวนะนะข้ามีเนื้อแห้งกับมันโถอยอยู่หน่อยนึงว่าพรางก็แบ่งให้แล้วว่าหลวงพี่บอกว่าทิ้งห่อผ้าไว้ที่วัดเรากลับไปเอากันดีกว่าถ้าพวกมันยังไม่ยอมเราก็จัดการกับไอ้พวกสารเลวนั้นเสียเลยดีไหมหลวงจินลูกเห็นด้วย <N ic> ดีเราไปจัดการมันเลย <N ic> หลังจากต่างคนต่างกินจนอิ่มแล้วทั้งคู่ก็หยิบอาวุธย้อนกลับไปที่วัดว่ากวนอีกคำรบหนึ่งพอมาถึงทางเข้าก็เห็นผู้สำเร็จกุย้ยกับกิ้วลูกคนรองยังคงนั่งอยู่บนราวสะพานหลวงจีดลูดตะโกนไปว่าเฮ้ย <N ic> มาเลายไอ้พวกสะทุนมาสู้กันให้ถึงที่สุดห <N ic> ลวงจีนอ้วนหันมาเห็นเขาก็หัวเราะแล้วว่า ข้ากำราบเอ็ว่าคนหนึ่งแล้วยังไม่แข็กอีกหรือไร <LA> โทษะหลวงจีนลูกท่านก็ลุกโพรงมือควงไม้เทา้าแล้วทยานขึ้นสะพานไปพระพิมเนื้อเหล็กเห็นเขาก็โกรธ ถ, ถือเท้าวแล่นลงสะพานมาหลวงจีนลูกเห็นว่าตอนนี้ตนมีซื่อจีนหนุนหลังกำลังใจก็ให้มากเป็นอักโข 95. ยิ่งได้กินอาหารมาจนอิ่มหนำสำราญจิตใจก็ให้เข้มแข็งเบิก บ, บานขึ้นเป็นทวีคูณทั้งสองรบกันไปสิบเพลงผู้สำเร็จกุ้ยก็ค่อยๆอ่อนกำลังลงทีละน้อยทีละน้อยลวงจีนอ้วนเริ่มมองหาลู่ทางหนีกิ้วนักพรตหนุ่มพอเห็นกุ้ยเสียเปรียบก็กลายงาวิ่งเข้าไปช่วยซื่อจินเห็นดังนั้นก็กระโดดออกจากราวป่าร้องขึ้นว่าเฮงสองคนอย่าหนีเถะว่าพรางก็ปัดหมวกปิกว้างไปด้านหลัง จูโจมเข้าใส่นักพรตนุมด้วยเงาที่ถืออยู่ในมือทั้งสองคู่สู้กันอย่างถึงพริกถึงขีดพันการรบของสองหลวงจีนก็มาถึงขี่สุดหลวงจีนลู่เห็นช่องเปิดจึงร้องขึ้นว่าโอแล้วก็หดไม้เท้าพระธรรมเข้าใส่เพียงไม้เดียวพระพิมพ์เนื้อเหล็กก็ร่วงตกจากรสะพาน<อ>ตาเต้าเสือพอเห็นหลวงจีนอ้วนตกสะพานไปก็ใจเสียแซงลวงด้วยเงาฟันหนึ่งแล้วหันหลังกลับวิ่งหนีเอาดืด้อ ซื่อจินตะวาดว่าเฮ้ยมจะไปไหนพลนผ่ <c oughs> อนไล่ทันก็เสือกปลายเงาทิ้มเข้าใส่กลางหลังเต้าสือพเนันสุดลงไปกับที่ซื่อจินตามเข้าไปใช้เท้าเหยียบไว้เงาวในมือก็กระนำแทงใส่ไนึ่งักู <c oughs> <c oughs> ตายตั้งแต่มึงแทงดาบแรกแล้วไอบว้บ้าหลวงจีนลูกกระโดดสะพานตามลงไปฟาดด้วยไม้เท้าเหล็กติดไม้หนึ่ง <c oughs> กุ๋ยก็หลังหัก อ้ออนิจาช่างหน้าอานาถชีวิตสองเสือร้ายที่พลังพลาดพันก็ล่วงละลิว้วปลิวกระจายดังตกใจตื่นฟื้นจากฝันหลวงจีนลูกกับซื่อจินผูกุบทั้งสองเข้าด้วยกันก่อนจะทิ้งลงไปในห้วยลึกแล้วเข้าไปเอาห่อผ้าที่ห้องครัวในวัดก่อนหน้านี้เหล่าพระแก่เห็นลูกเสียทีหนีไป ก็นึกกลัวผู้สำเร็จกุ้ยกับกิวลูกคนร้องจะฆ่าจึงชิงผู้คอตายไปเสียก่อนพอหลงจีลูกกับซื่อจินเดินมาถึงหมู่ตึกหลังกุฏิเจ้าอวบก็พบว่าหญิงที่ถูกขังไว้นั้นพานกระโดดบ่อน้ำฆ่าตัวตายไปด้วยอีกคนทั้งสองพากันออกไปค้นตามหมู่ตึกน้อยใหญ่อื่นๆ อ, อีก 8-9 ้าแห่งก็หาพบผู้ใดไม่บนเตียงหลังหนึ่งในห้องนอนของพระอ้วน พวกเขาพบห่อผ้าหลายหอ่อซื้อจินแกออกดูก็เห็นทองคำและเงินหลแท่งซ่อนอยู่ทั้งสองหยิบเอาไปแล้วทิ้งห่อผ้าไว้ยังเก่าพอเข้าไปในครัวก็เห็นปลาเนื้อและเหล้ายังวางอยู่จึงก่อไฟขึ้นปรุงแล้วนั่งลงกินพอกินเสร็จความมืดเริ่มโรยตัวลงมาทั้งสองเอาห่อผ้าสะพายไหลช่วยกันอา้าแห้งมามัดเป็นคบจ่อเข้ากับเตา พอคบไฟติดดีแล้วทั้งสองก็เริ่มเผาตึงด้านหลังหมู่อารามก่อนพอไฟโหมมาถึงประตูก็เอาเชื้อไฟทิ้งใส่อารามหลังใหญ่ถึงตอนนั้นกองไฟได้เชื้อก็ดูดลมกันโชกขึ้นฉับพลันเปลวไฟก็ประทุออกม้วนตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าควันไฟตลบอบอวนป่วนไปทั้งน้าผากาศลุงจีนลูกกับซื่อจินยืนดูอยู่หน่อยหนึ่งกระทั่งไฟโหมไหม้ไปทั่วทั้งหมู่อาราม ตัดท้องฟ้าสีดำสนิททั้งสองพูดอย่างแดกกันว่าแม่ช่างสวยงามนักแต่จะให้เอาทำบ้านคงจะไม่ไหวว่าพรางก็หันหลังกลับออกเดินทางไปทั้งคืนพอรุ่งสางก็เห็นตึกรามบ้านช่องกระจัดกระจายตั้งเรียงรายละเกะละกะอยู่แต่ไกล <ì> เห็นได้ชัดว่าเป็นชุมชนเล็กๆในไม่ชา้าคนทั้งสองก็เดินไปถึง สังเกตเห็นโรงเตียมเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ข้างสะพานไม้กระดานแผ่นเดียวทอดข้ามห้วยหลวงจีนลู่กับซื่อจินเข้าไปดื่มสั่งคนรับใช้ให้ออกไปหาซื้อข้าวกับเนื้อสดทั้งสองจุดไฟตั้งเตาลงมือปรุงอาหารระหว่างกินก็เล่าประสบการณ์เมื่อครั้งแยกกันสู้กันฟังหลวงจีนลู่ถามขึ้นหลังกินอิ่มว่าแล้วคราวนี้ท่านจะไปไหนล่ะซื่อจีนตอบว่า มีทางเดียวที่น้องพอจะไปได้คือย้อนกลับไปเขาเส้าหัวไปร่วมกับจูวบูและนายจนทั้งสองอยู่สักพักหนึ่งแล้วจึงค่อยคิดหาทางว่าจะทําอะไรต่อไปในอนาคตหลวงจีนลูกพูดกับซื่อจินว่าดีแล้วน้องพี่ว่าพรางก็หยิบจอกเงินจอกทองจากย่ามออกมาแบ่งให้ซื่อจินทั้งสองห่อข้าวของแบกใส่บ่าหยิบอาวุธขึ้นมาถือจ่ายเงินออกจากโรงเตี้ยมและหมู่บ้านนั้นไป พอมาได้สักเจ็ดแปดลี้ก็ถึงทางแยกสามแพร่งแห่งหนึ่งลูกเอ่ยขึ้นว่าเราเอําลากันตรงนี้แหละน้องพี่อัตมาจะไปเมืองหลวงตะวันออกอย่าเสียเวลาไปส่งอัตมาให้ไกลไปกว่านี้อีกเลยท่านจะไปเมืองหัวโจก็แยกไปทางนี้เถิดส่วนอัตมาจะแยกไปทางนั้น วันหน้าเราคงจะมีโอกาสพบกันอีกหากท่านรู้จักใครที่จะผ่านไปทางอัตมาก็จงฝากความมาถึงบ้างซื่อจินโค้งคารวะแล้วกล่าวอำลาหลวงจินลูทั้งคู่บ่ายหน้าไปคนละทิศเรามากล่าวถึงหลวงจีนลู่หลังจากเดินตามถนนหลวงมาได้แ9ดก้าวันก็แลเห็นเมืองหลวงตะวันออกอยู่เบื้องหน้าลู่เดินเข้าไปในตัวเมือง อันเป็นสถานที่แออัดจ็อกแจกจอแจพอเดินมาถึงกลางเมืองก็ถามคนที่สัญจรไปมาอย่างนอบน้อมว่ายอมยมโปรดบอกทางให้ตามาไปอารามหลวงวัดเฉียงกอด้วยเถิดอ๋ออยู่ไม่ไกลแล้วพระคุณเจ้าโน่นโน่โน่นโน่อยู่สะพานข้างหน้านู้นขอรับลุงจีรลูถือไม้เท้าตรงไปยังวัดตามที่บอก พอไปถึงก็มิงมิงมองๆจนกระทั่งแน่แก่ใจก่อนจะหันซ้ายหันขวาแล้วข้ามถนนตรงไปยังตึกรับรองแขกคนรับใช้ผู้หนึ่งรีบเข้ามาบอกด้านในไม่ช้าพระรับรองแขกก็ออกมาต้อนรับแต่พอเห็นใบหน้าท่าทางดุร้ายดาบไปกว้างเน็บซเซลกระบองเหล็กในมือและห่อผ้าที่อยู่บนหลังเขาพระรับแขกก็ให้นิ่งขึงอยู่กับที่ก่อนจะแข็งใจถามออกไปว่า หลวงพี่มาจากแห่งใดหรือหลวงจีนลูตอบว่าอัตมามาจากเขาบู่ไท่อัตมามีหนังสือจากเจ้าอาวาสของอัตมามากราบเรียนท่านพระครูแจ้งรัศมีเจ้าสมณศักดิ์แห่งพระอารามหลวงแห่งนี้เพื่อให้ช่วยหางานให้ทําพระรับรองแขกว่าถ้าเช่นนั้นจงตามอัตมามาหลวงจีนลตูตามพระรับแขกเข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาสแก้ห่อผ้าพลางหยิบหนังสือออกมา พระรับรองแขกถามว่าหลวงพี่ไปอยู่ไหนมาฉันไหนไม่รู้จักทำเนียมปฏิบัติจเจ้าอาวาสจะมาในอีกไม่กี่อืดใจนี้แล้วเร็วเอาดาบออกเอาจีวรเอาเสือ้อเอาทูกออกมารอคารวะท่านมหาสมภารผู้เป็นใหญ่หลวงจินลูดทําเป็นถลึงตาใส่รีบปลดดาบออกจากเอวแก้ห่อผ้าเอาเสื้อจีวรและทูบออกมาแล้วบ่นกระปอดกระแปดว่าแล้วฉันไหน ยังไม่บอกกันก่อนแต่ก็ยังหารู้ว่าจะทำอย่างไรกับพวกมันไม่พระรับแขกต้องอาจีวร อ, ออกมาห่มให้สั่งให้ลูกปู้เสือเป็นอาสนะไม่กี่อึดใจท่านพระครูแจ้งรัศมีเจ้าอาวาสก็ปรากฏกายขึ้นพระรับแขกรีบสืบเท้าเข้าไปข้างหน้ากราบเรียนว่ากระวะท่านเจ้าอาวาสหลวงจีนรูปนี้มาจากอารามบนเขาบู่ไท่ มีหนังสือจากเจ้าอาวาสที่นั่นมาถึงพระคุณเจ้าด้วยขอรับท่านพระครูแจ้งรัศมีเอ่ยว่าคราวก่อนตอนที่พี่ข้าบนเขาบูไถ่มีหนังสือมานั้นก็นานโหนักพระรับแขกกระซิบกับหลวงจีนลู่ว่าหลวงพี่หลวงพี่เร็วเร็วรีบคารวะท่านเจ้าอาวาสสิเฮ้ยยืนทื่อเป็นเสากระโดงเรืออยู่ได้เว้ยแต่หลวงจีนลู่ก็ ไม่รู้อยู่ดีว่าจะเอาทูปที่จุดแล้วไปเสียบไว้ไหนพระรับแขกอดหัวร้อไม่ได้จึงดึงทูปจากมือลูกเอาไปปักให้ที่กระถางหลวงจีนลูกก้มลงโขกศีรษะคำนับไปเรื่อยๆพอครบสามครั้งพระรับแขกก็สั่งให้หยุดแล้วนำหนังสือไปมอบให้จเจ้าอาวาสท่านพระครูแจ้งรัศมีเปิดจดหมายออกอ่านหนังสือนั้ น, น, นท้าวความถึงการบวชและสาเหตุที่หลวงจีนลูก ถูกอไปหิออกจากวัดบนเขาบู่ไทยแล้วย้ำในตอนท้ายว่าข้าภาวนาให้ท่านโปรดเมตตาหางานและที่อยู่ที่กินให้เขาด้วยก่อนจะจบว่ายาได้ปฏิเสธเลยหลวงจีนผู้นี้จะสำเร็จเป็นเซียนได้ในบ้านปลายพออ่านหนังสือจบจเจ้าอาวาสก็กล่าวขึ้นว่าแม่ท่านเดินทางมาไกล จงไปพำนักในกุฏิพระก่อนเถิดพวกเขาจะจัดอาหารให้ท่านเองหลวงจีนรูปผู้รู้แจ้งก็คำนับเก็บอาสนะห่อผ้าดาบและไม้เท้าแล้วก็ตามสำมานเรยนรูปหนึ่งออกไปเจ้าอาวาสเรียกประชุมบรรดาพระชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยและบรรดาวัยาวัชกรทั้งหลายพอคนเหล่านั้นมาพร้อมกันแล้วท่านเ จ, จ้าอาวาสก็กล่าวขึ้นว่าพี่อตมาเจ้าอาวาสวัดเขาบูไถ่ ช่างไร้ดุลพินิจจีนเหลือเกินหลวงจีนที่ท่านส่งมาให้เราเคยเป็นนายทหารที่ข่ายชายแดนเหตุที่ยอมปรงผมก็เพราะไปฆ่าคนตายแถมต่อมาก็ยังไปก่อการทะเลาะวิวาทขึ้นในอารามถึงสองครั้งสองคราไม่หยุดย้นพอเห็นว่ากำราบมันไม่ไหวก็เฉดหัวไล่มันมาหาเราจะให้ข้าปฏิเสธอย่างไรได้ก็ท่านยืนยันของท่านเป็นมั่นเป็นเหมาะให้รับมันไว แต่ถ้าขืนรับไว้ในอารามมันก็คงจะต้องก่อเรื่องระเมิดพระธรรมวินยัยหาเรื่องปวดหัวมาใส่เราเป็นแม่นมันพระรับแขกเอ่ยขึ้นว่าแม่นหลวงจีนผู้นี้จะเป็นหนึ่งในหมู่สงของเราแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเป็นผู้สละทิ้งทางโลกได้เลยจะให้เรารับเขาไว้ได้ันไหนสามเณรรูปหนึ่งในที่ประชุมกล่าวขึ้นว่าข้าคิดอะไรออกได้อย่างหนึ่งที่นอกประตูเจ้าเปรี้ยว วัดเราไม่สวนผักอยู่แปลงหนึ่งตั้งอยู่ติดกับอารามพระที่ปลดกเกษียณแล้วไม่ใช่หรือสวนผักแห่งนี้เป็นที่ที่เราคนเกเรเก็บมเรกในละแวกนั้นรวมทั้งทหารในค่ายเที่ยวแอบระเด็ดลักยักยอกเก็บกินเก็บขายมิหนำซ้ํำชาวบ้านร้านทินในละแวกนั้นก็ปล่อยเวิร์กไว้ใหเข้าไปเดินเพลนผ่านแทะเล็มอยู่เป็นนิจศิลป์จนเละเทะไปสิ้นแล้ว พระแก่ที่เราส่งไปเฝ้าก็ไม่กล้าห้ามพรามทำไมไม่ส่งหลวงจีนรูปนี้ไอ้ว่าการเสียเลยเล่าอย่างน้อยเขาก็ไม่กลัวคนพวกนั้นจเจ้าอาวาสบอกว่าแม่เป็นความคิดที่ดีทีเดียวเยี่ยมเลยว่าพรางก็หันไปสั่งผู้ช่วยว่าหากหลวงจีนที่เรื่อนรักร้องฉันเสร็จแล้วก็ให้ไปพามาที่นี่ ผู้ช่วยออกไปไม่นานก็กลับมาพร้อมกับหลวงจีนลูกท่านพระครูแจ้งรัศมีเอ่ยขึ้นว่าพี่อัธรรมาเจ้าอาวาสวัดบูทยัยสงเจ้ามาให้ร่วมวัดเราอารามของเรามีสวนผักแผลงใหญ่นอกประตูช่อเปรี้ยวตั้งอยู่ติดวัดผาศักดิ์สิข้าจะให้เจ้าไปว่าคานทุกวันเจ้ามีหน้าที่น้ำผักสด มาสงที่อารามเราวัรานสิบหาที่เหลือนอกนั้นให้เป็นของเจ้าหลวงจีลูกค้านออกมาว่าท่านเจ้าอาวาสที่เขาวูไท่ส่งข้ามาให้เป็นศิษย์ที่วัดแห่งนี้นะขอรับถึงพระุนเจ้าจะไม่แต่งตั้งให้ข้าเป็นสังฆาจารย์หรือกระทั่งพระลูกวัดแต่เหตุฉันไหนจะขับสายไล่ทรงให้ไปว่าการที่สวนผักด้วยเล่าเฮ้ฮเพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งท้วงขึ้นว่า ท่านยังไม่เข้าใจหลวงพี่ท่านนั้นเพิ่งจะมาอยู่ใหมย่ยังไม่มีความดีความชอบใดๆแล้วจะให้ยกขึ้นเลยได้ไฉไหนส่วนการดูแลสวนผักนั้นก็เป็นงานสําคัญไม่เบาเลยลูกจีนลู่โวยวายขึ้นว่าเฮ้ยข้าพาเจ้าไม่ยอมไปกํากับสวนผักในคัดข้าจะไม่ยอมเป็นอะไรทั้งนั้นถ้าไม่ได้เป็นสังฆาจารย์หรือไม่ก็เป็นพระรูปวัดอยู่ที่นี่พระรับแขกเอ่ยแทกขึ้นว่า ขอให้อัตมาได้อธิบายบ้างในอารามแห่งนี้มีพระสงฆ์อยู่มากมายหลายตาแหน่งอย่างเช่นอัตมนี้ก็เป็นพระรับรองแขกวันๆไม่มีหน้าที่เป็นอื่นใดนอกนจากคอยรับรองแขกไปใครมานอกจากนั้นก็ยังมีตำแหน่งรองเจ้า อ, อาวาสเลขาส่วนตัวของท่านเจ้า อ, อาวาสสมุหะอารักษ์และพระเทระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งรวนมีหน้าที่สำคัญเฉพาะอย่าง ยากนักที่ใครๆจะประกอบกิจนั้นๆได้ส่วนตำแหน่งผู้ดูแลพระลูกวัดผู้อำนวยการผู้จัดการก็ต้องคอยดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางวัดทั้งสิน้นส่วนตัวท่านเองนั้นเพิ่งจะมาอยู่ใหม่และจะให้แต่งตั้งท่านอย่างไรได้ส่วนพระในตำแหน่งกลางๆรองลงไปที่อยู่ระดับสังฆาจาร์ก็มีพระภูพิทักษ์ขอไตรผู้พิทักษ์ตึงผู้กากับกุฏิผู้กากับบาท และผู้กำกับห้องสงน้ำต่ำลงไปกว่านี้ก็มีพระผู้ดูแลด้านงานต่างๆอาทิเช่นดูแลโรงครัวดูแลโรงน้ำดูแลโรงน้ำชาดูแลสวนผักและดูแลห้องสุขาเป็นตน้นอย่างท่านนี้หากอยู่ดูแลสวนผักไปได้สักปีหนึ่ ง, ก, จจ ก, ก, ก, งก็อาจจะได้เลื่อนขั้นไปดูแลโบทและหากทำดีอีกปีหนึ่งก็อาจจะได้เลื่อนขั้นไปเป็นผู้ดูแลห้องสงนา ปีต่อไปก็อาจจะได้เลื่อนขึ้นไปถึงขั้นสังฆท า, านก็ได้นะหลวงจินลูกเอ่ยขึ้นว่าอ๋อเป็นเช่นนี้เองดอกหรือตราบใดที่ยังพอมีช่องทางให้ก้าวหน้าข้าจะเริ่มงานวันพรุ่งนี้เลยท่านพระครูแจ้งรัศมีให้ลูกจำวัดอยู่ที่กุฏิในคืนนั้นในวันนั้นก็มีใบบอกออกไปปิดไว้ตามที่ต่างๆในอาราม รวมทั้งวัดผาศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เกษียณอายุแล้วให้มีผลบังคับใช้ในวันรุ่งขึ้นพอเช้าวันต่อมาท่านพระครูแจ้งรัศมีก็ขึ้นนั่งธรร ม, มาภประกาศแต่งตั้งหลวงจีนลู่อย่างเป็นทางการให้ไปเป็นพระผู้ดูแลสวนผักหลวงจีนลู่รับใบแต่งตั้งนั้นมาถือไว้กล่าวอำลาเจออา้าอาวาสแบกห่อผ้าขึ้นบา่าเอาดาบเนบเอลถือไม้เท้าได้พระสองรูปนำทาง พากันตรงไปรับหน้าที่ณสวนผักนอกประตูเจ้าเปรี้ยวติดวัดพาศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นอันว่าระแวกย่านสวนผักของอารามหลวงนั้นยังมีกวนวิชาชีพประกอบด้วยเหล่านักเลงอัฐพาลคนเสพเพลคนสำเมาเทเมาและผีพนันซ่องสุมกันอยู่ราวๆยี่สามสิบคนหากินด้วยการลักขมโมยผักจากแปลงไปขายวันนั้น ก็มีกุ้ยพวกนี้สองสามคนแอบนล็ดลอดเข้าไปลักผักในสวนอย่างเคยคนเหล่านั้นก็เห็นใบบอกติดประกาศไว้ที่ประตูสวนความว่าพระอารามหลวงวัดเชียงก่อขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าทางวัดขอแต่งตั้งหลวงจีนลูกให้เป็นผู้กำกับดูแลสวนผักแห่งนี้ดังนั้นนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผู้ไม่มีกิจห้ามเข้าโดยเด็ดขาดกุ้ยเหล่านั้นคาบเอาข่าว ไปเข้าที่ประชุมกวนทางวัดเฉียงกอสรงพระนามว่าหลวงจีนลกูกไปเป็นผู้ว่าการสวนผักแห่งนี้หลวงจีนผู้นี้ยังใหม่นักเราจะพากันไปหาเรื่องชวนวิวาทเสียให้เข็ดมันจะได้รู้จักจำเกรงพวกเราเสียบ้างว่าไหมพวกเราหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นว่าข้อคิดได้ประการหนึ่งเรื่องจากมันยังไม่รู้จักเราจะไปหาเรื่องกับมันอย่างไรได้ เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะพวกเจ้าทั้งหลายพวกเราพากันไปแสดงความยินดีกับมันก่อนล่อมันไปที่บ่อขี้รถแฝงผักและช่วยกันจับขามันทุ่มเอาให้หัวปักลงไปในบ่อขี้แหวคงสนุกดีไม่น้อยเลยบรรดากวนเหล่านั้นเห็นดีด้วยฮะฮะดีดีดีลูกพี่หลังจากเตรียมกันเป็นอันดีแล้วก็ยกขโยงไปตามหาหลวงจีลูก ฝ่ายหลวงจีนลู่พรั้นมาถึงหมู่ตึกที่ดูแลสวนผักก็จัดแจงเอาห่อผ้าไปเก็บพิงไม้เท้าเข้ากับผนังแขวนดาบไว้ข้างฝาฝ่ายบรรดาสังฆการีที่ทํางานในสวนก็เข้ามาคํานับรายงานตัวแล้วส่งมอบกุญแจให้ส่วนพระที่มาส่งพร้อมกับพระผู้ดูแลสวนคนก่อนก็พากันอำลากลับไปยังพระอารามหลวงวัดเสียงก่อพอจัดแจงทุกอย่างเสร็จสับ หลวงจีนลูกก็ออกไปเดินรับรมชมสวนบัดนั้นพลันก็เห็นหมู่คนราวยี่สิบสาสิคนเดินตรงเข้ามาในมือถือถาดใส่ขนมและเล่าพิธีแล้วเอ่ยทักหลวงจีนลูกว่าพวกเราบ้านใกล้เรือนเคียงได้ยินว่าหลวงพี่เพิ่งมารับตําแหน่งให้ว่าการที่นี่คนเหล่านั้นว่าพลางก็ ย, ยิ้มหัวไปพลาง <laughs> พวกเราจึงพากันมาคาราวะหลวงพี่นะซิ ด้วยไม่รู้ในกลอุบายหลวงจีนลู่จึงเดินไปเรื่อยๆจนมาหยุดยืนอยู่ที่ขอบบ่ออุจจระเหล่าบรรดามิจฉาชีพตามมาติดๆเห็นดังนั้นคนหนึ่งก็ก้มลงจะ ก, กอดขาซ้ายอีกฝ่ายหนึ่งก็กอดขาขวาแล้วคิดจะงัดหลวงจีนลงไปในบ่ออาจมแต่อ้อละหนอหน้าอานาถจีนตีนหนึ่งปลิวไปเสือร้ายตะกายภูก็หงายหลัง อีกหมัดลั่นสั่งมังกรทะเลก็เหตตามทั้งเสือทั้งมังกรล้วนพบเหตุเพศภัยเป็นที่อับอายยิ่งนักและแล้วสวนผักที่สงบเงียบมานานพลันก็เป็นสารสัพปยุต์น้อยๆแผนของเหล่ามิชฉาชีพที่เตรียมไว้จัดการกับหลวงจีนลูกจะออกมาอีท่าไหนฟังบทต่อไปหากท่านใคร่รู้ ในบรรดานักเลงหัวไม้ทั้งยี่สิบสามสิบคนที่อาศัยอยู่ในระแวกนอกประตูจ้าเปรี้ยวเหล่านั้นยังมีตัวหัวหน้าสองคนคนหนึ่งนั้นชื่อจางลูกคนที่สามฉายาหนูข้ามถนนอีกคนหนึ่งชื่อลี่ลูกคนที่สี่ฉายางูเขียวในกอหญ้าก็เป็นมันสองคนนี้เองที่นำหน้าพาขาบวนเข้าไปหาหลวงจีนลูกพวกกุ้ยเหล่านั้นพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเราขอแสดงควาบยินดีที่หลวงพี่มารับตำแหน่งไหมขอรับแล้วก็รอท่าให้หลวงจีนลู่เดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ที่ขอบบ่อปฏิกูลหลวงจีนลู่พูดขึ้นว่าเมื่อพวกเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็ขอเชิญพวกท่านเข้ามานั่งเสวนากันที่ไนตึกก่อนแต่จางกับลี่ชิงซุดตัวลงคารวะอย่างนอบน้อมด้วยหวังใจว่า หลวงจีนลู่จะเอื้อเฟื้อเดินเข้ามาฉุดให้ลุกขึ้นแล้วตัวก็จะได้ลงมือตามแผนเมื่อสังเกตเห็นเช่นนั้นหลวงจินลู่ก็นึกเอกใจเอ๊ะไอ้กวนนี้ดูท่าทีชอบก้นจะเดินเข้ามาหาเราก็ไม่เดินคิดจะจับเราทุบบ่อขี้หรือไงวะเนี่ยฮะไอ้พวกนี้เห็นทีจะมากระตุกหนวดเสือดีละ่ะเราจะเข้าไปให้พวกมันลองชิมรถมือรถตีนดูบ้าง คิดได้หลวงจีนลูกก็เดินสายอาจอา จ, อาจเข้าไปหาทั้งๆั้ที่ยังคุกเข่าอยู่จางกับลี่ก็เอ่ยขึ้นว่าเราพี่น้องมาขอกราบพบหลวงพี่ด้วยความเคารพแล้วต่างคนต่างก็โผเข้าซบหวังจะกอดขาแต่โอ้ว่าอานิจาเอ๋ยมือยังไม่ทันได้เลยไปแตะขาหลวงจีนด้วยซ้าหลวงจีนลูกก็ดีดแท่งขวาเข้าใส่เฮ้ลี่บิวตกลงไปในบ่ออาจจมจางลุกขึ้นตั้งท่าจะเพน แต่แล้วแข้งซ้ายของลุงจีนก็มีอันประเคนเขาให้อีกนี่ตามลูกพี่มึงลงไปโอ้โ <laughs> โอละหนอแทนที่จะเป็นลุงจีนกลับเป็นไอ้สองหัวโจกที่ต้องโอลพ่อพลัดตกลงไปในบ่ออาจจมแทนกวนวิชาชีตที่เหลือตกตะลึงอ้าปากค้างหมุนตัวเตรียมจะแผ่นหนีลุงจีนลู่ตะวาดว่าไอพวกเอง ใครขืนขยับไปลงไปได้บอกขี้สินฮะสิ้นเสียงเหล่าอันดพานก็ตัวแข็งทื่ออยู่กับที่หามีใครกล้าขยับไหมตอนนี้จางกับลี่ก็โผล่หัวขึ้นมาจากบ่อปฏิกูลที่ลึกจนสุดะจยังหัวหูเต็มไปด้วยอุจจาระนอนกินอาจมเกาะอยู่บนผมยัวเยียเต็มไปสิ้นหัวจกทั้งสองแผดเสียงละล่ำละลักขอโทษขอโพหลวงจีนลูกกันให้ขมยกโทษให้พวกเราด้วยเถิดพระคุณเจ้า หลงจีนลู่ตะหวาดไปว่าไอ้พวกมึงลงไปเอาไอ้สองตัวนั้นขึ้นมาจากบอ่อไวๆแล้วขา้าจะเอหสี่ให้เหล่าอันตรพานกุลีกุจอลงไปฉุดหัวหน้าทั้งสองจากบอ่อพาขึ้นมานั่งพักที่แปลงผักที่ถ้าเป็นนั่งร้านฟักน้ําเต้ากิ่นก็หึ่งขึ้นไปถึงไหนไหนหลวงจีนลูห่หัวเราะท้องคัดท้องแข็งเฮ้ยไอ้พวกน่าง้พากันไปอาบน้าล้างเนินล้างตัวเสียที่บอ่อ แล้วข้ามีอะไรจะพูดกับพวกเองเฮ้ยหลังจากสองหัวหน้ากวนพากันไปอาบน้ำพวกสอพรบางคนก็ถอดเสื้อผ้าของตัวเอาไปให้หัวหน้าพลัดหลวงจีนลู่สั่งว่าเข้ามาข้างในข้ามีเรื่องจะกล่าวพอเหล่าอันดาพานเข้าไปในที่พักแล้วหลวงจีนลู่ก็ก้าเข้าไปนั่งกลางวงชี้หน้าดากลาดไปทั้งกวนเฮ้ยไอ้พวกขี้ทูดกุดถังเอ้ย พวกมึงบังอาจจะมาหลอกกูได้เช่นนั้นะหรือฮะคนอย่างพวกมึงคิดหรือจะมาเล่นกับคนอย่างกูได้จางลี่กับอันธพานทั้งกวนพันก็รีบคุกเขา่าก้มกราบสีโรราบอยู่กับพื้นแล้วว่าครอบครัวของพวกข้าน้อยอาศัยอยู่ในระแวกนี้มานานหลายชั่วอายุคนแล้วอาศัยฉกชิงวิ่งราวลักเล็กขโมยน้อยคอยจีบหล่นเก็บกินอยู่กับแปลงผักพื้นนี้ทางวัดว่าจ้างคนมาขับไล่พวกเราหรือก็หลายต่อหลายครั้ง แต่ก็เอาพวกเราไม่อยู่แม่พระคุณเจ้ามาจากไหนหรือขอรับช่างน้าสยดสยองพองขนจนเหลือจะรับประทานพวกข้าน้อยไม่เคยพบพานท่านที่วัดในเมืองมาก่อนเลยต่อแทนนี้เป็นต้นไปพวกเราภาวณาตัวขอรับใช้พระเดชพระคุณเจ้าไปจนถึงที่สุดเลยขอรับหลวงจีนลูกพูดกับอันถานเหล่านั้นว่าข้ามาจากสุดเขตแดนเมืองเย็นอันทางตะวันตก ข้าเคยเป็นผู้พันภายใต้พนะนัท่านเจ้าหัวพ่านขุนพลจงพูดเท่าผู้รักษาป้อมแต่เพราะข้าคนมามากข้าจึงออกบวทหันหน้าเข้าวัดก่อนจะมานี่เดิมทีข้าเป็นพระอยู่บนเขาบูไท่ใช้แส้ลูกมีฉายาว่าผู้รู้แช่งต่อให้กองทหารนับพันยกมาล้อมข้าก็ยังตีฝาออกมาได้สำหัหาอะไรากับพวกเอ็งเพียงยี่สิบสามสิบคนแค่นี้เฮ้ย หลวงจีนลูกพูดไปก็ให้ใจอ่อนเหล่าคนพานส่งเสียงอ้ออื้อฮือฮาตามไปอย่างนอบน้อมต่างเห็นดีเห็นงามเอออวยไปด้วยสิน้นกล่าวขอบพระคุณในความเมตตาปราณีของหลวงจีนโคกศรีรษะคารวะอยู่ปลกปลกแล้วพากันล่าถอยออกมาลูกกลับเข้าไปในห้องจัดข้าวของเสร็จก็ล้มตัวลงนอนวันรุ่งขึ้นหลังจากหลวงจีนลูก ว, ว่าการในสวนผักเสร็จ ขวนไม่ฉาชีพก็พากันลงขันเอาเงินไปซื้อเหล้ามาได้สิบไหจุงหมูเป็นเนมาตัวหนึ่งแล้วเชิญหลวงจีรุ่ออกมาแต่งโต๊ะเลี้ยงฉลองกันในลานตึกทําการลู่ลงนั่งเป็นประธานหัวโตเหล่าอันธพาลทั้งหลายก็นั่งเรียงกันลงไปทุกคนดื่มกินกันจนเมามายไปทั้งสิ้นหลวงจีรุ่ถามพวกนั้นว่าฉันไหนเจ้าจึงใช้เงินทองมากมายเพียงนี้คนเหล่านั้นตอบว่า พวกเราพากันฉลองวัสนาที่ได้มาพบราบอันสุดประเสริเมื่อหลวงพี่มาอยู่ที่นี่แล้วก็โปรดได้มาว่ากล่าวเป็นนายพวกเราได้เถิดหลวงจีตลูกให้เบิกบานใจยิ่งนักงานเลี้ยงเรื่นเริงเต็มที่เล่ายามีรินไม่อัน้นหัวรอต่อกระซิบปรบมือปรบไม้พูดคุยร้องรําทำเพลงกันให้เซ็งแซ่ไปหมดขณะที่งานเลี้ยงกาลังได้ที่ เสียงผู้กานอกรั้วก็พันจิกตีกันให้อึงมี่ขึ้นมาขัดจังหวะอันพานบางคนถึงกับขวัญผวาฝันหน้ากระทบกันสั่นกึกกึกแล้วท่องมนต์ไล่เสนีย์ขึ้นพร้อมๆกันว่าป่กแองหายขาวิ้เขาฉกตินแงหายาวิขาฉกดินหลวงจีนรูดตวาดว่าเฮ้ยพวกแองท่องบนอะไรกันวะเนี่ยฮะโอ้ยเราอันพานจึงว่า ถ้าปุกอิการ้องจิกกันเช่นนี้โบราณว่าจะเกิดเหตุเพศภัยใหญ่โตวพวกเราจึงสวดเพื่อขจัดปันเป่าขับไล่เสนียดจันไรให้พ้นพนไปขอรับเฮ้ยเหลวไหลหลวงจีนลู่ตะวาดอีกคนงานสวนผักผู้หนึ่งได้ฟังก็หวัวเราะแล้วพูดว่าที่ต้นเหลิวข้างกำแพงแห่งนี้มีฝูงขามาทำรังตั้งแต่เช้าจะรดคำ พวกมันก็ร้องเป็นเซ็งแซ่อยู่เป็นประจำเช่นนี้แหละขอรับใครบางคนเสนอว่าเราไปหาบันดไดปีนขึ้นไปรื้อหังพวกมันลงมาดีกว่าหลายคนก็สนองว่าข้าเอาด้วยข้าเอาด้วยด้วยริบสุราหลวงจีนลู่เดินตามออกไปดูก็จริงดังว่ารังอีกามากมายกระจัดกระจายกันอยู่ตามกิ่งหลิวพวกอันตรพาลบอกว่าเร็วเข้าช่วยกันหาบันไดไปรื้อหังมันลงมาดีกว่า หัวหูจะได้สงบลงบ้างลี่โอว่าไม่ต้องใช้กระไดดอกข้าจะปีนขึ้นไปเองหลวงจีนลู่ยืนพินิจพิจารณาแล้วก็เดินตรงไปยังต้นหลิวถอดเสื้อก้มตัวทวงน้ำหนักลงที่เท้าทั้งสองข้างเอามือขวากอดคนต้นด้านล่างส่วนมือซ้ายก็อกกระชับเหนือขึ้นมาแล้วใช้แขนขวาดึงต้นหลิวออกแรงถึงทีเดียวหลิวต้นนั้นก็ถอนยวงขึ้นจากพื้นดินทั้งต้นทั้งราก เหล่าอันธพานถึงกับพากันชุดตัวลงคุกเข่าและล่ําละลักออกไปว่าโอ๊ยนายท่านต้องมาเจ ม, มนุษศบรรทุชนคนธรรมดาแน่แท่านต้องเป็นพระอรหันต์กลับชาติมาเกิดถ้าไม่มีแรงเป็นสิบสิบล้านช่างขึ้นไปฉันไหนจะถอนต้นหลิวได้ไง่ายได้ถึงเพียงนี้ครับจริงๆแล้วพระอรหันต์กลับชาติมาเกิดไม่ได้นะครับหลวงจีนลู่เอ่ยขึ้นว่านี่ยังไม่เท่าไดดอก เอาไว้วันหน้าข้าจะรำเพลงตะบองให้ชมคืนนั้นกวนอันดภ า, านพากันลากลับแต่พอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็หวนกลับมาใหม่เอาเนื้อเอาเหล้ามาเส้นคำนับหลวงจีนลูด้วยควา ม, มเคารพยำเพลงอย่างสุดจิตสุดใจเป็นเช่นนี้อยู่เสมอทุกวันไม่ได้ขาดพลางรบเร้าให้หลวงจีนลู่รำเพลงอาวุธให้ทัศนาเป็นขวัญตาอยู่เป็นนิดหลังจากผ่านไปได้อีกหลายวัน หลวงจีนลูก็ปรารบกับตนเองว่าแม่คนพวกนี้หาของมาเส้นไหวเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ได้ขาดเราจำต้องจัดโตะ๊ะเลี้ยงพวกมันเป็นการตอบแทนบ้างว่าแล้วก็สั่งคนงานในสวนบางคนให้เข้าไปหาซื้อผลไม้และเล่าอย่างดีจากในเมืองเมื่อได้มาแล้วหลวงจีนลูก็สั่งล้มหมูแหละข่าแกะอย่างละตัวตอนนั้นเวลาก็ย่างเข้าเดือนสามพอดีหลวงจีนลูเอ่ยขึ้นว่าแม่อากาศเริ่มอุ่นแล้ว พางเอาเสือไปปูใต้ต้นขี้เท่าเขียวสวยัยแล้วเชิญเหล่าอันดาพานออกไปนั่งกินอยู่กลางแจ้งเล่าเป็นชามๆเนื้อเป็นชิ้นๆทุกคนกินกันจนอิ่มน้ำสำราญกันทั่วหน้าผลหมากราดไม้ก็ถูกลำเลียงออกมาเล่ายามีต่ออีกเพียบผู้คนกินกันจนล้นแพะอันดรพานรายหนึ่งก็รบเร้าขึ้นว่าหลวงพี่หลวงพี่เมื่อหลายวันก่อน หลวงพี่สังแดกกำลังให้พวกข้าน้อยได้ประจักษ์มาแล้วทว่ายังไม่ได้รำเพลงอาวุธให้ได้ชมกันเลยหากพระคุณเจ้าจะรำให้เราชัศนาศสองสามกระบวนท่าก็จะดีไม่น้อยเลยขอรับหลวงจินลู่รับปากว่าได้สิจะเป็นไรไปแล้วเดินเข้าไปหยิบไม้เท้าเหล็กในกุฏิออกมาไม้เท้าพระธรรมตีเป็นรูปวงเดือนเล่มนี้จากปลายถึงปลายวัดได้ห้าเสียหนะักหสิบสองช่าง ครับ1ชั่งช่างนะครับเปนค้นมาก็ได้ประมาณ500กรัมนะครับหรือ16ตําตำลึงส่วน1เสี้นะครับก็ประมาณ1ฟุตนะครับเพราะฉะนั้นไม้เท้าพระธรรมด้าม น, นี้นะครับก็หนักประมาณ30กิโลกรัมนะครับแล้วก็ยาวประมาณ5ฟุต ผู้ชมพากันสนเทศมีแต่แรงควายเท่านั้นที่จะกวัดแกงอาวุธหนักขนาดนี้ได้หลวงจีนลูกควงไม้เท้าไล่รำเพลงอย่างง่ายดายเสียงไม้พลองเหล็กแหวกอากาศดังอยู่วูดหูเหล่าอันถ า, านปรกไม้โปรกมือพร่ำสรรเสริญเยินยอลูกพี่ตนอยู่ไม่ได้ขาดปากขณะที่หลวงจีนลูกกาลังเรียกเลือดลมอยู่นั้นพรนสุภาพบุรุษผู้หนึ่งก็เยี่ยมหน้าออกมาที่ช่องแตกที่กําแพงรัว้วพอเห็นก็อดออกปากชมไม่ได้ เยี่ยมเลยหลวงจีตลู่ได้ฟังก็หยุดหันไปตามเสียงสุภาพบุรุษผู้นั้นสวมหมวกผ้าป่านเนื้อละเอียดสีดำรวบสองชายผูกไว้บนศรีรษะรัดกล้าวระดับหยกขาวทำเป็นสองห่วงควายรัดมวยผมเขียนปมไว้ที่ท้ายถอยสวมชุดทหารสีเขียวตัดจากไม้ยกดอกคาดเอวด้วยรัดประคตหนังนาคขนหยาบสลับสีกลัดหัวเข็มขัดรวมกระดองเต่าสีเงิน สวมรองเท้าหุ้มข้อหัวตัดสีดำในมือกำพัดพับทำจากถึงตูอายุอนามราวส5สิห้าปีหัวใหญ่ราหัวเสือดำตากลมวาวเคราวแหลมดังจะงอยปากนกนางแอน่นไว้หนวดฟูดุดหนวดเสือร่างกายกำยำสูงใหญ่เหนือผู้ใดทั้งปวงชายผู้นั้นย้ำว่าแหมยอดเยี่ยมแท้ๆฝีมืองดงามไร้ที่ติพวกอันถานหันมาพยักพเยิบ ย, ยิ้มให้ทั่วกัน ถ้าเป็นท่านผู้นี้รับรองมันต้องยอดแน่ๆหลวงจีนลู่ถามว่านายทหารผู้นั้นเป็นใครหรือฮะหัวหน้าอันาพานคนหนึ่งตอบว่าอ๋อท่านคือครูทหารแปดหมื่นแห่งกองทหารรักษาพระองค์อันเกรียงไกรนามว่าลิ้นซงขอรับหลวงจีลู่จึงสั่งว่าเอาพวกเองรีบไปเรียนท่านเข้ามาในนี้ข้ายากพบสักหน่อย พอได้ยินเช่นนั้นครูทหารก็กระโดดข้ามช่องกำแพงเข้ามาคนทั้งสองโค้งคำนับแล้วนั่งลงสนทนากันใต้ร่มต้นขี้เท่าต้นนั้นหลินซงถามว่าพระคุณเจ้ามาจากที่ไหนแล้วมีนามว่ากระไรหรือขอรับหลวงจีนลูตต้ตอบว่าอาตมามีนามว่าลูตามาจากสุดเขตตะวันตกของดานด้วยเหตุที่ข้าคนมามากจึงหนีไปบวชเป็นพระ ตอนเป็นหนุ่มอาตมาก็เคยอาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้อาตมายังไม่เกียจแต่รู้จักกับท่านผู้พนันลิ้นบิดาผู้เกลเกเกียดของท่านด้วยหลินทรงให้ยินดีนักจึงสาบานเป็นพี่น้องกับหลวงจีนลูกในสวนผักแห่งนั้นนั่นเองหลวงจีนลูกเอ่ยขึ้นว่าพัานครูทหารอะไรพาท่านมาถึงนี่ล่ะลิ้นทรงตอบว่าออวันนี้ พามีมาจุดทูบไหว้พระที่วัดพาะศักดิก์สิธ์ข้างๆนี่เองขอรับได้ยินเสียงคนโห่ร้องจึงออกมาดูแล้วก็ได้เห็นการไล่รำของหลวงพี่ข้าบอกเมียกับจิ้นเออสาวใช้ให้เลยไปจุดทูบไหว้พระกันเอาเองแล้วข้าจะรออยู่ที่ช่องกำแพงแห่งนี้ไม่คิดเลยว่าจะมีเกียรติได้พบหลวงพี่หลวงจีนลู่เอ่ยขึ้นว่าตอนแรกอาตมากลับมาที่นี่ก็หาได้รู้จักใครไม่ต่อมา ก็ได้บรรดาคนเหล่านี้แหละมารู้จักพวกเขามารวมตัวอยู่ที่นี่กันทุกวันแม่วันนี้อัตมาปลื้มใจนักที่ท่านให้เกียรติมาร่วมสาบานเป็นพี่น้องว่าพลางก็สั่งคนงานในสวนผักให้ยกล่อมมาเพิ่มพอดื่มกันไปได้สามจอกจินเออสาวใช้ก็วิ่งหน้าตื่นกระหืดกระหอบผ่านช่องกระแพงเข้ามาละล่ำละลักว่ า, เ ร, ว เ, าเร็วเข้าเร็วเข้าเถิดในท่านหูหญินไปมีเรื่องกับพวกผู้ชายข้างในวัดเจ้าข้า ลินท่งซักว่าที่ไหนจินเออร์หาเข้าไปจินเออพูดอย่างตื่นเต้นว่าพอพวกเรา่งกระไดสานาเขาข้ายอดมาก็มีพวกคนพานเข้ามาขวางทางเราไว้ไม่ยอมปล่อยให้หุหนินจากมาลิ้นท่งรีบอําลาหลวงจินลูกข้าจะมาคารวะท่านใหม่วันนี้ปลอภัยด้วยว่าพางก็กระโดดผ่านช่องกําแพงไล่ตามจินเออกลับเข้าไปในวัด พอไปถึงศาลาเขาห้ายอดท่านก็เห็นพวกคนเสเพเมาอีกหนึ่งถือหน้าไม้ไม้สางกับลูกดอกและไม้หังสติกยิงนกชุมนุมกันอยู่ที่ราวบันไดเฝ้าดูชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ยืนหันหลังให้ชายผู้นั้นยืนขวางทางพันยาของดินส่งไว้ชายหนุ่มผู้นั้นพูดกับหญิงสาวว่าขอเชิญแม่นางกลับขึ้นบนศาลาก่อนเถิดข้าใครจะพูดคุยด้วยสักหน่อย พันยาลินทรงหน้าแดงกล่ําแล้วว่ากับชายหนุ่มว่าตัวท่านถือวิสาสะอันใดถึงได้มาเที่ยวกระเซเอาเยาแ ย, แย่หญิงส ก, กุลสตรีในบ้านเมืองที่มีคือมีแปรเช่นนี้ลินทรงแหวกคนขึ้นไปยื่นมือออกไปคว้าไหล่ชายหนุ่มคนนั้นให้หันมาลินตะโกนแล้วเงื้อหมัดขึ้นข้าจะสั่งสอนให้รู้จักเคารพลูกเมียพวกอื่นเสียบ้างแต่แล้วก็จําคุณชายเก่าลูกเลี้ยนจอมพลเก้ากิวผู้บัญชาการกองทหารรักษาพระองค์ได้ ก็ต อ, ตอนที่เก่ากิวได้ขึ้นมาเป็นใหญ่ใหม่ๆนั้นตัวเขาไม่มีบุตรมาคอยช่วยเหลือการงานที่มีอยู่อย่างมากมายเหลือขนานนับดังนั้นจึงไปขอเก่าที่สมลูกอาของตัวมาเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่ญาติหากแต่ยังเป็นลูกเลี้ยงของตัวด้วยจอมพลเก่าจึงทั้งรักทั้งหลงเป็นอย่างยิ่งไอ้สารเลวผู้นี้ใช้อิทธิพลพ่อตัวที่บ ร, รมีครับเมืองหลวงตะวันออกอยู่แล้วอย่างเต็มเหนียวชื่นชอบฆ่าเวลา ด้วยการเที่ยวเล่นชู้กับลูกเมียผู้อื่นเป็นที่สุดบรรดาพ่อพ่อผัวัวเมื่อเห็นเส้นใหญ่โตคับบ้านคับเมืองเช่นนี้ก็หาได้กล้าเอาความไม่จนใครๆพากันตั้งสมญานามให้ว่าราชาหน้าหมอ่อพอเห็นว่าเป็นคุณชายเก่าเท่านั้นเรียวแรงที่แขนของลินซงก็พลันหดหายมาลายไปสิน้นเก่าหันมาคู่ลินซงว่าลินซงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับท่าน ใให้ท่านมายื้อจุดชุดข่าเอาไว้ดังนี้ด้วยไม่รู้ว่าหญิงคนนี้ที่แท้ก็คือพันยาของหลินซ่งแต่ถ้ารู้เสียก่อนเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นยิ่งเห็นหลินซรงลังเลคุณชายเก่าก็ยิ่งขึ้นเสียงเรื่องเอ็ดอึงแบบนี้เป็นที่ดึงดูดใจของประดาคนที่มาวัดหนึ่งในพวกเสเพลพลันเรียบตัดบทขึ้นว่าอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองเลยท่านครูทหาร คุณชายน้อยจำนางไม่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนี้ล้วนด้วยความเข้าใจผิดกันโดยแท้เพลิงโทสะของลิ้นทรงนั้นยังไม่สาลงง่ายๆได้แต่จ้องให้คนเจ้าชู้ประตูดินราวกับจะกินเลือดกินเนื้อฝ่ายพวกเสเพลบางคนคอยปลอบลิ้นทรงส่วนคนอื่นๆก็ดึงเก่าให้ล่าถอยออกมาขึ้นมาแล้วควดออกไปจากวัด ลินทรงพร้อมเมียและจินเออสาวใช้ขยับจะกลับอยู่พอดีทันใดนั้นหลวงจินลู่ก็ถือไม้เท้าบุกฝ่าเข้ามาในลานวัดเดินสายอาดอาดแ อ, อ, อ่นนําหน้าพวกอันตาพานเหล่านั้นเข้ามาหลิ้นทรงทักว่าหลวงพี่จะไปไหนหรือขอรับหลวงจินลูต่ตอบว่าอาตามาจะมาช่วยท่านสู้ลิ้นทรงอธิบายกับหลวงจินลู่ว่าไอคนพานผู้นั้นบังเอิญเป็นลูกเลี้ยงของท่านจอมพลเกา มันจำพัญญาข้าไม่ได้จึงเสียมารยาทข้าเกือบกระเทืบกมันอยู่แล้วแต่คิดขึ้นได้ว่าหากขืนทำไปเจ้าพนเขาจะเสียหน้าพระคุณเจ้าก็รู้คำพังเพยดีอยู่แล้วว่าจองอย่าได้กลัวเจ้าพนักงานหน้าไหนหากไม่ใช่นายเราอย่างไรเสียข้าก็กินเงินเดือน เ, อนเบี้ยวัดของเขาอยู่คราวนี้ข้าจึงปล่อยไอ้บัตรซบนั้นให้รอดตัวไปหลวงจีนลู่ตะโกนขึ้นว่า ตัวท่านอาจจะกลัวไอ้เจ้าพลคนนั้นแต่มัญหาได้ทําทำให้อัตมากลัวไหมถ้าเจอไอ้ลูกหมาหวดีตัวนั้นอีกทีอัตมาจเจ้ากระบองเหล็กฟาดมันเสียสักสามร้อยหุนพูดแล้วมันเคี้ยวว่ะลิ้นซ่งเห็นว่าหลวงจีนลูกกำลังเมาจึงพูดว่าที่หลวงพี่กล่าวมาก็ถูกแต่เพราะคนทั้งหลายช่วยพูดดอกข้าจึงได้ปล่อยมันไปหลวงจีนลูกว่าเอาหนะ้า หากท่านไปมีเรื่องกับใครก็ให้บอกอาตมาได้เลยอาตมาจะไปจัดการให้เองพวกเ่าอันต a p า n รีบเข้าประคองรักแร้หลวงจีนลูกที่กำลังโงเงินเอาไว้แล้วพูดว่าโอ้ยพระกุณเจ้ากับกันเถิดไว้ค่อยจัดการไอ้เก่าไอ้ไก่อ่อนในวันหลังไม้พรองกระชับมั่นอยู่ในมือหลวงจีนลูกก็หันมาก่าวขึ้นกับเมียหลินทรงอย่างนุ่มนวลว่าขออภัยเถิดอาซะ อย่าได้หัวเราะเยาะอัตมาเลยแล้วก็หันไปกล่าวกับลินซงว่าพรุ่งนี้นะน้องพี่ว่าพรางหลวงจินลูกกับหมู่อันดภานก็จากไปลินซงกับพัญญาและสาวใช้ก็กลับบ้านครูทหารให้เคียดแคตและหดหูอยู่ในใจไปพร้อมๆกันข้างฝ่ายคุณชายเก่าวนั้นเล่านับตั้งแต่วันที่พาบรรดาเพื่อนๆคนเสพเพลเข้าไปในวัด แล้วพบกับพัญญาลิลทรงก็ไม่เป็นอันกินอันนอนให้ลุ่มหลงร้อนรนกระวนกระวายเป็นยิ่งนักยิ่งถูกหลิลทรงตะเพิดใส่ก็ได้แต่หดหัวอยู่ในคุ้มจองผลเก่าอย่างไร้สุขไม่กี่วันต่อมาบรรดาเพื่อนกินก็พากันแห่มาเยี่ยมแต่พอเห็นว่าชายหนุ่มมิแต่หงุดหงิดกระวนกระวายจึงพากันหนีหายไปสิน้นยังก็แต่ในบรรดาเหล่าคนเสเพลพวกนั้นเป็นคนรับใช้ในบ้านนามว่าผู้อัน ให้นึกสนเท่นักว่าอะไรหนอเจ้ามาทําให้คุณชายเก่าไร้สุ k นักจึงบุกเดี่ยวเข้าไปถึงที่บ้านก็พบคนไก่อ่อนนั่งอิเลกเคขะไม่เป็นชิ้นเป็นอันอยู่ในห้องหนังสือผู้อ่านเดินเข้าไปใกล้แล้วเอ่ยขึ้นว่าพักหลังมานี่คุณชายน้อยดูซิเสียลงไปนักก่อนนี้ดูสดใสร่าเริงหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต้องมีบางสิ่งบางอย่างกวนใจท่านเป็นแน่คุณชายเก่าร้องว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรผู้อ่านว่า ข้าก็เพียงแต่ดาวดาๆเอาขอรับคุณชายเกาวถามว่าแล้วเจ้าเดาว่าเป็นอะไรไหนลองบอกมาทีสิฟู่อันว่าท่านกำลังคิดถึงคนที่ใช้แท่เขียนเป็นรูปต้นไม้สองต้นมีหลินทรงใช่ไหมล่ะท่านคุณชายน้อยหัวเราะ <laughs> ดาได้ไม่แล้วปัญหาก็คือข้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้ตัวนางมาเชยชมผู่อันร้องว่า เฮ้ยเรื่องขี้ปัติว๋วท่านกลัวว่าจะไปแย่หลินทรงไอคนพลังเสือผู้นั้นเข้าใช่ไหมล่ะไม่ต้องกังวลไปดอกมันก็ไอแค่คนในบรรคับัญชาของท่านจอมพลเท่านั้นมันกินเงินเดือนเงิ น, ด, นดางออกมากโ ข, ขไม่ใหญ่โตถึงขนาดจะกล้าหื้ออะไรได้ถ้ามันกล้าขัดท่านจอมพลอย่างเบาก็ถูกในประเทศเฉดหัวอย่างชั่วก็ถึงตายข้าน้อยจะเอาเมียมันมามอบใส่มือท่านเองข้าน้อยมีแผนแล้ว คุณชายน้อยว่าแก่ฟู่อันว่าอันว่าตัวข้านี้เจอสาวงามมาก็มากฉันไหนจึงได้นึกรักแต่นางใจข้าต้องมนต์สกดรเสียแล้วเรือนกายก็ไม่สุขดังแต่ก่อนถ้าเจ้ามีแผนเช่นว่าจริงๆข้าจะตอบแทนให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวฟู่อันบอกแผนการกับคุณชายน้อยว่าทางออกอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากนี้นี่เองขอรับก็ผูกกองลูกเฉียนอย่างไรเล่า เขาเป็นหัวหน้าโอกรักทหารคนสนิทพิทักษ์อารักษาท่านจอมพลอย่างใกล้ชิดคนผู้นั้นไงเขารักใคร่ชอบพออยู่กับหลินซรงพรุ่งนี้เช้าหากเราไปจัดโต๊ะบนห้องนอนหลูเฉียนอันเป็นบ้านที่สงัดเสร็จแล้วใช้ผู้กองลูกให้แทรงวางอุบายไปเชิญหลินซรงออกมาดื่มเหล้าที่โรงเตียมสาาลมโชยแล้วข้าก็จะไปหาเมียเขาแทงทาทีบอกว่าสามีท่านไปดื่มเหล้าที่บ้านท่านลูเฉียน แต่เกิดโรคปัจจุบันเป็นลมหมดสติแม่นางรีบไปดูแลแก้ไขโดยเร็วด้วยเถิดแล้วข้าจะพานางไปที่บ้านภูกวาองลูกซึ่งท่านจะขึ้นไปซ่อนร้อยอยู่ในห้องนอนก่อนแล้วอันว่าธรรมดาสตรีนั้นใจแปรเปลี่ยนง่ายดังสายน้ำหากนางเห็นว่าท่านเป็นนมรูปงามแสนจะเอาอกเอาใจใช้แค่คำหวานนางก็คงไม่ขัดขืนแบบนี้ท่านจะว่ายางไรหรือขอรับ เราปรบมือแล้วว <label> ่าเยี่ยมจริงๆไม่ทาพวกกองลู่เฉียนมาพบค่าคืนนี้เลยใจร้อนว่ะเฮ้ยให้ปรากฏว่าบ้านของลู่เฉียนนั้นบังเอิญอยู่ห่างจากคุ้มจอมพลเก่าเพียงถนนเดียวเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเลี่ยงลู่เฉียนจึงตกลงตามแผนการของฟู่อันในทันทีกราบเท่าที่ความปรารถนานั้นมันเป็นของคุนชาย ลูกก็ยินดีที่จะสะบัดสายสัมพันธ์ฉันมิตรกับครูทหารเสียย้อนกลับมาทางหลินชงที่นั่งอารมณ์บูดบึ้งอยู่ในบ้านมาหลายวันเช้า ว, วันนั้นก็ได้ยินเสียงใครมาเรียกที่หน้าประตูบ้านท่านครูทหารอยู่หรือไม่ท่านครูท่านครูทหารอยู่หรือไม่หลินชงเดินไปเปิดประตูก็พบว่าเป็นลู่เฉียนนั่นเอง หลิ้นทักว่าแหมอะไรหอบท่านมาถึงนี่ล่ะน้องพี่ลู่เฉียนว่าข้าก็เป็นห่วงท่านพี่นะสิหลายวันมานี้ไม่เห็นท่านพี่ออกไปไหนมาไหนบ้างเลยลิ้นชงว่าใจคอรู้สึกไม่ค่อยสบายจึงไม่ใครอยากจะออกไปไหนลู่เฉียนว่าพ้าเช่นนั้นก็จงมาดื่มกับข้าสักหลายจอกให้ลืมทุกเสียเธอท่านพี่ลิ้นชงเห็นด้วยแล้วว่า เอาก็เอาเข้ามาดื่มน้ำชาในบ้านก่อนเถิดหลังจากดื่มชาเสร็จทั้งสองก็ผุดลุกขึ้นลูกเฉียนร้องบอกกับพัญญาหลินทรงที่ห้องถัดไปว่าอ้ออ้อน้องจะพาพี่หลินไปดื่มเหล้าที่บ้านสักลายจอกนะขอรับหญิงสาวรีบหน่วยนาดมาหยุดอยู่ที่ประตูที่มีม่านกัน้นแล้วเอ่ยผ่านม่านออกไปว่าอย่าปล่อยให้พี่หลินดื่มมากไปล่ะน้องลูก นางบอกด้วยห่วงใหญแล้วเรียกพากลับมาส่งบ้านแต่หัววันน่ะเนชอบพากันไปเที่ยวเซ็งจริงๆเลยเบื่อเที่ยวแล้วกลับมาดึกกลับมาก็แห้งแห๋แกะคนทั้งสองออกท่องไปตามถนนลู่เฉียนพูดกับลินซงว่าอย่าไปที่บ้านข้าเลยพี่ลินไปดื่มกันที่โรงเตี๊ยมสาลาลมชอยดีกว่าทั้งสองก็เปลี่ยนใจไปที่โรงเตี๊ยมแห่งนั้นเลือกได้ห้องเล็กๆ ก็ร้องสั่งสุราอย่างดีมาสองกระปุกกับแก้วอีกเล็กน้อยดื่มกินกันไปได้สัตพักลินส่งก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่เลูกเฉียนซักว่ามีอะไรหรือท่านพี่ลินส่งว่าท่านไม่รู้อะไรดอกหรืออันความสามารถของคนเรานั้นถึงจะมีดีแต่ก็ต้องอาศัยผู้บังคับบัญชามองเห็นและใช้สอยจึงจะเกิดประโยชน์นิเช่นนั้นดีที่มีก็รั้งแต่จะเสียไปเปล่าเปล่าเปลือ ทุกวันนี้พี่ถูกปล่อยปลาละเลยต้องรับใช้แค่ไอ้พวกคนชั้นต่ำดังนั้นจึงต้องมาทนให้เขาดูถูกเหยียบย่ำลู่เฉียนว่าแม่ท่านพี่กองทหารรักษาพระองค์ทั้ง8 0ด0มืนมีครูทหารฝีมือดีอยู่ไม่น้อยแต่หามีผู้ใดเทียบชั้นพี่ได้ไหมท่านจอมพลก็นับถือพี่นักแล้วเหตุชั้นไหนจะกล้าไปล่วงน้ำก้ามเกินเอ้ยคิดว่าไปได้ปัดท้อง ด้วยเหตุ น, นั้นลินซงก็เล่าเรื่องที่ไปวิวาสกับลูกเลี้ยงจอมพลเก่าเมื่อหลายวันก่อนให้ลูกเฉียนฟังทุกประการลูกเฉียนปลอบว่าเอาหนะ้าคุณชายน้อยไม่รู้ว่านางเป็นเมียพี่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรลืมมันเสียเถิดดื่มเหล้ากันก่อนดีกว่าลินซงดื่มเหล้าเข้าไปราวแปดเก้าจอกก็เกิดปวดท้องน้อยจึงลุกขึ้นและพูดว่าพี่จะไปล้างมือเสียหน่อยแล้วก็ลงไปชั้นล่าง เดินออกจากโรงเตี้ยมไปยืนปลดทุกในตรอกแคบๆทางทิศตะวันออกพอเดินกลับออกมาก็พบกับจินเออสาวใช้พอดีชะตากรรมพัญญาของหลิมชงจะเป็นอย่างไรจะรอดเงือมือของคุณชายก่าหน้าม่อหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในตอนหน้าครับต้องขออภัยพี่น้องมากๆเลยนะครับเพราะว่าณอํ์อ่านชื่อตัวละครผิดอีกแล้วครับอ่าน หลินชงเป็นหลิ้นทรงนะครับก็เนื่องด้วยตัวชอช้างที่เขาพิมพ์มานั้นตัวหัวบนเล่มเลยนะครับแล้วก็น้าอําเป็นคนสายตายาวก็เอ่อก็คิดว่ามันเป็นตัวสอโซ่นะครับก็เลยอ่านหลิ้นทรงนะครับอาจริงๆแล้วเขาชื่อลิ้นชงนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับอาจจะขาดอัธรรตไปมากๆเลยนะครับแล้วก็ นาอําก็คงจะต้องไปเปลี่ยนในบทที่8นะครับเพราะว่าบทที่ 7.2 นะครับตอนจบของตอนที่7นะครับก็ได้อ่านคำว่าลิ้นทรงไปเยอะเลยนะครับลิ้นทรงดื่มเหล้าเข้าไปราว 8-9 เจอกก็เกิดปวดท้องน้อยจึงลุกขึ้นและพูดว่าพี่จะไปล้างมือเสียหน่อยแล้วก็ลงไปชั้นล่างเดินออกจากโรงเตี้ยม ไปยืนปลดทุกข์ในตรอกแคบๆทางทิศ ต, ตะวันออกพอเดินกลับออกมาก็พบกับจินเออสาวใช้พอดีโอ้ยข้าวิง่งแทบตายนะเจ้าคะตามหาไปจนทั่วเลยที่แท้ท่านมาอยู่ที่นี่นี่เองสาวใช้บอกหลินชงซักว่าเกิดอะไรขึ้นจินเออสาวใช้ว่าพอท่านจากมา ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วยามดีชายผู้หนึ่งก็มาที่บ้านเรียนในผู้หญิงว่าข้าเป็นเพื่อนบ้านของผู้กองลูกท่านครูทหารพอดื่มเหล้าเข้าไปหน่อยหนึ่งก็หายใจไม่ออกไปลมล้มล ง, ลงท่านจงรีบไปดูแลน่แก้ไขเถิดนายนหญิงจึงรีบฝากบ้านไว้กับป้าหวางข้างบ้านแล้วรีบพาข้าตามชายคนนั้นไปที่บ้านผู้กองลูกเลยคุ้มบ้านจอมพลเกาไปอีกตรอกหนึ่งพอเราขึ้นไปชั้นบนก็เห็นโต๊ะอาหารตั้งอยู่แต่ไม่เห็นท่านอยู่ที่นั่นเลย เราหันหลังเตรียมจะกลับลงมาชับพลันชายคนที่กั้นหูหญินไว้ที่วัดเมื่อวานก่อนก็โผล่ออกมายืนเย้ยกลุ้กริ่มบอกว่าอยู่สักพักเถิดแม่หญิงหัวเจ้าอยู่ที่นี่แล้วข้าก็รีบวิ่งลงบันไดส่วนานายหญิงก็ร้องให้คนช่วยข้าวิ่งตามหาในท่านอย่างไรอย่างไรก็ไม่พบจนกระทั่งเจอกับหมอจางคนที่เร่ขายกาะเอะบอกเขาว่าข้าเพิ่งเห็นครูทหารพาชายคนหนึ่งเข้าโรงเตี๊ยมไปเมื่อกี้นี่เอง ข้าจึงวิ่งมาทางนี้นายท่านเจ้าค่ะเรียกไปช่วยไวไ้ๆวเข้าได้ฟังดังนั้นหลินรงก็ใจหายว่าเรียกเพนไปบ้านผู้กองรูโดยไม่รอสาวใช้พอถึงก็ผลิบผันขึ้นบันไดไปชั้นบนเฮ้ยมึงไอ้ใช้เขาไอ้หน้ามอประตูห้องนั้นปิดสนิทแต่ก็ได้ยินเสียงหญิงสาวอดครวนว่ายามี บ้านเมืองก็สงบนี่คือมีแปรเหตุชไหนจึงเที่ยวมาจองจำพัญญาคนอื่นไว้เช่นนี้เสียงคุณชายเก่าอ้อนวอนขึ้นว่าสงสารข้าเถิดแม่หญิงแม้ใจเจ้าจะแข็งดังเหล็กแต่ก็ไม่ควรที่จะไร้น้ำใจถึงเพียงนี้ <ul its> ลิ้มทรงคำรามขึม้นว่าเมอยพี่เปิดประตูเร็วเร็วเว เ, วเปิดประตูปัดปัดปัดเฮ้ยไม่เปิดด pressure, ปะทมก็ไปนะมึง พอได้ยินเสียงสามีแม่นางหลินก็คิดแต่จะรีบวิ่งออกมาเปิดประตูปล่อยให้คุณชายเกาที่แตกตื่นตกใจผลักหน้าต่างปีนหนีออกไปทางกำแพงบ้านกว่าที่หลินซ่งจะทะลันเข้าไปในห้องได้แมวขโมยก็หายไปเสียแล้วครูทหารตะโกนว่าไอหมาตัวนั้นมันลูกเกินเจ้าหรือยังแม่นางหลินตอบว่าอยังเจ้าค่ะหลินซ่งระบายโกรธเอากับข้าวของลูบเฉียนจีจนพังพินาศปนปี้ไปสิ้นแล้วพาเมียลงบันไดมา พอพ้นชายขาบ้านออกมาได้เพื่อนบ้านในละแวกนั้นก็รีบปิดประตูลั่นกรอนด้วยความกลัวจินเออรออยู่แล้วข้างนอกทั้งสามก็พากันเดินกลับบ้านพอถึงบ้านหลินรงก็รับดาบรีบตรงไปหาหลู่เฉียนที่โรงเตี้ยมแต่เพื่อนทรยศหนีไปเสียแล้วหลินชงจึงตามไปที่บ้านลู่เฉียนคอยเฝ้าอยู่ด้านนอกตลอดทั้งคืนแต่ลู่เฉียนก็หากลับมาไม่ในที่สุดครูทหารจึงต้องกลับบ้านมือเปล่า แม่นางหลินพูดว่าท่านพี่มันยังไม่ได้ทำอะไรค่าดอกท่านอจะโดนทําอะไรง่อๆลงไปนะหลินชงพรุ่งพล่านอยู่ไม่หายแล้วว่าใครจะไปคิดว่าไอ้ลูเฉียนมันทําชั่วช้าได้ลงคอถึงเพียงนี้มันเรียกข้าว่าพี่แต่ในใจนั้นมันกลบวางแผนเล่นงานข้าอยู่ทุกเวลาถึงจะดึงไอ้คุณชายน้อยลงมาไม่ได้แต่ข้าจะขอล่น ง, งานมันให้ถึงที่สุด แม้แม่นางหลินจะอ้อนวอนให้อยู่แต่ในบ้านอย่างไรอย่างไรหลินชงก็หายอมไม่ข้างฝ่ายลู่เฉียนไม่กล้ากลับเข้าบ้านหลบอยู่แต่ในคุ้มจอมพลเก่าได้สามวันเข้าให้แล้วหลินซรงไปเฝ้าอยู่ที่ประตูคุ้มทุกวันแต่คนทรยศหายอมโผล่ออกมาไม่หน้าตาท่าทางของหลินซรงทมึงถึงแลดูน่ากลัวจนคนทั่วไปไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปตอแยสอบถามพอถึงวันที่สี่ นับตั้งแต่ทั้งสองจากกันหลวงจีนลู่ก็มาเยี่ยมเยียนหลิ้มชงที่บ้านหลวงจีนลู่ถามว่าหลา้วันวันนี้ไปอยู่เสียที่ไหนล่ะท่านครูทหารลิ้มชงขอโทษขอโพยแล้วเอ่ยว่าต้องขออภัยข้ามัวแต่ยุ่งจนไม่มีเวลาปลีกตัวไปหาหลวงพี่เลยขอรับในเมื่อหลวงพี่ให้เกียรติมาเยี่ยมถึงบ้านก่อ น, นิมนต์ดื่มสุรากันสักหลายจอก่อนเถอะ เสียแต่ว่าที่บ้านนี้ไม่มีสุราดีเราออกไปข้างนอกโดยการสักพักหาอะไรดีๆ ด, ดื่มกันที่ตลาดดีกว่าหลวงจีนลูต่ตอบว่ า, วาเยี่ยมเลย <S 1> <S 1> คนทั้งสองออกไปดื่มกินกันทั้งวันแล้วก็นัดพบกันอีกในวันรุ่งขึ้นนับจากวันนั้นหลินซงก็ดื่มกินกับหลวงจีนลู่อยู่ทุกวันไม่ได้ขาดไม่ช้าก็ลืมเลือนเรื่องเลวร้ายดังกล่าวไปจนหมดสิน้น หันกลับมาทันคุณชายเก่าหลังเกิดเรื่องร้ายที่บ้านผู้กองลูกจนต้องเพ่นหนีออกมาทางหลังคาบ้านคนอื่นแล้วก็ล้มป่วยลุกจากเตียงไม่ขึ้นไม่กล้านําเรื่องไปบอกจอมพลเก่าบิดาเลี้ยงลูกเฉียนกับฟู่อันพากันมาเยี่ยมคุณชายน้อยถึงในห้องก็พบว่าคุณชายเก่านอนแม็ปอยู่บนเตียงจิตใจหดหูห่อเหี่ยวเป็นยิ่งนักลูกเฉียนถามว่าทั้นไหนจึงทุกข์ได้ถึงเพียงนี้คุณชายน้อยเฮย้ย เกาตอบว่าข้าไม่ปิดบังเจ้าทั้งสองดอกความพยายามของข้าที่จะเอาเมียหลินทง่งต้องล้มเหลวลงไปถึงสองครั้งสองคราแถมต้องมาตก อ, อกตกใจอีกตั้งหากจิตใจข้าในยามนี้รู้สึกตกทําย่งแย่อีกนักถ้าจะตายวันตายพรุ่งในสามเดือนหกเดือนพวกเจ้าจงอย่าได้ประหลาดใจเลยคนสอพรทั้งสองพูดขึ้นว่าทาใจดีๆไว้ขอรับ ท่าน้างไม่ด่วนผูก ค, คอตายไปเสียก่อนเรารับรองว่าไม่ไว่าจะอย่างไรพวกเราก็จะเอานางมาเป็นของท่านให้จงได้ในตอนนั้นเองพ่อบ้านแก่ที่ดูแลคุ้มก็เข้ามาดูแลอาการของคุณชายน้อยลู่เฉียนกับฟู่อ่าน ล, ล่าถอยออกมาหาเรือกันเงียบๆมีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นแล้วสองคนก็ตกลงใจ พอพ่อบ้านเท่าเสร็จงานเดินกลับออกมาสองคนนั้นก็เชิญกันเข้าไปสนทนากันในมุมสงบลูกเฉียนกับฟู่อันพูดขึ้นว่าพวกเราเห็นว่าไม่อยู่ทางเดียวที่คุณชายน้อยจะหายคือจะต้องเรียนให้ท่านจอมพลเกาทราบแล้วให้พระนะท่านหัวเจ้าท่านหาทางสั่งข้าเหรินทรงเสียคุณชายน้อยก็จะได้เมลินทรงมาครองแล้วฟื้นไขหากคืนปล่อยไว้อย่างนี้ ไม่หวังไม่รอดพ่อบ้านเท่าตอบว่าถ้าเป็นเช่นนั้นละก็ง่ายนิดเดียวข้าจะกราบเรียนท่านจอมพลเชียในเย็นวันนี้เลยทั้งสองเอ่ยขึ้นว่าเรามีแผนพร้อมแล้วเราเพียงสัญญาณจากท่านเท่านั้นพ่อคืนนั้นมาถึงพ่อบ้านเท่าก็เข้าไปรับใช้จอมพลเก่าตามปกติแล้วรายงานว่าข้าน้อย รู้แล้วว่าท่านชายน้อยไม่สบายใจก็เป็นเพราะเมียหลินซงนั่นเองขอรับเกากิวเอ่ยถึงลูกเลี้ยงอย่างเอ็นดูว่าไม่มันไปเจอนางผู้หญิงคนนั้นที่ไหนวะเนี่ยฮะพ่อบ้านเท่าบอกว่าก็เมื่อวันที่ยี่สิบแปดเดือนก่อนที่วัดผาศักดิ์สิทธิ์ถึงวันนี้ก็เกือบครบเดือนเข้าไปแล้วละขอรับพูดแล้วก็ถ่ายทอดแผนที่ลูเฉียนคิดให้จอมพลเกาฟัง จอมพลเก่าว่าอืเป็นเหตุที่เมียลินส่งเองดอกหรือสําคัญคือว่าเราจะเขยลินส่งออกไปให้ผลทางได้อย่างไรจอมพลเก่าครุ่นคิดสักครู่แล้วเอ่ยขึ้นว่าให้ข้าคิดดูก่อนข้าจะปล่อยให้ลูกข้าตายเพราะแพกกับลินส่งไม่ได้ดอกคนรับใช้ผู้เฒ่าเอ่ยขึ้นว่าลูกเขียนกับฟู่อันมีแผนแล้วขอรับ จอมพลเก sono, ่าว่าอ้อเช่นนั wore, ้นดอกหรือไปพาพวกมันเข้ามาเราจะได้หาหรือกันพ่อบ้านเท่ารีบออกมาเรียกคนทั้งสองเข้าไปหาจอมพลเก่าในห้องทั้งลู่เฉียนกับฟู่อันคารวะจอมพลเก่าอย่างนอบน้อมจอมพลเก่าทักว่าอ๋อเจ้าทั้งสองมีแผนเยียวยารักษาลูกขะแล้วหรือถ้าได้ผลข้าจะเลื่อนตำแหน่งให้ลู่เฉียนก้าวออกไป ใต้เท้ากรุณาขอรับจะให้ได้ผลต้องทำดังนี้ดังนี้แล้วก็ดังนี้ขอรับอะไรว่าดังนี้ดังนี้อ่ะท้มันใช้ภาษาอะไรจอมพลก่าวพูดว่าแ <c oughs> ดีแท้พรุ่งนี้เริ่มได้เลย <c oughs> รายละเอียดหลังจากนั้นเราจะยังไม่กล่าวถึงกลับมาที่หลินชงพอได้ดื่มกับหลวงจินลู่อยู่ทุกเมื่อเช้าวันเรื่องต่างๆเหล่านั้น ทันก็ลืมเลือนไปจนหมดสิ้นวันหนึ่งคู่หูทั้งสองเดินผ่านมาถึงตรอกแคบๆแห่งหนึ่งก็เห็นชายร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่งยืนอยู่ที่หัวมุมถนนสวมหมวกแก๊บรวบกระบังแดดขึ้นบนศรีรษะใส่ชุดทหารปอนปปอุ้มดาบงามไว้ในวงแขนผูกหญ้าปลอยหนึ่งไว้เป็นเครื่องหมายว่าต้องการจะขายชายผู้นั้นพึมพำว่าเจ้าดาบเล่มงามของข้าเอ๋ย จะมีใครรู้สึ้งถึงคุณค่าของเจ้าเลยก็หาไม่ลิ้นทรงหาได้สนอกสนใจใดๆยังคงพูดอยู่กับหลวงจินลูกและเดินต่อไปตามปกติชายผู้นั้นก็เดินตามและพูดขึ้นอีกว่าดาบพิเศษเล่มนี้ช่างน่าอนาถนานะหาคนไหนใครจะรู้ค่ะลิ้นทรงกับหลวงจินลูกก็ยังสนทนากันต่ออย่างออกรถแต่ชายคนนั้นก็ยังเดินตามต้อยๆไป แล้วร้องขึ้นอีกว่ามเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองหลวงตะวันออกแต่กลับไม่มีใครดูออกว่าดาบเล่มนี้กล้มามึกไอย่างไรพอได้ยินเช่นนั้นหลินซงก็หันไปดูชายคนนั้นได้ทีก็เปลยดาบออกจากฝักใบาดาบอาบแดดสะท้อนเป็นเงาวาววับหลินซงให้มาถึงค่าวซวยจึงพร่องออกไปว่าไหนข้าขอดูซิชายคนนั้นส่งดาบให้ ลินน่งหยิบดาบมาถือแล้วช่วยกันกันกบหลวงจีนลู่พินิษพิจารณาดูด้วยงามจับตานักครูทหารก็ทักขึ้นว่าแหวดาบยอดเยี่ยมจริงๆท่านต้องการสักเท่าใดคนขายดาบว่าราคาจริงสางพันพงอิแปะแต่ขอแค่สองพันก็พอลิ้นชงว่าจริงแท้ราคามันย่อมไม่ต่ำกว่าสองพันพงอแปะแน่ๆอยู่แล้ว แต่ข้ามองไม่เห็นว่าผู้ใดจะมีเงินตั้งมากมกายไก่กองขนาดนั้นถ้าเจ้ายินดีรับพันหนึ่งข้าก็จะซื้อคนขายดาบบ่าว่าแม่ข้าต้องรีบใช้เงินซะด้วยหากท่านต้องการจริงๆข้ายินดีลดให้อีกห้าร้อยคิดท่านพันห้าร้อยพงอีแปะก็แล้วกันลิ้นชงขานว่าแต่ข้ามีเงินให้พันเดียวเท่านั้นจริงๆชายคนนั้นถอนใจใหญ่แล้วว่าเฮ้ย เอาทองมาขายกลับได้ราคาเล็กเอาละเอาละห้ามขาดแม้แต่อีแปะเดียวนะถ้าเช่นนั้นตามไปเอาเงินกับข้าที่บ้านเถิดแล้วก็หันมาพูดกับลงจีนลู่ว่าหลวงพี่รอข้าอยู่ที่ร้านน้ำชานี้แหละแล้วข้าจะกลับมาพบท่านทีหลังลวงจีนลู่พูดว่าอย่าเลยอัตมา ต, ต้องกลับไปก่อนไว้ค่อยเจอกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันหลังจากอาลาหลงจีนลู่แล้ว หลิ้นช o n ก็พาคนขายดาบไปที่บ้านนับเงินแท่งก่อนจะส่งมอบให้ตามราคาลิ้นชงถามคนขายดาบว่าท่านได้ดาบเล่มนี้แต่ไดมาคนขายดาบว่าก็ดาบเล่มนี้เป็นวัตถตกทอดจากบรรพบุรุษมอบต่อๆกันลงมาแต่ครอบครัวข้าเกิดขัดสนไม่มีทางเลือกจริงจริจำต้องนำมันออกมาขายลิ้นชงถามคนขายดาบว่า แล้วตระกูลท่านใช้แท้อะไรคนขายดาบแย้งว่าแม่ถ้าบอกข้าก็าต้องอับอายขายขี้หน้าไปจนตายน่ะสิพอได้ยินดังนั้นหลิ้นทรงก็เลิกถามชายคนนั้นรวบรวมเงินได้ก็รีบอำลาจากไปลิ้นทรงหยิบดาบลิ้มนั้นขึ้นมาปัดแกล้งวาดไปทางโน้นแล้ววนกลับมาทางนี้แล้วพูดกับตนเองว่าแม่ ดาบเล่มนี้ช่างงามดีแท้จอมพลเก่าก็มีดาบงามอยู่เล่มหนึ่งแต่ไม่ยอมให้ใครได้เห็นข้าเองเพียนขอดูอยู่หลายผลจนแล้วจนรอดก็หาได้นําออกมาให้ดูไม่วันนี้ข้าได้ดาบงามเล่มนี้มาสักวันจะพาไปเปรียบเจนวันนั้นครูทหารไม่ยอมปล่อยให้ดาบห่างมือ จนกระทั่งดึกจึงยอมแขวนเอาไว้ข้างฝาแต่ยังไม่ทันถึงหัวรุ่งดีก็ตื่นขึ้นมาลูบคลำดูอีกเวลาผ่านไปก่อนเที่ยงทนายสองคนก็มาที่ประตูบ้านเรียนท่านครูทหารมีคำสั่งจากท่านจอมพลมาถึงท่านพระน้าท่านหัวเจ้าท่านได้ยินว่าหวานนี้ท่านซื้อดาบดีมาเล่มหนึ่งจึงอยากให้ท่านนาไปเปรียบกับดาบที่บ้านท่านจอมพลรอท่านอยู่ที่คุ้ม ลินซงให้นึกสงสัยว่าใครหน้าปากบอนเที่ยวข่าวไปพโทนาแล้วถึงเพียงนี้ขณะที่ลินซงแต่งตัวนายทหารทั้งสองนั่งรอพอเสร็จก็หยิบดาบเดินตามคนทั้งสองไปเดินไปได้สักหน่อยลินซงก็พูดขึ้นว่าเอา๊ะข้าไม่เคยเห็นพวกเจ้าที่คุ้มมาก่อนเลยทานายทั้งสองตอบว่าอ๋อก็พวกเราเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ขอรับ ในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงคุ้มบ้านจอมพลเก่าพอเข้าไปถึงห้องรับแขกหลินซงก็หยุดรอทนายทั้งสองบอกว่าท่านจอมพลรอท่านอยู่หลังห้องขอรับหลินซงเดินอ้อมฉากกัน้นตามคนทั้งสองเข้าไปด้านในแต่ก็ไม่พบจอมพลเก่าหลินซงก็หยุดอีกทานายคนนั้นย้ําอีกว่าท่านจอมพลรอท่านครูทหารอยู่ที่ห้องไหนขอรับ ท่านสั่งให้เรานำท่านไปลิ้นชงตามคนทั้งสองผ่านกำแพงเข้าไปอีกสองสามชั้นจนกระทั่งทั้งหมดเข้าไปถึงสนามแห่งหนึ่งปลูกต้นไม้ประดับเป็นแถวยาวชิดติดกำแพงไว้ทั้งสี่ด้านทนายทั้งสองนำลิ้นสง่งล่วงเข้าไปยืนรออยู่ที่หน้าประตูห้องโถงขนาดใหญ่ห้องหนึ่งแล้วพูดว่ารดรอดอยู่ที่นี่แหละท่านครูทหารพวกเราจะเข้าไปเรียนท่านจอมพลเราไปไม่งานดอก หลินซ่งหยุดยืนอยู่ที่ชายคาประตูห้องโถงใหญ่รอในทหารทั้งสองเดินลับหายเข้าไปข้างในครูทหารยืนรออยู่เช่นนั้นจนเวลาผ่านไปช่วงดื่มชาเสร็จคนทั้งสองก็ยังหากลับมาไม่ด้วยความสงสัยหลินซรงก็เลิกผ้าใบาบังแดดโผล่ศีรษะเข้าไปดูในห้องโถงบนจันทันระหว่างเสาสองต้นมีป้ายเขียนด้วยอักษรสีเขียวสี่ตัวความว่าหอพยัขาว ลินทรงตกตะลึงไอยานี่มันห้องที่ใช้หาฤกษ์กิจสงครามระดับสูงสุดนี่วาเฮ้ยเราจะกล้าเข้ามาถึงที่นี่ได้ชนไหนว่าแล้วลินทรงก็นลนลานถอยกรูดออกมาอย่างร้อนรนด้านหลังทันก็แว่วเสียงรองเท้าหุ้มข้อเหยียบขั้นบันไดลั่นดังเอดอาดใครคนหนึ่งก้าวเข้ามาในสวนครูทหารหันไปเห็นก็จาได้หาใช่ใครอื่นไม่นอกจากจอมพลเก่า ลิ้มทรงรีบกุมมือทั้งสองข้างขึ้นดาบที่กุมติดมือก็ยกขึ้นโค้งคารวะให้อย่างนอบน้อมจอมพลเขาตวาดว่าเฮ้ยไอลิ้มทรงข้าไม่ได้เรียกหาเหตุฉนไหนจึงกล้าบุกเข้ามาถึงหอพยัคฆ์ขา ว, วนไหนฮะเจ้าไม่รู้กฎหมายดอกหรือมินำซ้ำกลับถืออาวุธเข้ามาอีกเจ้าคงคิดจะฆ่าข้าเป็นแนะ่มีคนมารายงานว่าเห็นเจ้าขัดดาบ มาคอยด้อมๆมองๆรออยู่หน้าประตูบ้านข้ามาสามส่วันแล้วจุดมุ่งหมายของเจ้าคราวนี้มันชั่วช้านักลินท่งรีบโค้งคำนับแล้วตอบว่าท้ายเท้ากรุณาขอรับท่านให้สองคนไปที่บ้านข้าแจ้งข้าน้อยว่าใต้เท้ากรุณาใครจะเปรียบดับและนำข้ามาที่นี่จอมพลเก่าร้องขึ้นว่าเฮ้ยแล้วมันสองคนไปไหนลินทรงตอบว่า อ๋อเพิ่งเดินเข้าไปข้างไหนเมื่อตะ ก, กี้นี้เองขอรับจอมพลเกาตะวาดอีกว่าเฮ้ยแล้วไงไม่มีใครหน้าไหนกล้าเข้าไปในห้องทำงานของข้าดอกเฮ้ยไอทหารยามจับไอคนสามวนนี้ก่อนจะทําสิ้นเสียงสั่งจากจอมพลเกา่าชายรูปร่างกำยำราวสามสิบคนกอกรูกันออกมาจากตึกสองฟากสนามถมเข้าใส่แล้วรุมตีหลินซงล้มลงไปกับพื้นจอมพลเกาบรดานโทษ แล้วพูดว่าในฐานะที่เป็นครูฝึกทหารประจำกองรักษาการในพระองค์เจ้าต้องรู้จักกฎข้อนี้ดีและถือดาบคมเข้ามาในเขตห่วงห้ามเช่นนี้ไม่ฆ่าฆ่าแล้วจะมาทำไมฮะ <c oughs> ว่าพรางก็สั่งให้คนพาลินทรงออกไปลินทรงจะรอดไหมและก็ด้วยเหตุ น, นี้เองความกระด้างกระเดืองและความโกลหุนโอลมารนทันก็อุบัติขึ้นทั่วทั้งที่ราบภาคกลาง ในแม่น้ำกระชอกฉานซ่านกระเซ็นเช้านาถูกสลักหลังเกณฑ์ผลเข้าผจนศึกทิวธงปัดจะนึกสะบัดพริว้วปลิวเหนือเรือหาปลาในท้องน้ำลิ้นทรงจะอยู่หรือตายฟังบทถัดไปหากท่านใครรู้ซ้องกัง ร้อยแปดวีรบุรุษแห่งเขาเหลียงซานตอนที่แปดหลินชงถูกสักหน้าในประเทศไปกังโจหลวงจีนลู่มูยืดญาติอยู่ในดงหมูป่าส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านรับฟังได้นะบัดนี้ ตอนที่จอมพลเก่าตะโกนสั่งทหารยามให้ฆ่าตัวลินชงออกไปประหาร น, นั้นลินชงก็ยืนกรานว่าตนเป็นคนบริสุทธิ์จอมพลเก่าคาดคั้นว่าแล้วเหตุไหนมึงถึงได้ถือดาบบุกรุกเข้ามาในเขตห่วงห้ามฉันนี้วะเนี่ยฮะแน่นอนคนอย่างมึงต้องคิดมาฆ่ากูแน่แน่ลินชงพยายามโต้แย้งว่าถ้าท่านจอมพลไม่สั่งข้าน้อยจะกล้าเข้ามาได้หรือไันไหน ข้าน้อยเห็นทนายสองคนเข้าไปในตัวตึกพวกมันต้องมาล่อให้ข้าน้อยเข้ามาในนี้เป็นแน่จอมพลเกาตวาดว่าแถวไหลทนา้อะไรที่ไหนกันไอ้คนสารเลวอย่างมึงไม่ยอมรับผิดอีกเมื่อเห็นว่าไม่ได้การจึงหันไปสั่งยามถ้าเช่นนั้นไอ้พวกมึงคุมตัวมันไปขึ้นศาลไขเฟิงให้ผู้พิพากษาเติ้งช่วยไต่สวนพิจารณาคดีรีดเอาความจริงออกมาแล้วคอยประหารมัน ยึดดาบแล่มนี้ไว้เป็นของกลางนําไปมอบเป็นพยานไว้ที่ศาลยามรักษาการปฏิบัติตามคําสั่งของจอมพลเก่าอย่างว่าง่ายคนเหล่านั้นคุมตัวหลินชงพร้อมดาบของกลางไปยังศาลเมืองไคเฟิงปรากฏว่าในวันนั้นผู้พิพากษาออกนับาบาลังตามปกติผููแทนของจอมพลเกา่าก็ออกพาหลินชงเข้าไปในศาลสั่งให้คุกเข่าลงต่อหน้าแท่นสมียนศาลเบิกตัวผู้แทนจอมพลเกา่าขึ้นกล่าวฟ้องร้อง ดาบของกลางก็าวางอยู่ต่อหน้าหลินชงนั่นเอง circuit. ผู้พิพากษาเอ่ยถามขึ้นว่าลิ้นชงเจ้าเป็นถึงครูทหารแ0ด0มืนในกองทหารราชมรรบรักษาพระองค์เจ้าย่อมต้องรอบรู้และเข้าใจกฎหมายข้อนี้เป็นอย่างดีแล้วเหตุชั้นไหนบังอาจถือดาบบุกรุกเขาเ้าไปในเขตห่วงห้ามทำเยี่ยงนี้มีโทษแต่ตายสถานเดียวลินชงพูดกับผู้พิพากษา ว, ว่า ข้าแต่สารผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในกิจการทั้งหลายทั้งปวงตัดสินคดีได้ชัดแจ้งเที่ยงตรงดังส่องกระจกลินชงผู้นี้ถูกใส่ใครเจ้าข้าแม้ว่าข้าน้อยจะเป็นทหารผู้โฉดขาาปัญญาแต่ก็รู้กฎหมายข้อนี้ดีฉนันไหนจะกล้าล่วงละเมิดบุกรุกเข้าไปในเขตห่วงห้ามชั้นไหนเหตุที่ข้าน้อยไปที่นั่นก็ด้วยว่าเมื่อวันที่28เดือนก่อน ข้าน้อยพาพันยาไปจุดธูปไหว้พระที่วัดภาศักดิ์สิทธิ์และจับได้ว่าบุตรเลี้ยงของจอมพลเกาพยายามล่วงเกินพันยาข่าข้าน้อยจึงด่าว่าแล้วไล่ไปเสียต่อมาเขาก็ใช้ผูกกองลู่เฉียนให้ล่อข้าน้อยออกไปดื่มเหล้าแล้วให้ฟู่อันมาล่อลวงเอาพันยาข่าน้อยไปบ้านผูกกองลู่เฉียนหมายจะกระทําชำเราพันยาข่าน้อยในครั้งนั้นข้าน้อยก็รู้ความอีกและทุบตีข้าวของของลู่เฉียนเสียด้วยโทระ ถึงแม้ว่าคุณใช้เขาจะยังไม่สามารถล่วงเกินทางได้ข้าน้อยก็ได้อยู่รู้เห็นทั้งสองกรณีข้าแต่สารที่เคารพเมื่อบานนี้ข้าน้อยซื้อดาบเล่มนี้มาเพียงชั่วข้ามคืนจอมพลเขาก็ส่งนายทหารสองคนมาตามข้าน้อยที่บ้านบอกว่าท่านจอมพลใครจะให้ข้านำดาบเล่มนี้ไปเปรียบกับดาบของท่านดังนั้นข้าน้อยจึงตามพวกเขาไปด้วยไม่รู้ จึงได้ล่วงเข้าไปในห้องสวนให้พอไปถึงจอมพลเก่าก็โผล่เข้ามาในสวนทั้งหมดนี้เป็นแผนการที่หวังจะปรักปรมทำลายข้าน้อยได้โปรดเมตตากรุณาข้าน้อยด้วยเถิดพระคุณท่านหลังฟังคำแถลงของจำเลยผู้พิพากษาจึงสั่งให้นำขือไม้เครื่องจองจำนักโทษออกมาเจ้าพนัก ง, งานสวมคือใส่คอครูทหารแล้วพาตัวไปขังไว้ตามระเบียบ ครอบครัวหลินชงเอาอาหารไปส่งให้ในคุกออกเงินซื้อความสะดวกจากผู้คุมครูทหารจ้างพ่อตาของหลินชงก็ไปเยี่ยมถึงในคุกเอาเงินวิ่งเต้นทั้งที่สูงที่ต่ำเสียไปหลายอัดปรากฏว่าในศาลไคเฟิงยังมีอารักษ์ผู้หนึ่งนามว่าซุนติ่งเป็นเพราะอารักษ์ผู้นี้มีเมตตาจิตและทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมชอบช่วยเหลือผู้คนอยู่ไม่ได้ขาดจนได้ฉายาว่าซุนพระพุธ พอทราบเรื่องนี้เข้าซุนก็ใช้ลิ้นพูดกับผู้พิพากษาแจ้งความตามที่ตนเห็นซุนกล่าวว่าลิ้นชงผู้นี้ถูกใส่ร้ายใต้เท้าต้องช่วยเขานะขอรับผู้พิพากษาว่าแต่จอมพลเก่ายืนยันว่ามันผิดและให้ข้าลงโทษการที่บันบางอาจถือดาบบุกรุกเข้าไปในเขตห่วงห้ามตอนไนหมายใจจะเอาชีวิตท่านแล้วใจข้าทาอย่างไรได้ล่ะฮะท่านซุน ซุนพูดย้อนทันทีว่าใครเป็นผู้ตั้งสารไขเฟิงราชาสันนักหรือคนเง่าจอมผลเกากันแน่ขอรับผู้พิพากษาว่าเฮ้ยส้อมเขาใครๆก็รู้ว่าไอ้เกาคิวใช่ตําแหน่งหน้าที่ดังทรราชไม่มีอะไรที่มันไม่เคยทําใครที่ขัดค้านมันไม่ว่าจะหนักเบาแค่ไหนมันเป็นต้องส่งตัวมาให้สารเราทั้งสิน้นถ้ามันอยากให้ฆ่าเราก็ฆ่าให้ ถ้ามันอยากจะให้เชื่อต์เราก็สั่งให้เชื่อตตามไปหมดสารเราลดชั้นลงไปเป็นแค่สาแหลกแตกสาขาข้อตระกูลมันไปตั้งแต่เมื่อไรกันแล้วเฮ้ยแล้วข้าจะช่วยพรพันธ์มันเท่าให้ลิ้นชงอย่างไรได้ข้าควรจะตัดสินความแบบไหนดีเล่าจากเรื่องที่ลิ้นชงเล่าก็เห็นกันอยู่ทนทุแล้วว่าเขาเป็นฝ่ายบริสุทธ แต่เราคงหาทนายทั้งสองมายันไม่ได้ทำไมไม่ให้เขารับสารภาพเสียเลยละ ว, ว่าเขาเข้าไปในเขตห่วงห้ามนั้นจริงๆเพียงแต่ทางกายไม่เหมาะสมคือขัดดาบดิเอลเข้าไปด้วยแล้วท่านคอยพิาพากษาให้โบยสักยี่สิบทีจากหน้าแล้วสั่งในประเทศไปในเขตทหารที่ห่างไกลนะ่ะฮะหลังจากไตรตรองแล้วผู้พิาพากษาเต้ง ก็ไปหาจอมพลเก่าเสนอให้ยอมรับคำสารภาพของลินชงส่วนจอมพลเก่าเมื่อเห็นว่าเหตุผลแม่ล้อมทั้งหลายทั้งปวงล้วนชี้มาที่ตัวแถมผู้พิพากษาก็อีหลักอีเหลือที่จะร่วมมือจอมพลเก่าจึงยินยอมไปตามนั้นวันเดียวกันนั้นผู้พิพากษาเติ้งก็เปิดศาลเบิกตัวลิ้นชงออกจากตารางถอดคือโบยได้ไหมไผ่ยีที ผู้พิาพากษาสั่งให้สักเครื่องหมายนักโทษที่แก้มหันมากะระยะทางแล้วเลือกในประเทศลินชงไปจังหวัดกังโจผู้พิาพากษาสั่งให้แต่งหลินชงเสียเต็มอัตราศึกคือเอาคือหนักเจ็ดช่างครึ่งสวมคอตอกสลักคือให้แน่นหนาพร้อมทั้งปิดผนึกหมายสารทับสลักไว้อีกชั้นหนึ่งออกใบส่งตัวแล้วสั่งผู้คุมสองคนให้คุมตัวหลินชงไปยังปลายทางที่เรือนจำทหารเมืองกังโจ ทั้งสองนั้นคนหนึ่งชื่อต่งเจ้าส่วนอีกคนหนึ่งนั้นชื่อเสียบ่าผู้คุมทั้งสองนหลินชงออกจากศาลอดีตครูทหารจ้างพ่อตาลินชงไปกับเพื่อนบ้านอีกจํานวนมากมาดักรออยู่ที่หน้าประตูรัว้วทั้งหมดพากันย้ายไปโรงเตี้ยมแห่งหนึ่งแล้วนั่งลงลินชงเอ่ยขึ้นว่าก็เพราะได้ความช่วยเหลือจากอาลักษ์ซุนแท้ๆทําให้พวกเจ้าพนักงานบยข้าไม่ห น, นักนักยังพอเดินได้อยู่ อดีตครูทหารจ้างสั่งคนรับใช้ให้บริการเหล้าและผลไม้แก่ผู้คุมทั้งสองอย่างเต็มที่ทั้งสองก็จะหลงไปหลายจอกหลังจากนั้นครูจ้างก็ยังมอบเงินจํานวนหนึ่งให้ผู้คุมทั้งสองอีกหลินชงยกมือขึ้นกุมอย่างนอบน้อมเอ่ยกับพ่อตาว่าท่านพ่อขอรับชีวิตข้ามาถึงคราวตกอับเสียแล้วเป็นเพราะข้าเป็นความกับจอมพลเขาแล้วสารก็เอาผิดมาโยนใส่ด้วยเหตุนี้ ข้าใครจะขอก่าวอะไรกับท่านพ่อสักหน่อยตลอดสามปีที่ท่านพ่อยกน้องหญิงมาให้อยู่กินกับข้าถึงนางจะไม่มีลูกแต่ก็ไม่เคยเลยที่นางจะทำให้ข้าไม่พอใจไม่มีแม้สักครั้งที่ถึงขั้นทะเลาะตบตีไม่เคยมีสักทีที่เลือดต้องขึ้นหน้าวันนี้ข้าต้องไปชดใช้กรรมที่กังโจไม่มีใครบอกได้ว่าในภายภาคหน้าเหตุการณ์จะเป็นชั้นใดจะอยู่หรือตายก็ยังไม่รู้แต่ที่แน่แน่ มีให้อยู่บ้านจะต้องเฝ้ารอข้านั้นเป็นกังวลต่อน้องหญิงนักด้วยเกรงว่าคุณชายเก่าจะบังคับเอาให้ได้น้องหญิงยังเด็กนักไวยังกำดัดข้าไม่ควรผูกมัดเอาไว้นี่เป็นความสมัครใจของข้าเองแท้ๆ <eer ily> เมื่อเพื่อนบ้านมาอยู่รู้เห็นกันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นนี้ข้าก็จะเขียนหนังสือยาอนุญาตให้นางหาคู่ใหม่สัญญาว่าจะไม่ขัดขวางใดๆทั้งสิ้น มีแต่ทางนี้เพียงทางเดียวเท่านั้นที่พอจะช่วยให้ข้าบรรเทาเบาใจและเชื่อได้ว่าคุณชายเก่าจะไม่อาจทำร้ายนางครูทหารเท่าอุทานว่าเฮ้พ hey, ูดอะไรเช่นนั้นเจ้ากำลังคราะหามยามสวยแล้วนี่ก็ไม่ใช่ความผิดของเจ้าสักหน่อยอีกอย่างไปกังโจครั้งนี้ก็เพียงชั่วคราวไม่ช้าไม่นานสวรรค์ก็คงจะประทานความเมตตา ช่วยให้เจ้าเด็กลับมาครองคู่ผัวเมียเหมือนอย่างเก่าข้าเองก็มีเงินมีทองออกไม่น้อยข้าจะให้นางกับจินเออร์กลับมาอยู่เสียที่บ้านด้วยกันไม่ว่าจะอย่างไรข้าก็ยังสามารถเลี้ยงดูอุดหนุนจุนเจือพวกเขาไปได้ไม่น้อยกว่าสี่้ห้าปีทีเดียวข้าจะไม่ปล่อยให้ลูกสาวต้องออกไปเป็นขอทานตามถนนร้อนแฉเป็นเด็ดขาดถึงคุณชายเก่าอยากจะมาหานางก็ไม่มีทางจะได้เจอ อย่าวิตกไปเลยนะข้าจะดูแลทุกอย่างให้เองไปอยู่กังโจสิให้สบายใจเถิดข้าจะมีหนังสือและทรงเสื้อผ้าไปให้เป็นระยะระยะจงอย่าได้คิดอะไรแบบนั้นอีกเข้าใจไหมไอ้ลูกเขยเฮ้ยต้องให้คุณแกสอนเด้ปัดไดปัดเหนียวลิ้นชงรู้สึกซาบซึ้งและว่าเป็นพระคณเหลือล้นที่ท่านพ่อมีเจตนาเช่นนี้ แต่ข้าก็ยังรู้สึกไม่ถูกต้องอยู่ดีที่ไปผูกมัดรัดรึงนางเอาไว้โปรดเห็นใจข้าเถิดปล่อยให้ข้าไปตามทางเสียถึงตายก็จะได้ตายตาลับอย่างไรอย่างไรครูเท่าจ้างก็ไม่ยอมฟังเสียงบรรดาเพื่อนบ้านก็พากันคัดค้านไปสิน้นลิ้งชงยืนยันว่าถ้าพวกท่านไม่ยอมเห็นดีเห็นงามตามนี้ข้าก็ขอสาบานว่า ถึงข้าจะได้กลับแต่ก็จะไม่ยอมมาพบหน้านางอีกเป็นเด็ดขาดในที่สุดครูเท่าจ้างก็จําต้องยอมและว่าถ้าเจ้าคิดจะเอาให้ได้อย่างนั้นจริงๆก็จงเขียนใบหย่าชัดเดิดแต่ถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นข้าก็ไม่ยอมให้ลูกสาวข้าแต่งงานใหม่โดยเด็ดขาดเข้าใจไหม ดังนั้นลินชงก็ให้คนไปตามอาลักษ์ซื้อกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วอาลักษ์ก็จดตามคำบอกว่า<ม>เหตุเพราะต้องโทษร้ายแรงข้าพเจ้าลินชง n ครูทหารแปด0มืนแห่งกองทหารรักษาพระองค์เมืองหลวงตะวันออกจึงต้องคำพิพากษาให้ในประเทศไปยังเมืองกังโจสิ่งอันใดที่เพิ่งจะเกิดแก่ข้าพเจ้าในอนาคตยากนักที่จะพยากรได้พัญญาข้าพเจ้านามว่าจัางยังสาว เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอประกาศให้การสมรสครั้งนี้เป็นโมคะข้าพเจ้ายินยอมอนุญาตให้นางแต่งงานใหม่โดยจะไม่คัดค้านใด ๆ, ดๆโมคียะกรรมครั้งนี้เป็นไปโดยสมัครใจไม่มีการบีบบังคับในกรณีที่เกิดการสงสัยใดๆก็ให้ถือเอาเอกสารฉบับนี้เป็นหลักฐานวันเดือนปี พออารักบันทึกเสร็จลินชงก็หยิบอภู ก, กันมาลงวันที่ลงชื่อตนกำกับและเอาในมือประทับไว้เป็นหลักฐานก่อนจะทันมอบใบย่าให้พ่อตาแม่นางคู่ชีวิตก็ร่ำให้ฟูมไฟเข้ามาในโรงเตี้ยมพร้อมจินเออสาวใช้ที่หอบห่อผ้าตามหลังมาหลินชงรีบผดลุกขึ้นก้าวไปหาแล้วเอ่ยกับเมียว่าเมียพี่พี่มีเรื่องจะบอก พี่พึ่งเรียนให้ท่านพอา่อทราบเมื่อกี้นี้เองว่าตัวพี่มีเคราะห์วันนี้ต้องเดินทางไปกังโจอย่างนักที่จะบอกได้ว่าพี่จะอยู่หรือตายพี่ไม่อยากผูกมัดใจเจ้าไว้แม่ไวกำลังแบ่งบานดังนั้นพี่จึงทําหนังสือฉ บ, บับนี้ขึ้นน้องหญิงเจ้าจงอย่าได้รอท่าพี่เลยหากพบใครคนใหม่ที่ดีก็จงแต่งงานมีสุ ข, ขี้ไปเสด็จอย่าฝืนทุกข์ุกอยู่กับคนเศร้าผู้มีเคราะห์เพราะพี่เลย แม่นางหลินซื่อึกสะอื้นหักหักแล้วว่าพี่พี่จ๋าน้องไม่เคยทำอะไรให้พี่ต้องมองใจแม้แต่น้อยนิดยัยมาคิดสลัดปัดทิ้งกันไปไง่ายๆเช่นนี้หลินชงเอ่ยกับเมียว่า <c oughs> พี่หวังดีดอก <c oughs> น้องหญิงไม่เช่นนั้น <c oughs> เราก็รังแต่จะถวงร้างซึ่งกันและกันเจ <c oughs> ้าจะพร้อยเดือดร้อนไปด้วย ครูทหารจ้างเอ่ยขึ้นว่ายาได้วิตกทุกข์ร้อนไปเลยลูกเอ๋ยแม้สามีเจ้าจะเห็นเป็นเช่นไรพ่อก็จะไม่มีวันยอมให้ลูกแต่งงานใหม่เขาจะได้จากไปด้วยใจสงบถึงสามีเจ้าจะไม่กลับพ่อก็จะเลี้ยงดูเจ้าไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เจ้าจะได้สื่อตรงต่อเขาไปจบจนวันตาย หญิงสาวสื่อื่นให้หัวใจใ น, น้อยๆแหลกสลายไม่มีชิ้นดีน้ำตาท้นทังดังสายน้ำไหล พ, พ่อเห็นใบายานาก็เป็นลมล้มทั้งยืนลิ้นชงกับพ่อตารีบเข้าไปอุ้มแก้ไขอยู่เป็นนานกว่าจะได้สติพอฟื้นขึ้นมาได้ก็เอาแต่ร่ำให้ไม่หยุดหลิ้นชงมอบใบายาไว้กับผู้เป็นพ่อตาเพื่อนบ้านที่เป็นหญิงด้วยกันเข้าไปปอบประโลมแล้วประคองพัญญาผู้สูญเสียกลับบ้าน ครูจ้างบอกกับลินชงว่าเจ้าจงไปเสียแล้วรีบกลับมาไวๆไวนะพรุ่งนี้พ่อจะย้ายพัญญาเจ้าไปอยู่ที่บ้านเราจะคอยจนกว่าเจ้าจะกลับเจ้าจะได้สบายใจถ้าพบใครผ่านมาทางนี้ให้มีหนังสือมาบอกพวกเราบ้างเป็นระยะ ะ, ยะนะไอ้ลูกเคยลินชงลุกขึ้นขอบคุณพ่อตาและเพื่อนบ้านแบกห่อผ้าขึ้นหลังแล้วเดินตามผู้คุมทั้งสองไป ครูจ้างกับเพื่อนบ้านก็พากันกลับเราจะไม่พูดถึงพวกเขาอีกจะพูดถึงแต่ลินชงกับผู้คุมทั้งสองต่งเจ้ากับเสียบ่าเอาตัวลินชงไปฝากขังไว้กับคุกในเมืองแล้วกลับบ้านไปเก็บข้าของเตรียมตัวออกเดินทางขณะที่ต่งเจ้ากำลังมัดห่อผ้าอยู่นั้นคนรับใช้จากโรงเตรียมต้นซอยก็เข้าไปหาท่านขอรับท่านขอรับ สุภาพบุรุษท่านหนึ่งประสงค์จะพูดคุยกับท่านตอนนี้รออยู่ที่โรงเตียมของเราขอรับใครกันวะเอ๋ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่เขาสั่งให้มาเชิญท่านเท่านั้นตรงเจ้าตามคนรับใช้ไปยังห้องห้องหนึ่งบนโรงเตียมต้นซอยที่นั่นบุรุษหนึ่งใส่หมวกติดตราสวัสดิกะอย่างพุทธสวมเสื้อคลุมยาวตัดด้วยผ้าไหมดำสวมรองเท้าหุ้มข้อสีดำ ด้วยสนับแข่งสีพื้นพาต่งเจ้าปรากฏตัวบุรุษผู้นั้นก็ผุดลุกขึ้นประสานมือสองข้างเข้าหากันชายผู้นั้นกล่าวว่าเชิญนั่งก่อนต่งเจ้าก็ทักว่าข้าน้อยยังไม่มีเกียรติพบกับพระเดชพระคุณท่านก่อนหน้านี้เจ้ข้าน้อยรับใช้เรื่องอะไรหรือขอรับชายผู้นั้นกล่าวว่าเออเชิญนั่งก่อนเถิด<อ>แล้วข้าจะเล่าให้ฟัง ส่งเจ้าซุดลงนั่งที่เก้าอี้ตรงข้ามบริกรนํำจอกสุราอาหารและผลไม้ขึ้นมาวางบนโต๊ะบุรุษผู้นั้นเอ่ยถามขึ้นว่าท่านเสีย้ยผู้คุมอีกท่านหนึ่งอาศัยอยู่ที่ใดหรือตรงเจ้าตอบว่าอ๋ออยู่ซ้อยข้างหน้านี้ขอรับบุรุษลึกลับผู้นั้นก็เรียกบริกรเข้ามาสอบถามที่อยู่ที่แน่นอนของเสี้ยบาแล้วสั่งว่า ไปเชิญมาพบข้าโดยอีกคนหนึ่งไปเพียงอึดใจเดียวยังไม่ทันดื่มชาหมดจอกด้วยซ้ำบริกรก็กลับมาพร้อมกับเสียบ่าต่งเจ้าอธิบายว่าสุภาพบุรุษผู้นี้เชิญเรามาพูดธุระสำคัญน่ะท่านเสียตาแล้วเสียบ่าก็ทักขึ้นว่าขอขอสาบน้ำท่านด้วยขอรับบุรุษลึกลับตอบว่าเอาหนาเดี๋ยวก็รู้ก่อนอื่นเชิญดื่มซิ ก, ก่อนเถอะ คนทั้งสามนั่งลงบริกรรินสุราจนครบหลังดื่มไปหมดหลายจอกบุรุษผู้นั้นก็ล้วงมือเข้าไปในแขนเสื้อแล้วดึงทองคำแท่งหนักสิบตำลึงออกมาวางบนโตะ๊ะบุรุษลึกลับบอกว่าโปรดแบ่งกันคนละห้าตำลึงนะข้ามีธุระเล็กๆน้อยๆใครจะไหว้วานท่านสักน้อยหนึ่งและผู้คุมทั้งสองถามว่าแต่เรายังไม่รู้จักพระเดชพระคุณเลยขอรับแล้วเหตุไหนจึงได้เอาทองคำมาให้เราเช่นนี้เราฮะ แค่บอกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทั้งเหลืองอันน่แล้วบุรุษดึกลับเอ่ยถามขึ้นว่าท่านทั้งสองจะไปกังจอไม่ใช่หรือเราทั้งสองกำลังจะคุมนักโทษลินชงไปส่งตามคำสั่งสารใครเฟิงอยู่พอดีครับก็ด้วยเหตุ น, นี้แหละข้าจึงใคร่จะขอรบกวนท่านทั้งสองข้าคือนายกองลู่เฉียนนตะทหารคนสนิทของท่านจเจ้าพนกาตรงเจ้ากับเซ บ, บาลนลานคารวะอย่างนอบน้อมแล้วละ ล, ล่าละลักว่า คนคนใต้อยต่ำด้อยข้าเช่นพวกข้าน้อยฉนันไหนจะอ่านหานไปนั่งร่วมโต๊ะกับพระเดศพระคุณท่านแล้วลู่เฉียนก็พูดกับผู้คุมทั้งสองว่าดังที่ท่านก็ทราบดีอยู่ว่าลิ้นชงผู้นี้สร้างความไม่สบายใจให้ท่านจอมพลเกานักท่านจอมพลจึงสั่งให้ข้านําทองคำสิบตํำลึงนี้มามอบให้ท่านทั้งสองพณะท่านหวังว่าท่านจะช่วยกําจัดลิ้นชงเสียในที่ลับตาคนที่ไหนสักแห่งระหว่างทาง ไม่จำต้องไปไกลนักก็ได้และให้นำหลักฐานการตายที่ทางการท้องถิ่นออกให้กลับมาหากสารเมืองไคเฟิงมีปัญหาใดๆท่านจอมพลจะลงไปจัดการด้วยตนเองพวกท่านไม่ต้องกังวลใจใดๆทั้งสิน้นตรงเจ้าบอกว่าข้าน้อยเกรงว่าจะทำเช่นนั้นไม่ได้ดอกขอรับสารไคเฟิงสั่งให้เราไปส่งมอบนักโทษหญินชงเป็นๆไม่ใช่ให้เอาไปฆ่าอีกอย่างหนึ่งเขาก็ยังไม่ใช่คนแก่คนเฒ่า แล้วจะให้เราเอาเหตุผลอันใดไปอธิบายสาเหตุการตายของเขาเราคงจะหนีเรื่องอยุ่งยากได้ไม่พ้นเป็นแน่ข้าน้อยเกรงว่าถึงทำไปก็คงไม่สาเร็จเสียบ่าเอ่ยขึ้นทันทีว่าเฮ้ย hey, ต้องเพื่อนยากฟังข้าให้ดีนะถึงจอมพลเก่าสั่งให้เราไปตายเราก็ต้องไปอยู่แล้วแต่นี่ท่านเพียงแค่ช่วงใช้ไหววานแถมยังให้สุภาพบุรุษท่านนี้นาทองคามามอบให้เราอีตั้งหาก อย่าได้พูดอะไรให้มากความไปกว่านี้เลยข้าจะแบ่งกับท่านเอาเป็นว่าจบกันหากเราทำงานเล็กๆน้อยๆในวันนี้เราก็จะได้มีผู้อุบัติธรรมคำจุนต่อไปในภายภาคหน้าทางไปกังโจยังมีป่าสนอยู่แห่งหนึ่งเป็นดงป่าหนาทึบน่ากลัวเป็นยิ่งนักไม่ว่าจะอย่างไรเราก็จะสำเร็จโทษเขาเสียที่นั่นแหละว่าแล้วเซบาก็หยิบแท่งทองขึ้นแลวพูดว่า เชื่อมือพวกเราได้เลยขอรับพระเดศพระคุณอย่างเร็วที่สุดก็วันที่สองอย่างช้าที่สุดก็วันที่ห้าทุกอย่างก็จะเรียบร้อยลู่เฉียนให้ยินดียิ่งนักอุทานด้วยความดีใจขึ้นว่าเออแน่เจ้าเสียบมาเจ้าหนีเป็นคนซื่อจะกล่าวอะไรก็ให้ตรงไปตรงมายิ่งนักถ้างานนี้สำเร็จก็จงล็อเอาหนังที่สักตัวทองที่แก้มของมันมาเป็นหลักฐานแล้วข้า จะมอบท้องให้เจ้าทั้งสองอีกสิบตำลึงข้าจะรอฟังข่าวดีจงอย่าได้รอช้าในสมัยราชวงศ์ซ่งนั้นนักโทษที่ถูกในประเทศมักจะถูกสักหน้าเสมอแต่เพื่อจะให้ฟังดูดีขึ้นพวกเขาเรียกรอยสักดำๆนั้นว่าตัวทองพอคนทั้งสามดื่มกินแล้วเสร็จลู่เฉียนก็เรียกเอาใบเสร็จมากากับแล้วทุกคนก็ออกจากโรงเตี้ยมมุ่งหน้าไปตามทางของตน ตงเจ้ากับเสียบ่าเอาทองคําออกมาแบ่งกันกลับไปบ้านเก็บเข้าของให้แล้วเสร็จแล้วก็หยิบไม้พลองประจําตัวขึ้นมาถือเบิกตัวหลิ้นชงออกจากคุกแล้วพากันบ่ายหน้าออกจากเมืองพอเดินไปได้สัก30มิลี้ก็พากันหยุดพักในโรงเตี้ยมในสมัยนั้นผู้คุมที่พานนักโทษต้องในประเทศไปส่งสามารถเข้าพักในโรงเตี้ยมได้โดยไม่ต้องเสียเงินเสียกับตรงก็พาหลิ้นชงเข้าไปค้างแรมในคืนนั้น พอรุ่งขึ้นผู้คุมก็กอบไฟหุงข้าวกินเสร็จก็ออกเดินทางบ่ายหน้าไปกังโจเวลานั้นย่างเข้ากลางแืะดูร้อนทุกขนแห่งอากาศ ร, ร้อนแผดเผาจนเกลี่ยไหมตอนถูกโบยลิ้นชงยังไม่เจ็บป่วยอะไรนะักแต่พอนานวันเข้าเปลวแดดที่แผดเผาก็ทำให้บาดแผลเกิดอักเสบขึ้นเรื่อยๆเดินลากเท้าไปได้วยความยากลบาบากเสียบาเอ่ยขึ้นอย่างโมโหว่าเฮ้ยไอบัดซบเอ้ย ระยะทางจากนี่ไปกังโจเกือบสองพันลี้เข้าไปแล้วขืนเดินไปอย่างนี้ใครจะรู้ว่าอีกกี่ปีจะไม่ถึงฮะลิ้นชงพยายามอธิบายว่าอัภัยให้ข้าเถิดตอนอยู่ในคุ้มช่อมพน้นข้าก็โดนทุบตีมโหหนึ่งแล้วพอเมาวันก่อนก็เจอไม่ไผ่บ้วยค่อยอีกทีเพราะออกเดินทางมาพะจนร้อนบาดแผลจึงเกิดอักเสบให้เจ็บนะักอย่าเพิ่งมีโมโหเลยขอรับ ตรงเจ้าบอกว่าเออค่อยๆไปตามสบายเจ้าเถิดอย่าได้ไปถือสาเขาเลยแต่เสียบายังคงบ่นด่าอยู่เช่นนั้นไปไม่หยุดปากเฮ้ยครับคำแท้ๆที่มาเจอไอ้ผีร้ายอย่างเองเข้าอ่ะเฮ้ย hey. พอใกล้จะสิ้นวันคนทั้งสามก็หยุดพักที่โรงเตี้ยมในหมู่บ้านพอเข้าห้องผู้คุมทั้งสองก็เอาไม้พรองพิงฝา ปลดห่อผ้าออกหลินชงทิ้งห่อผ้าของตนลงก่อนที่ผู้คุมจะทันว่าอะไรก็ควักเงินส่วนตัวออกจากพกสั่งคนรับใช้ให้ไปหาสุราเนื้อและข้าวยกมาตั้งโต๊ะแล้วเชิญผู้คุมทั้งสองร่วมวงตรงกับเสียบาสั่งเหล้ามาเพิ่มพรางขยันขยอให้ลินชงดื่มจนกระทั่งล้มพับลงกับคือที่ยังคาคออยู่นั้นเมื่อหินลินชงเมาจนได้ที่แล้วเสียบาก็ต้มน้าร้อนหม้อใหญ่ พอเดือปดปุดปดก็รินใส่กระมังแล้วบอกกับลินชงว่าล้างเท้าสิท่านครูทาหารจะได้หลับสบายลินชงงงเงียลุกขึ้นนั่งแต่ก้มไปข้างหน้าไม่ได้ด้วยติดขื่อค้ำคออยู่เสียบาเสนอว่ามาข้าจะล้างให้ก่อนแล้วกันลินชงรีบคานว่าเฮ้ย ใ, ใครจะไปกล้ายอมให้ท่านทาเช่นนั้นเสียบ่าบอกว่าคนเดินทางไปด้วยกัน ไม่ควรถือยศถืออย่างในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ด้วยว่าไม่รู้อุบายลิ้นชงจึงยืดเท้าออกไปเสียบาก็คว้าขาทั้งสองข้างเอาไว้แล้วจับกดลงไปในน้ําเดือดลิ้นชงอุทานแล้วรีบชักเท้าออกไอยาตีนทั้งสองก็พองขึ้นในบาดดนได้แต่พร่ำบ่นว่าพอแล้วพอแล้วไม่รบกวนท่านอีกแล้วขอรับเสียบาป่นกระปอดกระแปดว่า มีนักโทษต่างมากมายแต่ต้องคอยปฏิบัติรับใช้ผู้คุมเคยเห็นผู้คุมไปรับใช้นักโทษที่ไหนด้วยปรารถนาดีดอกจึงล้างเท้าให้แต่ก็ยังบ่นว่าน้ำเย็นไปบ้างร้อนไปบ้างนี่ถ้าไม่ใช่ทำดีได้ชั่วเอาร้ายมาใส่ดีข้าก็ไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรแล้วเฮ้ย <Hey! S 1> ว่าแล้วก็บ่นบ้าไปอีกครึ่งคืนกว่าจะได้หลับได้นอนลิ้นชงนั้นไม่กล้าต่อปากต่อคาได้แต่ล้มตัวลงนอนข้าง ยามทั้งสองเทน้ําเดือดทิ้งเติมน้ําเย็นใส่กะละมังแล้วตักออกมาล้างเท้าข้างนอกพวกเขาหลับไปจนกระทั่งถึงยามสี่แล้วก็ลุกขึ้นทั้งๆ ท, ที่คนทั้งโรงเตี้ยมยังคงหลับสนิทเสียบาต้มน้ําล้างหน้าแล้วก็เตรียมอาหารหลินชงยังมืนงงอยู่จะกินก็ไม่ได้จะเดินไปก็ลําบากเสียบาคอยงัดไม้พลองออกมาขู่ต่งเจ้าปลดรองเท้าฟางคู่ใหม่ออกจากเอวรองเท้าคู่ใหม่สานเป็นห่วง มีเชือกฟางรัดข้อเท้าแล้วสั่งให้หลินชงสวมเท้าหลินชงยังพองอยู่ก็ถามหาแต่รองเท้านุ่มๆคู่เก่าแต่หาอย่างไรก็ไม่เจอจำต้องกัดฟันสวมคู่ใหม่ที่ทั้งรัดทั้งกัดคนรับใช้ใส่ค่ารองเท้าลงไปในบัญชีผู้คุมพาตัวหลินชงออกจากโรงเตี้ยมตอนนั้นเวลาล่วงมาถึงยามห้าแล้วหลินชงเดินมายังไม่ถึงสองสามลีดีเท้าทั้งสองข้างที่พอง และยังต้องมาสวมรองเท้าคู่ใหม่ก็เริ่มแตกเลือดไหลนองไม่หยุดเกือบจะลากตัวไปไม่ไหวเดินไปก็ร้องครวญครางไปไม่หยุดเสียบาตะโกนไล่เฮ้ยเร็วดิรีบเดินเข้าไปเดินไปข้างหน้าไม่เช่นนั้นข้าจะเอาไม้พรองช่วยดันลิน้นชองอ้อนวอนว่าโปรดเห็นใจข้าด้วยเถิดท่านเจ้าพนักาน ข้าไม่จงใจจะชักช้าแกลงถูงเวลาเดินทางดอกแต่เป็นเพราะเท้าทั้งสองกำลังจะฆ่าข้าข้าเดินไม่ไหวจริงๆออแล้วต่งเจ้าเขาว่ามาข้าจะช่วยพยุงแล้วก็เข้าประคองหลินชงแต่เนื่องจากครูทหารก้าวเท้าได้ลำบากตลอดทั้งยามห้าพวกเขาจึงทำระยะได้เพียงสี่ห้าลี้เท่านั้นในที่สุดก็ปรากฏว่าลินชงไม่อาจไปต่อได้อีก เมื่อถึงตอนนั้นทั้งหมดก็มาถึงป่ารกชัดซ่อนตัวอยู่ในดงหมอกแลดูน่ากลัวชั่วร้ายยิ่งนักป่าสนแห่งนี้ได้ชื่อว่าดงหมูป่าเป็นจุดอันตรายที่สุดระหว่างเส้นทางจากไคเฟิงไปยังกังโจในสมัยราชวงศ์ซ่งบรรดาผู้ที่โกรธเกลียดนักโทษที่ต้องถูกในประเทศมักจะให้สินบนผู้คุมนามาฆ่าทิ้งเสียที่นี่เป็นประจำไม่รู้ว่าคนดีๆจานวนสักเท่าใด ต้องมาจบชีวิตลงไปในดงไม้แห่งนี้ตอนนี้ผู้คุมทั้งสองก็พาลิมชงตรงเข้าไปในป่าลึกตงพูดว่าเฮ้ยทั้งชั่วยามเรายังไปไม่ได้ถึงสิทธิด้วยซ้ำถ้ายังขืนเดินกันแบบนี้เราคงไปไม่ถึงกังโจเป็นแน่แน่เสี่ยบ่าเอ่ยขึ้นว่าข้าเหนื่อยนักขอพักที่นี่ก่อนเถิดคนทั้งสาม เดินลึกเข้าไปในป่าแล้ววางหอผ้าลงที่โคนต้นไม้พอหลังถึงต้นไม้ทั้งหมดก็รู้ดตัวลงนั่งกับพื้นในทันทีต่งเจ้าพูดขึ้นว่าต้องคอยเฝ้าดูเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวเช่นนี้แสนจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านักของหบสักหน่อยแล้วค่อยไปต่อผู้คุมทั้งสองเอาไม้พรองผิงต้นไม้แต่พอรับตาไม่ทันไร ทั้งสองก็รีบผลลุกขึ้นอุทานออกมาดังๆลินชงถามว่าเป็นอะไรไปล่ะท่านผู้คุมผู้คุมคนหนึ่งว่าพอจะหลับก่อนนึกขึ้นมาได้ว่าที่นี่ไม่มีประตูหน้าต่างให้หลั่นดานเรากลัวว่าเจ้าจะหนีจึงเป็นกังวลหลับไม่ลงลินชงพูดกับผู้คุมว่าข้าเป็นสุภาพชนของรบตัวบทกฎหมายมีผู้คนนับหน้าถือตา ม, มากมาย เมื่อต้องคำพิพากษาก็จะไม่ขอหนีต่งเจ้าว่าเฮ้ยใครจะไปเชื่อใจเรามั่นใจต้องขอมัดเจ้าไว้ก่อนลินชงว่าถ้าท่านจะพนักงานทั้งสองเห็นเช่นนั้นข้าก็ไม่อัดคัดเสียบาแก้ผ้าเคียนเอวออกตรงเข้ามัดมือมัดเท้าหลินชงแล้วล่ามเข้ากับต้นไม้ไปพร้อมกับคือพอตรวจดูเห็นว่า น, นหนาดีแล้ว ก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับตรงเจ้าหันกลับไปหยิบไม้พรองแล้วย่างสามขุมเข้ามาหา <Okay. S 1> <laughs> คนที่คิดจะฆ่าเจ้านั้นหาใช่เราไม่ผู้ขุมทั้งสองพูดขึ้นวันก่อนผู้กองลูดเฉียนนํ้คําสั่งจากจองพลเกา่าว่าสั่งให้เรากําจัดเจ้าเสียแล้วเลาะเอาหนังที่แก้มไ ป, ไปเป็นหลักฐานถึงจะไปกันอีกกี่วันกี่วันยังไงยังไงก็เป็นการไปสู่ที่ตายของเจ้าอยู่ดี ทำมันเสียตรงนี้นี่แหละเราจะได้เดินทางกลับเร็วหน่อยอย่าได้ตำหนิเราสองคนเลยเราเพียงแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นไม่มีทางอื่นเจ้าควรรู้ว่าอีกปีหนึ่งนับจากวันนี้เป็นต้นไปเป็นวันครบรอบวันตายของเจ้าเวลามีจำกัดเราต้องกลับไปรายงานตัวเพราะได้ยินดังนั้นน้ำตาลินชงก็ไหลาพากังสายฝนลินชงอ้อนวอนว่า ท่านผู้คุ้มระวังเราสองร้วนไม่มีสาเหตุกรดเคืองใดๆรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดข้าจะจดจำทั้งในพบนี้แหละพบหน้าตรงเจ้าพูดกับหลินชงว่าเฮ้ยเจ้ใดไม่มีใครช่วยเจ้าได้ดอกเสียบายกไม่พรองขึ้นหมายจะหวดใส่กระหม่อมลินชงอ้อว่าอานาถหนาชีวิตวีรชนคนกล้าต้องมาหายวับไปกับฝัน บนหนทางที่ทอดจากที่นี่ไปยมโลกสุดแสนจะโดดเดี่ยวอ้างว้างไรซึ่งรงเตรียมให้แรมคืนแล้วยามดึกดื่นนั้นเล่าวิญญาณเร่ร่อนสัญจรจะตะลอนไปนอนค้างได้ที่ไหนลิ้นชงจะอยู่หรือตายขอเชิญรับฟังได้ในตอนต่อไปหากใครรู้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 เพราะได้ยินดังนั้นน้ำตาหลินชงก็ไหลพรากดังสายฝนลิ้นชงอ้อนวอนว่าท่านผู้คุ้มระวังเราสองรนไม่มีสาเหตุกรดเคืองใดๆโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดข้าจะจดจำทั้งในภพนี้แหละภพหน้าตรงเจ้าพูดกับหลินชงว่าเฮ้ยตาวาใดไอ้นี่ใครช่วยเจ้าได้ดอก เสียบายกไม่พร่องขึ้นหมายจะหวดใส่กระหม่อมลิ้นชงบัดนั้นเสียบาก็เงื้อไม่พร่องขึ้นเหนือศีรษะด้วยสองแขนแล้วเข็นใส่หัวลิ้นชงสุดแรงเกิดแต่ก็ในฉับพลันเร็วเกินจะทันบรรยายทันใดนั้นเบื้องหลังหมู่สนพันเกิดเสียงแค้นคำรามตวาดใส่ป ร, ระกายไม้เท้าเหล็กกล้าดุนหนึ่งก็ว่าบออกมาปัดไม่พร่องของเสียบากระเด็นกระดอนออกไป แล้วหลวงจีนอว้วนล่ากกำยาสูงใหญ่รูปหนึ่งก็ปราดออกมาเฮ้ย <ST AR> ข้ายืนฟังมานานแล้วรลปจีนรูปนั้นตะโกนขึ้นสังคติดำห่มร่างขัดดาบใบใหญ่ไว้ข้างเสเอลมือข้างหนึ่งกรายไม้เท้าพระธรรมสายอาดอาดเข้าไปหาผู้คุมทั้งสองลิ้นชงลืมตาขึ้นแล้วก็จำหลวงจีนรู้ได้จึงรีบละล่ำละลักออกไปว่า ลุงพี่โปรดยั้งมือด้วยข้ามีอะไรจะกล่าวลุงจีนลูกผ่อนไม้เท้าเหล็กลงสู่พื้นผู้คุมทั้งสองปากอ้าตาถลนตกใจแน่นิ่งไม่ไหวติ่งดินชงพูดขึ้นว่าไม่ใช่ความคิดของพวกเขาหรอกมันเป็นเพราะจอมพลเกาใช้ไอ้ลูเฉียนมาสั่งคนทั้งสองกำจัดข้าจะให้พวกเขาปฏิเสธอย่างไรได้ข้าพวกเขาไปก็มาเป่าเปล่ลุงจีลูเปลยดาบออกจากฝัก ตัดผ้าที่มัดหลินชงไว้แลพยุงให้ลุกขึ้นหลวงจีรล่เอ่ยขึ้นว่าน้องพี่อาตมาสังหอนเป็นห่วงมาตั้งแต่วันที่ท่านซื้อดาบแล้วเราก็จากกันต่อมาหลังจากที่ท่านต้องคำพิพากษาอาตมาพยายามหาทางเข้าไปแก้แต่ก็ยังไม่สมโอกาสสักทีพอดีได้ข่าวว่าท่านจะถูกในประเทศไปกังโจอาตมาก็ไปรอที่หน้าศาลไคเฟิงแต่รอแล้วรอเล่า อย่างไรอย่างไรก็ไม่เห็นบางคนก็ว่าท่านถูกนำไปฝากขังไว้ในเรือนจำบางเอิญข้าได้ฟังมาว่าเซียวเอ่อผู้หนึ่งถูกให้ใช้ไปบอกผู้คุมสองคนว่าสุภาพบุรุษท่านหนึ่งใครจะขอพูดอะไรกับท่านที่โรงเตี้ยมอาตมานึกกรงเกรงอยู่ในใจชร้อยไอถอยสะถุนพวกนี้มันจะสมคบทำร้ายท่านระหว่างทางอีกจึงได้สะกดรอยตามมันนีแ่แหละ อาตมารอให้ไอ้บัตรซบพวกนี้พาท่านเข้าไปพักที่โรงเตี๊ยมอาตมาก็แอบเข้าไปพักด้วยแล้วได้ยินพวกมันกระซิบวางแผนกันพอมันหลอกเอาน้ําร้อนลวกเท้าท่านข้าเกือบจะทัลันเข้าไปฆ่าพวกมันเสียตรงนั้นอยู่แล้วแต่ให้บังเอิญใ้โรงเตี๊ยมวันนั้นมีผู้คนเข้าไปพักกันมากหน้าหลายตาเกรงว่าจะทําการไปได้ไม่ตลอดอาตมารู้ว่าไอ้สัตว์พวกนี้ยังคิดมีดีไม่ไร้ายกับท่านอยู่ อาตมาก็ยิ่งหวงหนักขึ้นไปอีกวันนี้พวกท่านออกกันมาตั้งแต่ยังไม่ถึงยามห้าอาตมาจึงล่วงหน้ามาดักอยู่ที่ป่าแห่งนี้ข้จะสำเร็จโทษมันทั้งคู่เสียที่นี่ในเมื่อพวกมันตั้งใจจะทำร้ายท่านก่อนเช่นนี้อาตมาก็จำต้องฆ่าพวกมันทิ้งสิให้สิน้นลิ้นชงเอ่ยขึ้นว่าหลวงพี่ไหนก็ช่วยข่าได้แล้วไม่จาเป็นต้องฆ่าพวกมันดอกหลวงจินลู่หันมากระชากเสียง เฮ้ยไอ้พวกขี้เรื้อนได้ยินไหมถ้าไม่ใช่เพราะน้องข้าขอไว้ข้าจะบทพวกเจ้าให้เป็นผงขามือไปเลยเฮ้ยไม่น่ามาห้าเป็นพระน้องข้าดอกข้าจึงจะไว้ชีวิตพวกเจ้าสักคนว่าพรางก็สอดดาบเข้าฝักหันมาตะโกนว่าไฮ้ยไปพยุงน้องข้าเร็วเข้าแล้วตามมา สั่งเสร็จแล้วก็ถือไม้เท้าเดินสายอาดอาดอ อ, ออกไปท่านผู้ฟังคิดหรือว่าผู้คุมทั้งสองจะกล้าปฏิเสธสองผู้คุมวิ่งวอนกับลิ้นชงว่าช่วยชีวิตพวกเราด้วยเถิดท่านครูลิ้นสองผู้คุมตะลีตะลานสะพายห่อผ้าคว้ยบาเก็บไม้พลองกุลีกุจอเข้าไปช่วยถือห่อผ้าลิ้นชงและพยุงครูทหารเดินตามหลงจีนลูกออกจากป่าผืนนั้น ท่านเดินมาได้สามสี่ลี้ก็เห็นโรงเตียมหลังหนึ่งตั้งอยู่ข้างทางหลวงติดซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านทั้งสี่ก้าวเข้าไปสั่งเนื้อมาหกช่างเล่าอีกสองกระปุกและแป้งปิ้งอีกหน่อยหนึ่งบริกรนำสุราอาหารมาตั้งบนโต๊ะสองผู้คุมถามหลวงจีนว่าขอเรียนถามสักหน่อยเถิดพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามาจากอารามวัดใดหรือขอรับ หลวงจีนลู่หัวเราะแล้วว่าทำไมหรือไอ้ถอยพวกเจ้าคิดจะขาาเอาไป บ, บอกไอจ้จอมพลเกาให้มันจับข้าลสิท่าคนอื่นๆอาจกลัวมันก็ได้แต่ข้าหากลัวไม่ถ้าเจอไอ้ชั่วนั้นข้าจะเอากระบองเหล็กฟาดมันสักสาม<ง>ร้อยทีพวกคุมทั้งสองได้ฟังก็งเงียบเสียสนิทพอดื่มกินกันเสร็จ ทั้งสี่ขยับห่อผ้าให้เข้าที่ชัมระเงินแล้วออกเดินทางไปหลินชงถามหลวงจิ้นลู่ว่าหลวงพี่วางแผนจะไปที่ไหนหรือหลวงจินลู่ว่าโบรานว่าไว้ว่าจะฆ่าก็ต้องให้เห็นเลือดจะช่วยก็ต้องดูให้ตลอดรอดฟังอาตมายังอดห่วงท่านไม่ได้จึงคิดจะคุ้มกันท่านไปให้ถึงกังโจผู้คุมทั้งสองแอบครางชิดหายแล้วทำอย่างนี้ แผนเราก็เสียหมดล้วสิถ้าได้ครับจะคิดแพ็กทูลท่านจอมพลประกัรได้ดีแล้ววะนี่ฮะกระนั้นก็ตามทั้งสองก็ข่มใจเดินทางไปตามคําสั่งหลวงจีนลู่อย่างพี่นอ่อดพิเท่านับแต่บัดนั้นพวกเขาจะไปก็ต่อเมื่อหลวงจีนลู่สั่งให้ไปจะพักก็ต่อเมื่อหลวงจีนลู่สั่งให้พักชะไหนจะมีจิตไปคิดง้างยามอารมณ์ดีก็แค่โดนด่าแต่เวลาร้ายขึ้นมาก็ทุกตีเอา ไม่มีผู้ใดกล้าหืออๆเลยสักคำเดียวด้วยเกรงว่าจะไปกวนโทษะของพระคุณเจ้าเขา้าหลังจากเดินไปได้อีกสักสองสาวันก็จ้างเวียนได้เล่มหนึ่งลิ้นชงขึ้นไปนั่งส่วนผู้ที่ไม่ใช่นักโทษก็ลงเดินเท้าตามไปผู้คุมทั้งสองนั้นสำนึกผิดคิดจะรักษาชีวิตของตัวเอาไว้จึงพากันติดสอยห้อยตามไปอย่างระวังระไว ระหว่างทางหลวงจีนลู่มักซื้อเนื้อซื้อเหล้ามาปรนนิบัติลินชงอยู่เป็นนิจศินผู้คุมทั้งสองก็พลอยได้อนิสงร่วมดื่มกินไปด้วยพอคณะไปถึงโรงเตียมที่ไหนก็จะแวะเข้านอนแต่หัววันตื่นเอาเมื่อตะวันโด่งฟ้าแน่นอนว่าผู้คุมต้องมีหน้าที่ติดไฟหุงหาอาหารกันอยู่แล้วแล้วใครที่ไหนจะไปกล้าขัดอกขัดใจหลวงจีนรูปนั้นได้ทั้งสองแอบปรับทุกข์กันว่าเฮ้ hey! เราสองกลับตกเป็นนักโทษส่วนหลวงจีนกลายเป็นผู้คุมไปฉิบเพราะกลับไปจอมพลเขาคงไม่แคล้วเล่นงานเราเป็นแน่เสียบ่าเอ่ยขึ้นว่าข้าได้ข่าวมาว่าเมื่อไม่นานมานี้มีหลวงจีนรูปหนึ่งถูกใช้ให้ไปว่าการในสวนผักที่อารามหลวงวัดเชียงกว๋ว ม, มีนามว่าหลวงจีนลู่ข้าว่าต้องเป็นพระรูปนี้แน่ๆเพราะพวกเรากลับไปกนรายงานไปตามจริงนี่แหละ บอกว่าเราตั้งใจจะฆ่าลิงชงที่ดงหมูป่าอยู่แล้วแต่บังเอิญมีหลวงจีนรูปหนึ่งเข้ามาช่วยไว้แล้วคุ้มกันไปจนถึงทางจอไอ้เราจะคิดทำอะไรก็ไม่สะดวกแล้วค่อยเอาทองคำสิบตำานึงไปคืนผู้กองลู่เฉียนให้เขาสับสางกับหลวงจีนเอาเองเจ้ากับข้าก็จะได้พ้นผลเรื่องนี้ไปเสียทีว่าไหมตงบอกว่าข้าก็คิดเช่นนั้นน่ะแหละการหาเรือของพวกเขาในครั้งนั้น เราจะไม่พูดถึงกันอีกเพื่อให้เรื่องสั้นเข้าทั้งหมดก็เดินทางกันไปได้อีก 17-18 วันหลวงจีนลู่ยังจับตาดูสองผู้คุมอยู่ไม่ยอมวางไม่ช้าก็เหลือระยะทางก่อนจะถึงกังโจอีกราว70ิลี้สภาพถนนหนทางดีขึ้นมากมีที่พักเป็นระยะระยะหาจุดเปลี่ยวไม่มีเลยหลังจากสอบถามจนแน่ใจหลวงจีนลู่ก็พาคณะเข้าไปพักใต้หมู่สนริมทาง หลงจีนลู่กล่าวกับหลินชงว่าน้องพี่จากนี่ไปกังโจยังเหลือระยะทางอีกไม่ไกลนักแล้วผู้คนสัญจรไปมาก็หนาตาไม่มีที่เปลี่ยวที่รับใดๆบนถนนอาตมาสอบถามผู้คนต่างๆจนแน่ใจแล้วอาตมาจะขออัมลาจากท่านตรงนี้เสียเลยนะน้องพี่หากบุญภาวสนาทรงสักวันเราคงจะได้พบกันอีกหลินชงเอ่ยกับหลวงจีนลู่ว่า นิมนต์หลวงพี่กลับไปเสียเถิดอขอรับช่วยแจ้งพ่อตาข้าด้วยว่าข้าปลอดภัยดีหากชีวิตนี้ยังมีก็จะขอทดแทนพระคุณหลวงพี่ที่ได้คุ้มกันข้านี้มาตลอดปลอดภัยจนเต็มสติกำลังหลวงจีนลู่ลวงลงไปหยิบเงินแท่งออกมาหลายตำลึงมอบให้หลินชงทั้งหมดแล้วแบ่งออกมาให้ผู้คุมทั้งสองอีกคนละหน่อยก่อนที่จะหันไปตวาดผู้คุมทั้งสองว่าเฮ้ยไอ้ขี้เรื่อน ก่อนนี้ข้าคิดจะกุดหัวพวกเจ้าเสียที่กลางทางนั้นแล้วเป็นเพราะน้องข้าดอกที่ขออนุโมทนาเอาไว้ชีวิตขี้ปัติ๋วของพวกเจ้าจึงยังอยู่มาได้จนบัดนี้จากนี้ไปจุดหมายปลายทางก็ใกล้จะถึงแล้วพวกเจ้าอย่าได้คิดชั่วขึ้นมาเป็นอันขาดเข้าใจไหมครับครับครับหวกพี่พวกเราไม่กล้าดอกทั้งหมดนั้นเป็นพระจอมพลเก่าแท้ๆพวกเขาโยนกลองแล้วรีบรับเงินไป พอทั้งสองหันหลังให้หลวงจีนลูกก็พลันถลึงตาพองโตแล้วแค่นเสียงตวาดขึ้นว่าเฮ้ยไอพวกมันซบหัวพวกเจ้าแข็งเท่าต้นไม้นี้หรือไม่สองผู้คุมพูดเสียงอ่อยว่าเฮ้ยพวกข้าน้อยพูดต่ำต้อยมีหัวก็แค่เนื้อกับหนังหอกกะโหลกเอาไว้นิดหน่อยเท่าที่พ่อแม่ให้มานี้เท่านั้นเองเราครับพระคุณเจ้าหลวงจีนลูกเงื้อไม่เท้าเหล็กขึ้น ฟาดใส่ต้นสนขนาดย่อมริมทางต้นหนึ่ง<ฮ>เสียงดังสนั่นวันไหวไม้เท้าเหล็กจมไปในเนื้อไม้สักสองนิ้วสนต้นนั้นทานแรงไม่ไหวก็หักสะบั้นลงในทันทีเฮ้ยไอชาติหมาหลวงจีนลู่ร้องสำทับถ้ายังขืนคิดชั่วอีกแล้วก็ข้าจะมีหัวเจ้าให้แบนแบบเดียวกับต้นสนนี้แหละเฮ้ยว่าพางก็หันหลังกลับลากไม้เท้าตามเป็นหาง แกว่งแขนข้างที่เหลือเดินสายอาจอาจจากไปก่อนจะอเอ่ยขึ้นว่าน้องพี่จงถนอมตัวด้วยนะผู้คุมทั้งสองอ้าปากหวอแลบลิ้นด้วยอัศจรรย์ใจจนครู่ให ญ, ใหญ่จึงเรียกสติคืนมาได้ลิ้นชงเอ่ยกับสองผู้คุมว่าท่านเจ้าพนากักงานพวกเราไปกันดีกว่าผู้คุมทั้งสองห้ามใจไม่ได้พูดขึ้นว่า อะไรจะปานนั้นวะนี่แน่ฟาดไม้เดียวต้นไม้หักกลางเลยลิ nah, ้มชงพูดสนับสนุนอีกว่าเพียงแค่นั้นไม่เท่าใดดอกที <ception> ่อารามน่ะหลิวทั้งต้นพี่ข้ายังถอนขึ้นมาทั้งรากเลยซ้ำนับระษาอะไรกลับไปต้นไม้เล็กๆเนี่ยผู้ข่มทั้งสองพยักหน้าอยู่งึงๆเรื่องนี้เท่ากับเป็นการยืนยันเบาะแสที่พวกเขานึกเดา เกี่ยวกับพื้นเพของโลงจีนตัวใหญ่ผู้นี้ว่าถูกต้องแล้วพอพ้นจากป่าพื้นนั้นออกมาคนทั้งสามก็เดินต่อไปจนกระทั่งเที่ยงไกลออกไปตามทางก็เห็นโรงเตี้ยมหลังหนึ่งตั้งอยู่พวกเขาเดินเข้าไปหลินชงเชิญผู้คุมนั่งหัวโต๊ะนี่นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่ต่งเจ้ากับเสียบ่าให้รู้สึกผ่อนคลายเป็นยิ่งนักภายในโรงเตี๊ยมมีโต๊ะหลายตัว คนรับใช้สี่ห้าคนกำลังสารวนวิ่งกันให้วุ่นบริการน้ำท่าสุราอาหารให้โต๊ะนั้นทีโต๊ะน้้นทีลิ้มชงกับผู้คุมนั่งรออยู่เกือบครึ่งชั่วยามแต่ก็หาไม่ใครเข้ามารับใบสั่งไม่ในที่สุดลิ้มชงก็ทุบโ ต, ต๊ะตะโกนขึ้นอย่างเหลืออดเฮยเจ้าของร้านเจ้ากล้าล่วงเกินลูกค้าหรือไหนเห็นเป็นเพียงนักโทษก็คิดจะเมินแล้วสิท่า หากเรากล้าเขามากินเราก็ย่อมมีเงินจ่ายทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรฮะเจ้าของร้านเดินมาใกล้แล้วเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยท่านยังไม่เข้าใจเป็นพราะข่าวหวังดีหรอกลิ้นชงว่าหวังดีหาพระแสงอะไรไม่ยอมขายเนื้อขายเล้าเฮ้ยเจ้าของร้านพูดอีกว่าก็ท่านยังไม่เข้าใจ ในหมู่บ้านของเรานี้มีขะหะบดีมังคั่งร่ำรวยท่านหนึ่งน้ำว่าใช้จินผู้คนในแถบนี้เรียกหาว่าท่านชายใช้ผู้กล้าทั่วทั้งยุทธภพทางขนานน้ำให้ว่าสลาทันน้อยท่านเป็นถึงราชนิกูลในราชวงศ์โจโยุกหลังตอนที่จักรพรรดิโจอง์สุดท้ายสละราชบัลลังก์ใหราชวงศ์ส่งจักรพรรดิส่งพระองค์แรก ได้โปรดพระราชทานป้ายเหล็กอาญาชิต ย, ยกเว้นภาษีให้และรับรา ช, ชตรกูลนี้มาไว้ใตอ้อัขขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีผู้ใดกล้าตอแยกับคนในรา ช, ชตรกูลนี้อีกเลย <S <S ท่านชายใช้จินเนี่ยนะเปิดบ้านตอนรับขับสู้ผูกหน้าทั้งปวงในปราสาทของพระคุณท่านตอนนี้เฉพาะผู้เยี่ยมยุทธก็มีไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าสิบคนเลยทีเดียว พระคุณท่านมาสั่งที่โรงเตี๊ยมของเราว่าจงบอกพูดต้องถูกในประเทศทุกคนที่ผ่านมาทางนี้ให้ไปที่คุ้มผ่านข้าข้าจะออกเงินให้ก็ถ้าวันนี้ข้าเกิดขายเนื้อขายเล่าให้ท่านแล้วท่านเกิดดื่มไปจนหน้าแดงพระคุณท่านก็จะว่าตัวท่านนั้นถ้าจะมีเงินแล้วคงไม่ต้องการให้พระคุณท่านอนุเคราะห์เป็นแห่เป็นยังไงล่ะ เห็นแกกนาข่าแล้วหรือยังล่ะฮะลินชงหันมาเอ่ยกับผู้คุมว่าตอนที่ข้ามีตำแหน่งเป็นครูทหารที่เมืองหลวงตะวันออกข้าก็เคยได้ยินพวกทหารเล่าลือถึงกิติศัพท์ของท่านชายใช้ท่านอยู่ที่นี่นี่เองพวกเราไปเยี่ยมคารวะท่านสักหน่อยจะเป็นไรต่งเจ้ากับเสียบ่าคิดกันอยู่หลายตลบแล้วจึงพูดขึ้นว่าไหนไหน เราก็มาถึงที่นี่แล้วมีอะไรจะต้องให้เสียไปได้อีกล่าไปไปไปไปก็ไปทั้งสามช่วยกันเก็บรวบรวมข้าวของแล้วสอบถามเจ้าของโรงเตียมว่าพระสาสว์ท่านชา้ใช้อยู่ที่ไหนหรือเราใคร่จะแวะไปคาราวะท่านสักน้อยเจ้าของโรงเตียมตอบว่าก็ไปไม่อยากหรอกทางไปบ้านของท่านนะฮะก็ตรงไปตามนี้สักสามลี้ พอข้ามสะพานหินแล้วเลี้ยวไปอีกหน่อยก็จะเห็นปราสาทหลังใหญ่นั่นนั่นแหละคุ้มบ้านของท่านละ่ะถ้าไปไม่ถูกนะก็ถามเด็กๆวันเล็กๆเท่านั้นก็ได้ทำไมละ่ะเด็กมันรู้จักเลยเหรอเด็กๆไปรู้จักเหรอมันสายหัวเลยละ่ <c oughs> ะมาโทรนึกว่าเด็กยังรู้จักแมไอเราเลึกก็หลงฟังอยู่ตั้งนาน <c oughs> ลิ้นชงกับผู้คุมทั้งสอง กล่าวขอบคุณเจ้าของโรงเตี้ยมแล้วพากันจากไปพอเดินไปได้สักสามลี้ก็มาถึงสะพานหินขนาดใหญ่ตัวหนึ่งตามคาดพอข้ามฟางไปอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นทางกว้างปราบเสียเรียบสายหนึ่งทอดสายตาตามออกไปก็เห็นครื่งหาดเป็นปราสาทหลังใหญ่ตัดขอบฟ้าอยู่แต่ไกลลิฟตัวเครื่องหดตั้งเด่นเป็นสง่าล้อมรอบกำแพงทั้ง4ด้าน ด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังอยู่เต็มเปี่ยมกั้นเป็นกรอบโดยรอบอีกชั้นด้วยกำแพงสี่เหลี่ยมขาวมนเด่นผงานอยู่ท่ามกลางหมู่หลิวที่เบียดชนัดรกชัดเขียวครึ้มอยู่เบื้องหน้าพอเดินไปได้อีกสองสามเลี้ยวก็ใกล้จะถึงปากทางเข้าที่หน้าประสานใหญ่บ่าวไพร่สี่ห้าคนจับกลุ่มนั่งรับลมอยู่บนราสะพานลินชงกับผู้คุมเดินตรงไปโค้งคารวะบ่าวเหล่านั้นครูทหารถามขึ้นว่า ขอรบกวนท่านให้ช่วยไปเรียนท่านชายใช้ด้วยว่านักโทษนามว่าลินชงถูกในประเทศจากเมืองหลวงตะวันออกผ่านมาทางนี้จะขอมาเยี่ยมคาระวะสักหน่อยขอรับพวกเบ่าไพรพูดขึ้นว่าโอ้ยท่านอับโชคเสร็จแล้วหากท่านชายอยู่บ้านท่านก็คงจะได้เงินแหละเล่ายาปลาปิ้งแต่โชคร้ายท่านชายเพิ่งออกไปล่าสัตว์เมื่อเช้านี้เองลิ้นชงเอ่ยถามขึ้นว่า แล้วท่านจะกลับเมื่อใดเบ่าคนหนึ่งตอบว่าแม่ยากที่จะบอกขอรับบางทีท่านชายก็อาจจะขังที่ประสาทตะวันออกบางทีก็แล้วแต่เราก็ไม่แน่ใจดอกหลิ้นชงพึมพำกับตัวแล้วหันไปบอกผู้คุมทั้งสองว่าแม่ข้าในโชคร้ายเหลือใจมาแล้วก็กลับไม่เจอพวกเราไปกันเถิดคนทั้งสามกล่าวอำลา แล้วย้อนกลับมาตามทางเก่าลิ้นชงนั้นเล่าให้รู้สึกหดหูดังมีอะไรมาหน่วงหัวใจเอาไว้พอไปได้สักครึ่งลี้ใกล้จะออกเป็นเรื่องหน้าพันก็เห็นคนมูหนึ่งขี่ม้า้นดงไม้กำลังควบสวนใกล้เข้ามาดูท่าจะตรงไปทางครึ่นหาดบนหลังอาชาพ่วงพีขนขาวราวหิมะแผงค อ, อยักสลวยย้วยโยกโบยโบกไปตามแรงขย o อยู่เป็นหลน สุภาพบุรุษดูเป็นผู้สูงศักดิ์ผู้หนึ่งตากลมดุดตาหงคิ้วโก่งดั่งมงกรขนดหางปวดรูปปากจิ้มลิ้มอิ่มเรื่อราวแต้มชาติฟันขาวสะอาดสดใสประดุดจมูกพิสุทธิ์ไว้หนวดคลุมปากปล่อยคราวแหลมยาวราวคราวแพะอายุอนามศัก35์ใส่หมวกผ้าไหมยกดอกทรงกลมสีดำสวมเสื้อคลุมยาวสีม่วงปักลวดลายบนแผ่นอก รัดประคตเขนเอลประดับยกทรงค่าสวมรองเท้าผ้าหุ้มข้อสีดำคลิบปริมเขียวเดินดิ้นทองรถเลี้ยวหวาววับสะพายสองไหลว่วขวยหลังด้วยคาทานูกับซองเกาทันลูกดอกกระทบกันส่งเสียงกราวกราวตามจังหวะขยโยกก้าวของมา้าขบวนม้ายาวเยียดขบวนนั้นทันก็ควบแข่งกันใก้เข้ามาทำเครืหาดลินชงคิดในใจว่าคงจะเป็นท่านชายใช้แน่ แต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากสู้เก็บงามกล้ามกลืนความหมองใจไว้ในอกพอเลยไปหน่อยราชชนิกุลหนุ่มผู้นั้นทันชักบังเหียนเหวยหัวมา้าออกมาจากขบวนแล้วค่อยๆบังคับม้าให้เหยาะย่าง ก, กลับมาทางอดีตครูทหารแล้วเอ่ยทักขึ้นว่าว่า ah, ท่านสุภาพบุรุษที่ไหนใส่คือคามาถึงนี่ล่ะฮะลิ้นชงรีบคำนับแล้วตอบกลับไปว่าข้าน้อยพูดตามต้อยมีนามว่าลิ้นชง อดีตครูทหาร8 0ด0มืนประจำกองทหารรักษาพระองค์ในเมืองหลวงตะวันออกขอรับเป็นเพราะข้าน้อยเป็นอริกับจอมพลเกา่าท่านจึงจับตัวส่งสารไขเฟิงในประเทศเฉดไล่มายังเมืองกังงจอพวกเราได้รับทราบจากโรงเตี้ยมในหมู่บ้านข้างน้านี่ว่าท่านชายใช้วิรชนคนกล้าอาศัยอยู่ที่คฤหาสน์หลังนี้ท่านเปิดบ้านต้อนรับของคนดีมีฝีมือแต่ชักอันหาดนักหนาข้าหามีโชคไม่ มาถึงที่นี่แล้วกลับไม่ได้พบพอได้ยินสุภาพบุรุษผู้สูงศักดิ์ผู้นั้นก็เวียงตัวลงจากอานม้ากระโดดลงสู่พื้นสืบทาบก้าวเข้ามาหาพรางร้องขึ้นว่าคุณชายใช้เป็นข้าน้อยผู้ต่ำต้อยคนนี้นี่เองขอรับโปรดให้อภัยรับคำนับจากข้าน้อยสักพันครั้งเถิดที่ไม่ได้คอยรับอยู่กับบ้านว่าพรางก็ซุกตัวลงนเข่ากุมมือไว้ที่หว่างอก ก่อนจะขกศีษะลงกับพื้นหญ้าหลินชงลนลานตอบด้วยมารยาทสุภาพบุรุษผู้นั้นก็ตรงเข้ามาฉุดมือนำหลินชงตรงไปสู่คฤหาสน์พอเห็นขบวนม้ากลับมาพวกบ่าวไพร่ก็รีบผักประตูอ้ารับใช่จินนำหลินชงตรงไปยังห้องถงพิธีแล้วทั้งสองก็คำนับกันตามประเพณีอีกรอบหนึ่งใช่จินกล่าวว่า ข้าเคยได้ยินกิติศัพท์ท่านมานานแล้วใครเลยจะไปคิดว่าวันนี้ท่านจะเหยียบย่างมาถึงธรณีประตูบ้านชีวิตข้านี้ให้เบิกบานเป็นสุขหนักหนาที่ได้มาเห็นหน้าข้าตาลิ้นชงเอ่ยขึ้นว่าชื่อเสียงของท่านชายก็โด่งดังไปทั้งยุทธภพผู้คนล้วนเคารพยกย่องข้าน้อยไม่เคยคิดเลยว่าเป็นเพราะต้องถูกในประเทศแท้เชียวจึงได้มีโอกาสเที่ยวมาทั้งนี้ข้าน้อยก็ยินดีนะักที่ไดมาน้อมคาระวะ ด้วยชัยจิ้นขยันขยอหลินชงก็นั่งลงที่เก้าอี้แขกกิติยศเสียบากับต่งเจ้าพลอยได้รับอนิสงส์ให้กินโต๊ะไปด้วยผู้คนที่ติดตามชัยจิ้นออกไปล่าสัตว์ต่างจุงมาเข้า้อกที่หลังคฤหาสน์ก่อนจะค่อยๆทยอยปลีกตัวไปเรื่องเหล่านี้เราจะไม่กล่าวถึงอีกชัยจิ้นสั่งบบาไพรให้ไปยกสุราเข้ามาไม่นานนักคนพวกนั้นก็ยกจานเนื้อแป้งปิ้ง และเล่าอื่นๆเข้ามาต่อจากนั้นบบาวอีกคนหนึ่งก็นำถาดอีกใบใส่ข้าวสารเข้ามาจนพูนบนข้าวสารนั้นมีเงินอีปแปะเรียนอยู่สิบพวงชายจิ้นพร่องขึ้นทันทีว่าเฮ้ยไอพวกบันนอกขอบนะไม่รู้จักแยกแยะขี้ข้ากับอาจารย์เหตุ hey, ชะไหนจึงได้ดูเบาท่านครูทาหารถึงปานช น, นี้วะเร็วๆ เ, เข้ามายกเอาถาดพวกนี้ออกไปให้หมดไปเอาเหล้ากับผลไมด้ดีๆเข้ามา แล้วเชือดแกะมาตัวหนึ่งไว้ไว้เข้าเฮ้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกมึงนี่ลิ้นชงคานว่าพอเถิดอย่าได้ลำบากอีกเลยท่านชายเพียงแค่นี้ก็ดนนีถมไปแล้วพลางลุกขึ้นด้วยเกรงใจใช่จิ้นคานว่าจะพูดไปอีกเลยบ้านข้าเป็นเกียรตินักหนาที่ได้ต้อนรับท่านจะปัดความปรารถนาดีเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ไปใหญ่ท่านครุทหาร ไม่ช้าบ่าวไพร่ก็ยกเหล้าอย่างดีและผลไม้เข้ามาชัจินลุกขึ้นขยันขยอให้หลินชงดื่มหลินชงกล่าวขอบคุณแล้วยกเหล้าขึ้นดื่มรวดเดียวสามจอกใหญ่ผู้คุมทั้งสองก็ร่วมไปกับเขาด้วยชัยจินพูดว่าขออภัยให้ข้าสักประเดียวเถิดท่านครูทหารว่าพรางก็ปลดคันธนูกับซองเก่าทันลงจากไหลเดินไปเชิญผู้คุมทั้งสองดื่มแล้วก็กลับมานั่งเก้าอี้เจ้าบ้านอย่างเก่า ลินชงนั่งเก้าอี้แขกผู้มีเกียรติขนาดข้างด้วยสองผู้คุมแล้วทั้งหมดก็สวนเสียให้หากันไปเรื่อยเปื่อยถึงการผจญภัยและการประลองยุทธ์ต่างๆที่ได้ผ่านมาก่อนที่จะทันรู้ตัวตะวันก็รับขอบฟ้าทิศตะวันตกไปแล้วเล่าข้าวปลาอาหารผักผลไม้และของขบเคี้ยวจากทะเลก็วางอยู่เต็มโตะ๊ะใช่จิน้นเชิญแขกแต่ละคนดื่มคราวละสามจอกแล้วกลับมานั่งเก้าอี้ก่อนที่จะร้องสั่งขึ้นว่า เฮ้ยพวกมึงไปยกน้ำแกงมาบริการแล้วหลังจากซดน้ำแกงกันจนทั่วแล้วก็ตามด้วยเล่าอีกหกเจ็บจอกฝ่าผู้หนึ่งก็เข้ามาประกาศว่าท่านอาจารย์มาแล้วท่านอาจารย์มาแล้วครับใช่จินบอกว่าดีเลยไปเชิญท่านมาพบแขกหน่อยจัดเก้าอี้มาอีกตัวนึงสิลินชงรีบลุกขึ้นต้อนรับผู้มาใหม่ก้าวเข้ามา หมวกแก๊ปแผ่ไปข้างแออกจนดันกล้ามออกมาให้เห็นเป็นมัดๆบุรุษผู้นั้นสายอาจอาจเข้ามาในห้องโถงพวกเป่าเรียกชายผู้นี้ว่าอาจารย์หลินชงคิดในใจว่าท่านย่อมต้องเป็นครูมวยของท่านชายแน่ๆลิ้นชงรีบโค้งคารวะอย่างนอบนอบ้อมแล้วกล่าวว่าข้าน้อยลิ้นชงขอคารวะขอรับแต่ชายคนนั้นหาได้รับไหว้ไม่แม้แต่จะชำเลืองมอง หลินชงต้องก้มหน้าคำนับอยู่เช่นนั้นตามมารยาทไม่อาจจะเหง่อหน้าขึ้นได้ใช่จิ้นจึงกล่าวกับชายผู้ที่เขาเรียกหาว่าอาจารย์หงว่าสุภาพบุรุษผู้นี้คือครูทหารหลินชงท่านเป็นครูทวนและกระบี่กระบองมีหน้าที่รับผิดชอบฝึกทหารแปดหมืนประจำกองทหารรักษาพระองค์ที่เมืองหลวงตะวันออกครับท่านทั้งสองควรรู้จักกันไว้ ลินชงรีบคุกเข่าโคกศรีรษะอีกครั้งหนึ่งอาจารย์หงผูดรุนร้วนว่าเไม่ต้องเขาเต่าดอกลุกขึ้นส่วนตนเองไม่แม้แต่จะพะงกหัวใช่จิ้นเห็นดังนั้นก็ให้นึกเคืองลิ้นชงโคกศรีรษะสองรอบลุกขึ้นแล้วเชิญอาจารย์หงนั่งอาจารย์หงสุดนั่งลงที่เข้าอี้แขกกิติยศโดยไม่แสดงมารายาทใดๆใช่จิ้น ยิ่งดูไปก็ยิ่งขัดใจยิ่งนักหลินชงรีบเลื่อนมานั่งเก้าอี้ตัวถัดมาผู้คุมทั้งสองก็ต้องเลื่อนตามไปด้วยอาจารย์หงถามชายจินว่าชันไหนท่านชายจึงได้ใจดีมีมารยาทกับคนต้องในประเทศเช่นนี้นักฮะเฮ้ hey. ชายจินตอบว่าสุภาพบุรุษท่านนี้ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญท่านเป็นถึงครูทหารแปดมืนในกองทหารรักษาพระองค์ที่เมืองหลวง จะให้ข้าดูเบาเขาอย่างไรได้ท่านอาจารย์อาจารย์หงว่าก็เป็นเพราะท่านชายชื่นชอบการประลองยุทธ์แล้วก็ด้วยเหตุนี้นี่เองพวกคนจอนหมอนหมิ่นทั้งหลายจึงได้พากันมาอาศัยใบบุญตักตวงความมั่งมีสีสุขของท่านไปใครๆก็ได้ที่อ้างว่าข้าเป็นครูทวนก็ล้วนสามารถแห่กันมาที่คุม้มได้กินเหล้ากินยาแถมขอผิวเขาสารอาหารแห้งกลับไปอีกอโขเลยแม ใจท่านชายนี้ช่างกว่างขวางใหญ่โตสินี่กระไรลิ้นชงไม่กล่าวว่ากระไรแต่ชายจิ้นรีบแย้งขึ้นว่าคนเรานั้นดูกันแค่เสื้อผ้าอาพรไม่ได้หรอกท่านอาจารย์ไม่ควรไปดูหมินเขาเหมือนแทงถูกใจดำอาจารย์หงสะดุง้งรีบผุดลุกขึ้นแล้วว่าเฮ้ยข้าไม่เชื่อน้ายาไอ้คนพันอย่างนี้ดอก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 แปลโดยอาจารย์จรัสชายเชี่ยวยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่เก้ามีชื่อตอนว่าท่านชายใช้จิ้นเปิดบ้านรับของผู้กล้าหลินชงร่ายเพลงพองสยบอาจารย์หงส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกๆท่านรับฟังได้นะบัดนี้ เหมือนแทงถูกใจดำอาจารย์หงสะดุง้งรีบผุดลุกขึ้นแล้วว่าเฮ้ย hey, ข้าไม่เชื่อน้ำยาไอ้คนพันอย่างนี้ดอกถ้ากล้าประลองฝีมือกับข้าข้าจึงจะรับว่าเขาเป็นครูทหารตัวจริงใช่จิ้นหัวเราะแล้วว่าา <c oughs> <c oughs> อาไม่เลวนี่ <c oughs> แล้วท่านจะว่าอย่างไรล่ะท่านอาจารย์ลิ้น <c oughs> ลิ้นชงตอบว่า ข้าน้อยไม่ขออาถฐรนไปตีเสมอดอกขอรับพอได้ฟังอาจารย์หงก็คิดในใจว่าแม่ไอหมอนี่ดูท่าทางมันคงจะรบไม่เ ก, งเก่งหรอกมันถึงได้กลัวเรา <laughs> ดังนั้นจึงแร้งยัวหลินชงให้รับท้าใช่จิ้นนั้นไม่เพียงใครจะได้เห็นฝีมือหลินชงหากแต่ยังปรารถนาให้หลินชงช่วยสยบปาก อ, อันโอหังของอาจารย์หงแทนตัวอีกด้วย <laughs> <laughs> เขาสั่งบา่าวไพร่ว่า ไปเอาเหล้ามาอีกไปเราจะดื่มกันก่อนรอตอนเดือนขึ้นเต็มฟ้าแล้วค่อยมาประลองกันก็ได้พอดื่มกินกันไปได้อีกแปดเก้าจอกดวงจันทร์ก็โผล่ขึ้นมาเต็มฟ้าเป็นแสงเจิดจ้าจนห้องโถงสว่างสวยประดุจกลางวันใช่จิ้นยืนขึ้นแล้วร้องบอกว่าเชิญท่านอาจารย์ทั้งสองช่วยประลองยุดกันให้เราได้เห็นเป็นบุญต้าด้วยเถิดลิ้นชงคิดในใจว่า อาจารย์หงผู้นี้ต้องเป็นครูท้วนของท่านชายใช้เป็นแน่หากเราสยบเขาก็เท่ากับต้องทําให้คุณชายใช้ต้องเสียหน้าเมื่อเห็นท่าลังเลใช่จิ้นจึงกล่าวว่าอาจารย์หงก็พึ่งมาที่นี่ได้ไม่นานแต่ยังไม่มีใครหารสู้ได้อาจารย์หลินอย่าได้ปฏิเสธเลยข้ากระหายแต่เห็นฝีมือของท่านทั้งสองยิ่งนักแล้วที่ใช่จิ้นพูดออกไปเช่นนั้นก็เพื่อจะบอกใบให้หลินชง รู้ว่าไม่ต้องกลัวที่จะล่วงเกินและไม่ต้องเอามือใดๆทั้งสิ้นลิ้นชงจึงค่อยมั่นใจขึ้นม้าม า, มาข้าจะรำกระบองให้ชงเป็นผันตาอาจารย์หงบอกแล้วก็ลุกขึ้นทุกคนพากันลุกออกจากห้องโถงไปที่สนามประลองบ่าวไพร่แบกบไม้พลองหอบใหญ่เข้ามากองลงบนพื้นอาจารย์หงถอดเสื้อคลุมตัวนอกออกถอดแขนเสื้อตัวในมัดไว้กับสเสลเก็บชายเสื้อเข้าที่ให้รัดกุม เลือกไม้พรองขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วตั้งท่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเฮ่ hey! จะสักแค่ไหนกันเชียววะใช่จริงบอกว่าอาจารย์ลินเริ่มกระร้องได้แล้วลินชงออกตัวว่าฮอกข้างเงืเงืงะงไปบ้างท่านชายโปรดจะได้ถือสารนะแล้วหยิบไม้พรองที่ถนับมือขึ้นมาถือแล้วเอ่ยขึ้นว่า ท่านอาจารย์หงโปรดชี้แนะด้วยสีหน้าท่าทางของอาจารย์หงประหนึง่งใครจะกลืนกินหลินชงไปให้หมดทั้งตัวหลินชงสืดเท้าเข้าหามือทั้งสองจับไม้พรองเหยียดตรงมาข้างหน้าอาจารย์หงตวัด ไ, <ป>ไม้พรองลงกับพื้นเสียงดังสนั่นทีหนึ่งแล้วสะ อ, อึกเข้าใส่หลินชงสองูทหารสู้กันไปราวห้าหกเพลงหลิ้นชงก็พลักออกจากวงอาวุธแล้วร้องขึ้นว่า โอ้ยหยุดประเดี๋ยวหยุดประเดี๋ยวใช่จิ้นถามว่าอาจารย์ลิ้นชันไหนไม่ปล่อยฝีมือออกมาให้เต็มที่ล่ะฮะลิ้นชงว่าข้าแพ้แล้วใช่จิ้นว่าเอ๊ะการรบยังไม่สิ้นสุดเหตุฉัไหนจึงหยุดแล้วบอกว่าแพ้แล่ะลิ้นชงว่าหากรบโดยมีคือคําคออยู่อย่างนี้ถึงสู้ไปก็ต้องแพ้แน่แน่ข้าจึงว่าแพ้แล้วแพ้แล้วไงเล่าใช่จิ้นหัวเราะแล้วว่า เอข้ า, ขานี่ก็สิ้นคิดสิทจริงๆนะแม่ไอ้เรื่องแ่นี้ก็แก่ไขไม่ยากว่าแล้วก็สั่งบ่าวไพ่ให้รีบเข้าไปเอาเงินแท่งนับสิบตำลึงออกมาพอได้เงินแล้วก็หันมาบอกกับผู้คุมทั้งสองว่าไ้่ hey, จะขอรบกวนท่านทั้งสองช่วยถอดคือท่านหลินชงออกสักครู่ได้หรือไม่หากไปถึงคุกที่กังโจแล้วมีปัญหาใดๆข้าจะขอรับผิดชอบเอง เชิญรับเงินสิบตำลึงนี้ไปแบ่งกันด้วยเถิดใช่จิ้นนั้นช่างเป็นคนที่สูงส่งเป็นผู้ดีโออาและมีสง่าราศีเสียจนผู้คุมทั้งสองไม่กล้าจะปฏิเสธพวกเขายังปรารถนาความเอื้ออาทอนจากท่านชายใช้และต้องการเงินก้อนนั้นแถมอีกต่างหากและเมื่อลิ้นชงไม่คิดหนีให้เป็นที่มีอันต ร, รายใดๆเสียบาก็ตรงเข้าไปถอดคือที่คอลิ้นชงออกใช่จิน้นกล่าวด้วยความยินดีว่า เช่นนี้แล้วท่านอาจารย์ทั้งสองก่อนจะได้ต่อยตีกันโดยสะดวกเสียทีเนื่องด้วยหลินชงรบแบบรับมากเกินไปอาจารย์หงจึงนึกดูหมิ่นแล้วก็ชูกระบองขึ้นเตรียมต่อสู้ใช่จิ้นร้องบอกว่ารอบแะ้เดียวแล้วก็เร่งให้บ่าวไพร่ไปเอาเงินหนัก25ตำลึงออกมาอีกก้อนหนึ่งไม่นานนักเงินก้อนนั้นก็มาใช่จิ้นกล่าวว่า ไมาไอการประลองยุทธ์ของสองอาจารย์ยจะไม่ธรรมดาหากผู้ใดชนะก็จะได้เงินก้อนนี้ไปครองเหตุที่คิดเช่นนี้ก็เป็นเพราะใช่จิน้นต้องการเห็นฝีมือที่แท้จริงของหลินชงจึงจงใจวางเงินเดิมพันลงกับพื้นอาจารย์หงให้เกรงว่าหลินชงจะคว้าเงินแท่งนั้นไปครองยิ่งกว่านั้นก็ให้วิตกว่าหากตนแพ้ก็รังแต่จะเสื่อมเสียเกียรติภูมิคิดอย่างนั้นจึงปักหลักมั่น เปิดฉากจูโจมในท่าชูคบสยบฝาลิ้นชงคิดในใจว่าดูเหมือนท่านชายจะต้องการให้เรากำราบเขาเป็นแน่แล้วก็ลดพลองลงพื้นในท่าแหวกยญ้าหาอสรพิษอาจารย์หงยังคงพร่ำอยู่อย่างนั้นมาเลยมาเลยเฮ้ยแล้วก็หวดไม้พร้องลงมาหลินกระโดดถอยลหลังเฮ้ยหงสะอึกตามมาอีกก้าว เงื้อพรองขึ้นเตรียมจะฟาดลงมาอีกคำรบหนึ่งหลินชงเล็งเห็นว่าหงโถงเข้ามาใส่ถ้ายืนไม่มั่นคงคิดเช่นนั้นก็งัดไม่พรองขึ้นจากพื้นหงยังไม่ทันคิดจะหมุนตัวออกข้างแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วไม้พรองของหลินที่งัดขึ้นกระแทกใส่กระดูกหน้าขาหงอย่างจังฮ <c oughs> ครูทวนผวาล้มเสียงดังสนัน่นไม้พรองหลุด <c oughs> กระเด็นไปจากมือ <c oughs> ใช้จิ้นให้ปลื้มใจนักเรียกเอาเล่ามา แนวรินส่งให้หลินชงฉลองชัยคนที่เฝ้าดูอยู่ตางพากันหัวเราะหงที่บัดนี้กระสือกระสนดิ้นกระแดวกระแดวอยู่บนพื้นลุกขึ้นยืนไม่ได้พวกบ่าไครยิ้มยาะเข้าไปช่วยพยุงปีกหงซึ่งบัดนี้สีหน้าเป็นหมารู้ทวนปากกล้าก็กระโผกกระเพกโผเผลอออกจากครือหาดไป ใช้กุมมือหลินชงชุดกลับเข้าไปในห้องเอาเล่าออกมาฉลองเป็นการใหญ่ทางให้บ่าไพรนำเงินรางวัลออกมาให้หลินชงหลินชงพยายามปฏิเสธแต่เจ้าบ้านยืนกรานอยู่เช่นนั้นในที่สุดหลินชงก็จนใจรับใช่จิ้นเลี้ยงดูปูเสือหลินชงในครือข่าไปอีกหลายวันที่สำรับทั้งพร้อมไปด้วยเหล้ายาปลาปิ้งและของขบเคี้ยวน า, นานาชนิดหลังจากผ่านไปได้หกเจวัน ผู้คุมทั้งสองก็รบเร้าหลินชงให้จากมาใช่จิ้นจึงจัดงานเลี้ยงอําลาขึ้นอย่างออกกเอิกเกริกพร้อมทั้งเขียนหนังสือฝากฝังสองฉบับมอบใส่มือครูทหารแล้วพูดว่าข้าหลวงเมืองกังโจเป็นเพื่อนข้าเองและข้ายังรู้จักมักคุ้นกับพัสดีและหัวหน้าผู้คุมที่เรือนจําทหารนั้นเป็นอย่างดีอีกด้วยเมื่อท่านไปถึงแล้วก็จงมอบหนังสือสองฉบับนี้ให้พวกเขาท่านจะได้รับการปฏิบัติด้วยดี ว่าแล้วก็มอบเงินแท่งให้หลินชงหนัก25ห้าตำลึงอีกแถมให้ผู้คุมอีกคนละห้าตำลึงแล้วคนทั้งหมดก็ดื่มกินกันไปตลอดทั้งคืนพอรุ่งเช้าหลังอาหารไชจิ้นก็สั่งให้บ่าวไพร่จำนวนหนึ่งช่วยกันหิ้วข้าวของคือถูกนำกลับมาสวมคอแล้วไชจิ้นก็เดินออกไปส่งคณะถึงประตูค า, าราฮา์ขณะกาลังใจแยกกันไชจิ้นก็บอกกับหลินชงว่า อีกสองสามวันข้าจะให้คนเอาเครื่องกันหนาวไปให้ลิ้นชงกล่าวว่าแม่ข้าพเจ้าตื่นตันในหุ่นใจนักจนไม่รู้ว่าจะขอบพระคุณท่านชายอย่างไรถูกผู้คุมทั้งสองกล่าวขอบพระคุณชายจิน้นแล้วทั้งสามก็ออกมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองกังโจพอเที่ยงก็ถึงส่งคนขนของกลับ ผู้คุมตรงไปยังศาราว่าการมอกหมายสารใครเฟิงที่กํากับมาให้เจ้าพนักงานซึ่งก็รีบพาหลินชงเข้าไปคุกเข้าต่อหน้าบลาลังข้าหลวงเพื่อเป็นการแสดงว่าได้รับตัวครูทหารไว้ในคุกแล้วข้าหลวงก็ออกหนังสือรับตัวมอบให้ผู้คุมทั้งสองและมีใบบอกส่งตัวหลินชงไปยังเรือนจําทหารผู้คุมทั้งสองกล่าวอําลาหลินชงแล้วก็หวนกลับไปยังเมืองหลวงตะวันออกเรื่องของพวกเขาเราจะไม่เอ่ยถึงอีก เราจะพูดถึงตอนที่หลินชงถูกคุมตัวมายังเรือนจำทหารแล้วดีกว่าเขาถูกนำไปแยกขังไว้ในห้องขังพิเศษเพื่อรอลงทะเบียนนักโทษคนอื่นๆก็เร่เข้ามาเยี่ยมแล้วพูดกับหลินชงว่าพัสดีกับหัวหน้าผู้คุมที่เรือนจำนี้ชั่วนักพวกมันคิดแต่จะรียดเงินทองหากท่านให้สินบนมันก็จะทาดีให้แต่ทําไมพวกมันจะโยนท่านใส่คุกใต้ดินที่นั่น ท่านจะต้องร้องขอชีวิตแล้วก็คิดอยากจะตายไปเสียให้พ้นๆแต่ก็ไม่มีทางใดจะสำเร็จหากท่านบีบน้ำมันใส่มือพวกมันหน่อยท่านอาจไม่ต้องถูกบอยรับน้องร้อยไมย้ขอเพียงแต่บอกว่ายังป่วยอยู่โทษนี้ก็จะเลื่อนออกไปเรื่อยๆม่ฉะนั้นจะถูกบอยร้อยทีอย่างนี้เท่ากับตายมากกว่าเป็นลิ้นชงกล่าวว่าแม่ขอบคุณพวกพี่ๆที่ตักเตือนนะ แต่ถ้าข้าวานเงินออกไปแล้วเมื่อไรพวกมันจะพอกันเล่าพวกนั้นว่าถ้าจะให้พอดีแล้วล่ะก็ห้าตำลึงเงินสาหรับพัสดีและอีกค้าตำลึงเงินให้กับหัวหน้าผู้คุมก็นับว่าเหมาะแล้วขณะที่กำลังสนทนากันอยู่นั้นหัวหน้าผู้คุมก็เข้ามาถามว่าเอ้านนักโทษคนไหนที่เข้ามาใหม่น่ะฮะลิ้นชงก้าออกไปและพูดขึ้นว่า เป็นข้าน้อยผู้ต่มต้อยคนนี้นี่เองขอรับพ่อหัวหน้าผู้คุมไม่เห็นลิ้นชงหยิบเงินส่งให้สีหน้าก็บึ้งตึงขึ้นมาทันทีใช้นิ้วส่ายไปมาอยู่หน้าลิ้นชงแล้วตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยไอ้คนต้องในระเทศเฉดกะบานเอ้ยทำไมเจ้าถึงไม่รู้จักลุกขึ้นมาคำนับตอนที่ข้าเข้ามาวะฮะข้ารู้เรื่องเจ้าทีสารใครเฟิงจนเส้นใส่สิมพงแล้วเจ้าไ่กินดีหมีดีหมามาหนฉันไหน ทังได้มันทำกระด้างกระเดืองต่อหน้าข้าฮะข้าเห็นรอยตีนกาบนหน้าเจ้าแว บ, บหนึ่งก็รู้ว่าชะตาเจ้านั้นไม่ไปถึงไหนดอกนอกซะจากต้องหิวไปลูกเดียวในโลกใบนี้เจ้าไม่มีทางที่จะลืมตาอ้าปากได้อีกแล้วที่เจ้าจฉพาขอได้ก็แค่ขอถูกเค้นให้หนักไอ้ขี่คุกขี้ตารางังจะช่วยจะดีทีหางอย่างไรอย่างไรชีวิตเจ้าก็ล้วนอยู่ในกำมือข้าทั้งสิ้น อีกไม่นานดรอกข้าจะทุบเนื้อปนกระดูกเจ้าให้เป็นผงเลยเ ฮ, ฮ้หัวหน้าผู้คุมสำรอกใส่หน้าลิ้นชงไปไเรื่อยโดยที่เขายังคงยืนก้มศรีรษะอยู่เช่นนั้นด้วยน้ำเสียงที่ด่าเป็นพายุบุกแขมเช่นนั้นนักโทษคนอื่นๆก็พากันลีหน้าหนีหายไปสิน้นลิ้นชงรอจนหัวหน้าผู้คุมค่อยๆหมดแรงที่จะสำรอกอะไรๆ อ, ออกมาได้อีก จึงล้วงเงินห้าตำลึงออกจากพกยื่นส่งให้พร้อมด้วยรอยยิ้มและพูดว่าข้ามีของกำนันเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านพี่กรุณาอย่าได้รังเกียจเดียดฉันเลยขอรับผู้คุมว่าอ้าวนี่สำหรับข้าคนเดียวหรือว่าต้องแบ่งกับพัสดีด้วยนะเนี่ยฮะจ่ายตั้งนานสันกหมดปัญหาละไม่ต้องให้ดาจนคอแห้งอย่างเนี้ยลิ้นชงว่า สำหรับท่านพี่แค่ผู้เดียวและนี่ก็อีกสิบตำลึงสำหรับท่านพัสดีต้องวานท่านพี่นำไปมอบให้ด้วยขอรับพอเห็นเช่นนั้นหัวหน้าผู้คุมก็ฉีกยิ้มกว้างผู้คุมว่าท่านครูทหารหลินข้าเคยได้ยินชื่อเสียงดีๆของท่านมาันานแล้วแม่ท่านนี่ช่างยอดเยี่ยมกระเทียมทองจริงๆดีตลอดสมคำรำ่ำรือยิ่งนักไม่ต้องสงสัยเลยว่า ไอ้จอมพลเขามันจะต้องใส่ความท่านเป็นแน่แท้แม้ตอนแรกๆท่านอาจจะไม่สะดวกสบายอยู่บ้างนะแต่ข้าเชื่อว่าอีกไม่ช้าชีวิตท่านจะต้องพบประสบความสําเร็จอีกครั้งอย่างแน่นอนคนที่มีชื่อเสียงและฉลาดปราดเปรืองเช่นท่านนี้คงไม่ต้องรอนานดอกไม่ช้าท่านก็ต้องได้เป็นใหญ่เป็นโตลิ้นชงหัวเราะแล้วว่าฮ่าฮ่ฮ่ เห็นทีต้องพึ่งความเมตตาของท่านพี่ล้วนๆเสียแล้วหัวหน้าผู้คุมว่าเอาเถอะหน้าวางใช้ได้เลยลิ้นชงหยิบหนังสือสองฉบับของท่านชายใช้ขึ้นมาแล้วกล่าวว่าขอรบกวนพี่ท่านช่วยส่งหนังสือนี้ให้ด้วยได้ไหมล่ะผู้คุมว่าอ๋อนี่เป็นหนังสือจากท่านชายใช้หรือโอ้ถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้ว ซนังสือแต่ละฉบับมีค่าราวกับก้อนทองคำเลยทีเดียวเชียวข้าจะนำไปส่งให้เองอีกสักครู่ท่านพัสดีก็คงจะตามท่านไปลงทะเบียนเพราะท่านสั่งให้โวยร้อยทีก็จงรีบบอกไปว่าท่านเพิ่งเดินทางมาถึงยังป่วยอยู่ยังไม่ทันฟื้นดีข้าก็จะช่วยพูดให้อีกแรงหนึ่งแต่เราต้องแซงทำให้ดูสมจริงนะลิ้นชงว่าขอขอบพระคุณในน้ำใจของพี่ท่านมากนะ ผู้น้าผู้คุมหยิบเงินกับหนังสือทั้งสองฉบับทิ้งหลินชงให้อยู่แต่ในห้องตามลำพังครูทหารถอนใจใหญ่แล้วว่าเฮ้ยหากมีเงินก็ซื้อหาได้ถึงสวรรค์ชั้นฟ้าสัจ ะ, จะทําข้อนี้น่าขมขื่นใจยิ่งนะักพอมาอยู่ต่อหน้าพัะสดีผู้น้าผู้คุมก็ส่งเงินให้ห้าตำลึง เลนของที่หลิมนชงมอบให้เอาไว้ครึ่งหนึ่งด้วยแล้วเอ่ยขึ้นว่าลินชงพูดนี้ยอดเยี่ยมนักนี่เป็นหนังสือฝากฝังจากท่านชายใช้ดูเหมือนว่าจอมพลเกาจะกุศเรื่องขึ้นมาในประเทศเขาแน่ๆพิจารณาดูแล้วไม่เห็นมีหลักฐานอะไรเลยพัสดีพูดขึ้นว่าเมื่อท่านชายใช้ส่งหนังสือมาถึงเราเช่นนี้เราต้องดูแลเขาให้ดีนะ ว่าแล้วก็สั่งให้เบิกตัวหลินชงออกมาย้อนกลับมาทางหลินชงที่กำลังนั่งอารมณ์บูดอยู่คนเดียวในห้องก็พอดีคนถือกุญแจตะโกนขึ้นว่ามีคำสั่งจากท่านพัสดีให้เบิกตัวนักโทษลินชงไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนที่ห้องโถงหลินชงรีบตรงไปยังห้องโถงพัสดีในทันทีพัสดีพูดกับลินชงว่า เขาวเป็นนักโทษหน้าไมจั ก, กรพรรดิพระองค์แรกในราชวงศ์งมีพระบัญชาถ่ายทอดจนมาถึงเราให้โมวยนักโทษต้องในระเทศหน้าไม้ทุกคนคนละ100หนึ่งร้อยไม้ทหารเตรียมนักโทษให้พร้อมลิ้นชงกล่าวไปตามที่ได้เตียมกันมาว่าระหว่างมาถึงที่นี่ข่าน้อยเป็นหวัดแดดอย่างแรงยังไม่ทันฟื้นดีเลยขอรับข้าขอวิงวอนให้ท่านเลื่อนไปก่อน หัวหน้าผู้คุมช่วยพูดว่านักโทษยังไม่ฟื้นไข้ดีขอรับโปรดเมตตาเขาด้วยเถิดพัสดีเอ่ยขึ้นว่าเมื่อป่วยยังไม่หายดีก็ให้เลื่อนการโอยออกไปพรางก่อนตามระเบียบที่เคยทำทุกครั้งนั่นแหละไว้ค่อยโอยกันตอนสุขภาพแข็งแรงก็ได้หัวหน้าผู้คุมเอ่ยขึ้นว่าครับท่านพัสดีวันนี้นักโทษเก่า ที่ถูกส่งไปปัดกวาดเช็ดถูศาลเจ้าในเรือนจำทหารแห่งนี้พ้นโทษไปแล้วทำไมไม่ส่งนักโทษลินชงไปรับหน้าที่แทนเล่าพัสดีรีบเขียนคำสั่งแล้วหัวหน้าผู้คุมก็คุมตัวหลินชงกลับไปยังห้องขังหลินชงเก็บข้าวของแล้วเดินตามหัวหน้าผู้คุมไปยังศาลเจ้าเรือนจำประจาป้อมค่ายแห่งนั้นทันทีหัวหน้าผู้คุมเอ่ยขึ้นกับลินชงว่า ที่หางานเช่นนี้ให้ก็นับว่าดูแลเอาใจใส่ท่านมากโขแล้วท่านครูทหารหลินงานนี้สะดวกสบายที่สุดในค่ายท่านเพียงแค่จุดทูบปัดกวาดเช็ดถูสารเจ้าเช้าหนเย็นหนก็พอไม่ช้าท่านก็จะเห็นเองว่าเราเขี่ยวนักโทษคนอื่นๆจากเช้าไปจนคำ่ำพวกที่ไม่มีเงินมีทองเราก็จะได้โยนใส่คุกใต้ดินที่ที่พวกมันต้องอ่อนวอนขอให้ไว้ชีวิต และเวลาเดียวกันก็อยากตายเสียให้รู้แรวรู้รอดไปแต่ก็ไปไม่ได้ตลอดสักอย่างลิ้นชงกล่าวกับผู้คุมว่าขอบพระคุณที่ช่วยคุ้มครองแล้วก็หยิบเงินส่งให้หัวหน้าผู้คุมอีกห้าตำลึงเงินแล้วเอ่ยขึ้นอีกว่าวีอีกประการหนึ่งที่ใครรบกวนพี่ท่านช่วยเอาคือที่คอออกให้จะได้หรือไม่ล่ะฮะหัวหน้าผู้คุมบอกว่า โอ้โหปล่อยให้เป็นธุระของข้าเถิดแล้วก็ช่วยเงินได้ก็ตรงไปยังพัสดีพอถ่ายทอดคำร้องเรียนเสร็จคือก็ถูกถอดออกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลิมชงก็กินนอนอยู่ในศาลเจ้าทุกเมื่อเช้าวันไม่ต้องทำอย่างอื่นนอกจากจุดทูป ก, กับกวาดพื้นก่อนจะรู้ตัวอีกทีเวลาก็ล่วงไป 40- ห้าิวันเข้าให้แล้วพัสดีแหละหัวหน้าผู้คุม เมื่อฟาสิ่งบนเข้าไปจนพุ ง, งกลางก็ให้เอื้ออาทรเป็นยิ่งนักลิ้นชงไปไหนมาไหนก็ได้ตามแต่อำเภอใจไม่มีข้อจํากัดขัดขวางใดๆให้เป็นที่รกเรื่วท่านชายใช้ส่งคนนําเสื้อกันหนาวและของกําำนานอื่นๆมามอบให้นักโทษทั้งหลายทั้งปวงล้วนได้อาศัยใบบุญจากลิ้นชงไปทั้งสิ้นวันหนึ่งหลิ้นชงออกไปเตะเตรยอยู่นอกประตูค่ายทหาร ท่นใดนั้นเสียงใครคนหนึ่งก็ร้องเรียกมาจากด้านหลังท่านครูทหารลินมาทําอะไรอยู่ที่นี่ล่ะฮะลินชงหันกลับไปมอง<ๆ>ก็เพราะผลของการหันกลับไปมองคนแปลกหน้าคนนั้นนั่นเองท่ามกลางเปลวไฟชีวิตครูทหารเกือบต้องมอดไหมท่ามกลางหิมะ และพายุเกลียวกราดบาดจิตบทชีวิตหลิ้นชงก็ถึงคราวสวยซ้ำสองใครกันที่หลินชงหันไปเห็นเชิญฟังตอนต่อไปหากท่านใครรู้ซองกัง ร, ร้อยแปดวิรุฬแห่งเขาเหลียนสารตอนที่สิบลิ้นชงหลบพายุหิมะในสารเจ้าพูดภูผาผู้กองลู่เฉียนวา ง, พงเพลิงเผาโรงฟังทหาร ขณะที่ลินชงกำลังเดินทอดอารมณ์อยู่นั้นใครบางคนก็ร้องทักมาจากด้านหลังท่านครูทหารมาทําอะไรอยู่ที่นี่ละ่ะฮะพอหันไปก็เห็นลี่เสี่ยวเออรคนรับใช้ในโรงเตี้ยมสมัยที่ยังคุ้นเคยกันอยู่ในเมืองหลวงตะวันออกหลินชงเคยได้ช่วยเหลือเงินทองให้ไปหลายหนอยู่มาภายหลังเสี่ยวเออไปขโมยเงินเจ้าของโรงเตี้ยมแล้วถูกเขาจับได้วิดจะถูกในประเทศมาที่เมืองนี้อยู่แล้วแต่ลินชงก็ไปช่วยพูดให้จนกระทั่งพ้นโรงพ้นสาร และช่วยออกเงินคืนให้เจ้าของโรงเตียมจนเสี่ยวเออร์ได้รับการปล่อยตัวแม้ไม่อาจหางานหาการทําในเมืองหลวงได้อีกแต่เพราะลินชงออกค่าเดินทางให้เสี่ยวเออจึงสามารถไปหางานในถิ่นอื่นและในวันนี้ทั้งสองก็ได้มาพบกันที่กังโจอีกโดยไม่คาดฝันลินชงทักว่าน้องลี่มาทาอะไรที่นี่ล่ะฮะเสี่ยวเออร์คุกเข่าโคกศรีรษะคานับแล้วตอบว่า ท่านภู้มีพระคุณหลังจากที่ท่านช่วยเหลือออกเงินค่าเดินทางให้ข้าก็มองหางานไปทั่วแต่ก็ไม่ได้สักทีจนในที่สุดก็รอนแรง ม, มาจนถึงกลางโจนนี่แหละที่เมืองนี้ผู้ดูแลโรงเตี้ยมวางรับข้าน้อยเป็นผู้ช่วยและเพราะเห็นว่าข้ามุ ง, งานหนักแถมปรุงอาหารได้ก็หลายจานผสมน้ํำจิ้มได้ก็หลายชนิดเป็นที่ติดอกติดใจลูกค้าเป็นยิ่งนักทามาค้าขึ้นเจ้าของโรงเตี้ยว ม, มีลูกสาวจึงยกให้แต่งเอาข้าเข้าเรือน ตอนนี้ทั้งพ่อตาและแม่ยายตามตายไปหมดสิ้นแล้วเหลืออยู่ก็แต่ข้าน้อยกับเมียเท่านั้นโรงเตียมของเราอยู่ที่หน้าค่ายนี้เองขอรับข้ากำลังจะออกไปเจ็บเงินอยู่พอดีท่านผู้มีพระคุณมาทำธุระอะไรแถวนี้หรือขอรับหลินชี้ให้ดูรอยสักที่แก้มแล้วเอ่ยขึ้นอย่างปรงตกว่าเฮ้ยเพราะข้าไปเป็นความกับจอมพลเก่าน่ะสิมันจึงวางแผนใส่ร้าย ใช้สารในระเทศข้ามากังโจ้นี่แหละตอนนี้ข้าเป็นผู้ดูแลสารเจ้าในค่ายทหารแห่งนี้เออ ย, ยังไม่รู้เลยว่าในอนาคตพวกเขาจะย้ายข้าไปที่ไหนอีกเออนึกไม่ถึงเลยว่าจะได้พบเจ้าที่เมืองนี้เสี่ยวเ อ, อ่อพาหลินชงไปที่บ้านเชิญให้นั่งแล้วเรียกสีภรรยาออกมาคำนับทั้งผัวและเมียต่างดีอกดีใจพูดขึ้นว่า พวกเราทั้งสองไม่มีญาติสนิทไม่สหายที่ไหนที่ได้ท่านผู้มีพระคุณมาอยู่ที่นี่ด้วยจึงประหนึ่งสวรรค์ประธานมาแทๆ้ๆลินกล่าวกับคนทั้งสองว่าตอนนี้ข้าเป็นนักโทษต่องในระเทศคบหากับข้าจะไม่ทำให้ชื่อเสียงของพวกเจ้าพลอยเสื่อมเสียไปด้วยดอกหรือไรเซียวเอ้อสีน้ำใจก็ต่อว่าขึ้นเฮ้ยยัถึงพูดได้เช่นนี้ ใครๆต่างก็รู้สิ้นในชื่อเสียงอันเกลียดกลของท่านเอาเป็นว่าต่อแต่นี้ไปเอาเสื้อผ้ามาให้เมียข้าซักและปะชุนให้นะขอรับว่าพลางก็แต่งโตะ๊ะเลี้ยงดูปูเสือหลินชงจนกระทั่งดึกดื่นจึงไปส่งคืนยังศาลเจ้าพอรุ่งเช้าก็มาเชิญลินชงไปบ้านอีกนับแต่นั้นมาเสี่ยวเอ้อกับลินชงก็ไปมาหาสู่กันโดยไม่ได้ขาดยิ่งกว่านั้นเสี่ยวเอ้อมักชงใบชาและน้ำซุป ไปให้หลินชงในค่ายเสมอๆหลินชงตื้นตันในความรักใคร่และความเทิดทุนบูชาที่สองผัวเมียมีต่อตนจึงออกเงินทุนให้ทั้งสองใช้ทรมาหากินอยู่เนืองๆขอข้ามเรื่องสับเพระไปก่อนนะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเผื่อแป๊บเดียวเหมันตระดูก็ผ่านมาสู่เมียเสียวเออร์เอาเสื้อผ้ากันหนาวของหลินชงออกมาซักตากและปะชุนให้เป็นอย่างดี วันหนึ่งขณะที่เสี่ยวเออร์กำลังปรุงอาหารอยู่ในครัวพลันก็มีบุรุษหนึ่งแทรกตัวเข้ามาในร้านนั่งลงที่โต๊ะตัวหนึ่งแล้วชายอีกคนหนึ่งก็ทำลับๆ ล, ล่อๆตามเข้ามาชายคนแรกแต่งกายคล้ายนายทหารส่วนคนที่สองจะดูอย่างไรอย่างไรก็เป็นได้แค่คนรับใช้เสี่ยวเออร์รีบตรงเข้าไปถามท่านจะรับสุราหรือกระมังขอรับ นายทหารคนนั้นหยิบเงินหนึ่งตำลึงส่งให้เสี่ยวเออแล้วว่าเอาเน่มัดจำไว้ก่อนแล้วไปเอาสุราดีๆมาให้เราสักสองสามกระปุกพ่อแขกเรามาก็ให้เอาอาหารและกับแกล้มออกมาบริการนะเจ้าเลือกรายการอาหารเองล่ะไม่ต้องมาถามข้าเสี่ยวเออร์ว่าท่านจะมีแขกมาด้วยหรือขอรับสุภาพบุรุษคนนั้นว่า ข้าต้องรบกวนเจ้าให้ไปยังเรือนจำในค่ายเรียนเชิญท่านพัสดีกับหัวหน้าผู้คุมออกมาสนทนากับข้าสักอนอยถ้าพวกเขาถามก็ให้บอกไปแต่เพียงว่าสุภาพบุรุษท่านหนึง่งใครขอเรียนเชิญมาหารือเรื่องธุระสำคัญขณะนี้กำลังนั่งรออยู่ที่ร้านก่นแล้วกันนะเซียวเออร์พยักหน้ารับปลุกปลกแล้วรีบออกมา พ่อไปถึงเรือนจําในค่ายก็ถ่ายทอดข้อความนี้กับหัวหน้าผู้คุมก่อนแล้วทั้งสองก็พากันไปเรียนเชิญพัสดีเรือนจําพอครบทั้งสามก็ตรงมาที่โรงเตี้ยมสุภาพบุรุษผู้นั้นพัสดีและหัวหน้าผู้คุมต่างคำนับทักทายซึ่งกันและกันพัสดีเอ่ยขึ้นว่าเรายังไม่เคยได้พบกันเลยใครขอเรียนถามนามท่านด้วยสุภาพบุรุษผู้นั้นตอบว่า ข้ามีหนังสือแนะนําตัวอยู่นี่แล้วอีกสักครู่จะนําออกมาให้ดูแต่ก่อนอื่นเชิญท่านดื่มก่อนเสี่ยวเออร์รีบเปิดจุกเหล้าเอาอาหารออกมาบริการสุภาพบุรุษผู้นั้นเรียกเอาจอกพิธีเป็นงานเป็นการหลังจากรินจนครบและส่งจอกให้หมดแล้วก็เชิญแขกนั่งเสี่ยวเออร์วิ่งเข้าวิ่งออกดังว่ากระสวยบินคอยรินเหล้าบริการไม่ได้ขาดตกบกพร่อง คนใช้ของสุภาพบุรุษผู้นั้นก็รับหน้าที่อุ่นเหล้าคว่มจอกกันไปกว่าสิบรอบจานกลับถูกยกมาแกล่มไม่หยุดแล้วสุภาพบุรุษนั้นก็หันมาบอกเซียวเอ้อว่าทนายข้าจะอุ่นเหล้าเองหากไม่เรียกเจ้าก็ไม่ต้องออกมานะเราต้องการสนทนากันเป็นส่วนตัวนะ่ะเซียวเอ้อตอบรับอ๋อได้เลยขอรับแล้วออกไปจากห้องแต่พอหลุดออกมาได้ก็รีบเรียกเมียมหารือ เสี่ยวเอ้อว่ากับเมียว่าข้าว่านะไอ้สองคนนี้มีอะไรทำแม่งทำแม่งนะเมียว่าท่านพี่หมายความว่าอย่างไรหรือ <_ Q. S 2> ก็ไอ้สองคนนั้นพูดจำเนียงเมืองหลวงตะวันออกแต่ไม่มีใครรู้จักพัสดีเลยสักคนตอนที่ข้ายกกับแกลมไปบริการข้าได้ยินหัวหน้าผู้คุ ม, พ, มพึมพำว่าจอมพลเกาจอมพลเกาอะไรนี่แหละไอ้หมอนี้ถ้าจะเป็นคนที่เคยพยายามทำร้ายท่านครูทหาร ข้าจะคอยจับตาดูพวกมันที่ประตูนี้ส่วนเจ้าไปอีกห้องหนึ่งไม่ค่อยแอบฟังอยู่ข้างฝานะเมียเสี่ยวเออแย้งขึ้นว่าทําไมท่านพี่ไม่ไปตามอาจารย์หลินในค่ายมาดูตัวพวกมันเสียที่นี่เลยเล่า<ๆ>เผื่อท่านจะจําได้นะเสี่ยวเออขึ้นเสียงว่าเฮ้ย <Hey! S 2> เจ้านี่ไม่รู้อะไรเลยท่านอารมณ์ร้ายมากเชื่อได้เลยว่าถ้าได้เห็นท่านเป็นต้องฆ่าพวกมันเป็นแน่แล้วเผาร้านเรา จนพินาศชิบหายไว้ปวงเป็นแน่โดยเฉพาะถ้ามันเป็นไอผูกกองลูกที่ท่านเอ่ยถึงเมื่อวันก่อนจริงท่านคงไม่ปล่อยให้มันรอดไปได้อีกอย่างหนึง่งหากเกิดเรื่องขึ้นที่นี่เจ้ากับข้าก็จะพากันเข้าปิ้งไปด้วยเฮ้ย hey, เจ้ารีบไปแอบฟังให้ดีกันแล้วกันแล้วค่อยมาตัดสินใจกันภายหลังเมียว่าถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วนางเมียบอกแล้วก็รีบออกไปแอบฟัง พักหนึ่งผ่านไปก็หวนกลับมารายงานว่าท่านพี่ท่านพี่พวกมันเอาหัวสมกันแล้วสุบซิธข้าได้ยินไม่ชัดจิตได้ไม่ค่อยถนัดแต่เห็นไอ้คนหนึ่งแต่งตัวเป็นนายทหารมันเอาห่อผ้าขาวขาวเป็นอะไรไม่รู้จากไอ้คนใช้ออกมามอบให้พสดีกับหัวหน้าผู้คุมบางทีในนั้นอาจเป็นเงินก็ได้นะข้าได้ยินหัวหน้าผู้คุมพูดว่าโปรดวางใจพวกเราเถิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะจัดการมันให้ได้ พอถึงตอนนั้นข้างในห้องก็ตะโกนขึ้นมาว่าเอา้าเซียวเอเออันน้ำแกงมาได้แล้วเฮ้ยเซียวเออรีบลนลานเข้าไปพอเข้าไปถึงก็เห็นพัสดีถือจดหมายอยู่ในมือเซียวเออยกซุปไปบริการแล้วก็ตามด้วยกับข้าวอีกสองสามอย่างคนเหล่านั้นจึงกินโต๊ะกันต่ออีกเกือบชั่วโมงหลังจากชําระเงินแล้วพัสดีกับหัวหน้าผู้คุมก็จากไปก่อน ส่วนชายลึกลับทั้งสองก็ค่อยๆลับๆ ล, ล่อๆตามออกไปบ้างไม่ช้าไม่นานหลิ้นชงก็กล้าเข้ามาในร้านอย่างไม่รู้อิโนอิเนะทักขึ้นว่าน้องลี่ขอให้ทํามาค้าขึ้นนะเสี่ยวเออกุลีกุ จ, จอแล้วว่าท่านภูมิพระคุณเชิญนั่งก่อนขอรับข้ากําลังจะรีบไปตามท่านอยู่พอดีเลยข้าต้องเรียนให้ท่านทราบเรื่องสําคัญมากเรื่องหนึ่งลิ้นชงถามด้วยความสงสัย อะไรหรือน้องลี่เซียวเออรีบพาเข้าไปในห้องในเชิญให้นั่งแล้วเล่าเรื่องที่ผ่านไปสดๆร้อนๆให้ฟังแล้วสรุปว่าข้าแองก็ไม่รู้หรอกว่าคนทั้งสองเป็นผู้ใดแต่ข้าไม่ไว้ใจพวกมันเลยท่านผู้มีพระคุณข้าเกรงว่ามันจะมาร้ายกับท่านนะสิลิ้นชงเ อ, อ่ยถามขึ้นว่าแล้วพวกมันรูปร่างท่าทางเป็นอย่างไรกันบ้างละ่ะ เสี่ยวเออเล่าให้ฟังว่าคนหนึ่งท่าทางล่ำสันสูงปานกลางผิวขาวกอนหนวดเขาเกลี้ยงเกลาอายุอนามราวสามสิบกว่ากว่าส่วนอีกคนหนึ่งไม่สูงนักผิวออกดาแดงลิ้นช่งได้ฟังก็ตกตะลึงอุทานออกมาว่าคนอายุสามสิบน่าจะเป็นไอผู้กองลู่เฉียนไอถอยหนี้กล้าดีนักตามมารังควานข่าถึงนี่ถ้าจับได้จะฟาดมาให้เลกไปเลย เสี่ยวเออเตือนว่าที่ข้าเรียนให้ท่านทราบนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือให้ท่านระมัดระวังตัวเองอย่างที่โบราณว่าเวลาเดินจะให้ลื่นเวลากลืนอย่าให้สําลักนั่นเองลิ้นชงออกจากร้านเสี่ยวเออมาด้วยความแค้นนั่นอุราท่ามกลางความอกสั่นขวัญแขวนของเสี่ยวเออกับเมียเขาแวะหาซื้อดาบคมเล่มหนึ่งที่ถนนพกซ่อนเอาไว้กับตัวแล้วออกเดินตามหาไปทั่วเมือง พอเช้าขึ้นมาลินชงตื่นล้างหน้าบ้วนปากแล้วหยิบมิดากออกตามลา่าค้นหาไปทั่วทุกถนนหนทางสางไปทุกตรอกซอกซอยทั้งในและนอกเมือง ท, อท่อมไปทั้งวันไม่เว้นแม้แต่กระทั่งในเรือนจำและค่ายทหารแต่ก็หามีอะไรกระตกกระตากไม่พอกลับไปถึงโรงเตี้ยมของเสี่ยวเออร์ก็พูดขึ้นว่าวันนี้ก็เลวอีกเสี่ยวเออพูดขึ้นว่าท่านผู้มีพระคุณขอรับ ขอให้มันเป็นเช่นนี้เถิดแต่อย่าเพิ่งลดกาดลงสิงก่อนลนะ่ะคืนนั้นหลินกลับไปนอนที่ศาลเจ้ารุ่งขึ้นเช้าก็าออกเดินหาอีกเป็นเช่นนี้อยู่สี่สาห้าวันกระทั่งความโกรธเริ่มบรรเทาเบาบ า, บางลงพ่อมาวันที่6พัสดีก็เรียกหลินชงเข้าไปหาในห้องทำการแล้วเอ่ยขึ้นว่าเจ้าอยู่ที่เรือนจาแห่งนี้มาก่อนนานโขแลเพื่อเห็นแก่ท่านชายใช้ เราจะเลื่อนตำแหน่งให้เจา้านอกประตูทางทิศตะวันออกไปราวสิบห้าลีมีโรงฟังทหารที่เก็บหญ้าม้าขนาดใหญ่อยู่หลังหนึ่งเจ้าสามารถชักเอาค่าทำเนียมจากรัศดรที่มาขอปันหญ้าแห้งได้ทุกเดือนตอนนี้มีทหารแกผู้หนึ่งดูแลอยู่แต่ข้าตกลงใจจะให้เจ้าไปทำแทนแล้วสลับให้ทหารผู้นั้นมาดูแลสารเจา้าที่โรงฟงังเจ้าจะได้หาเสษหาเลยได้บ้าง ข้าจะให้หัวหน้าผู้คุ้มไปทรงนะลิ้นชมงกล่าวว่าข้าน้อยขอน้อมรับดึกความยินดีขอรับว่าแล้วก็ออกจากค่ายไปแจ้งข่าวดีกับเสี่ยวเออและนางเมียที่โรงเตี้ยมวันนี้ท่านพัสดีเรียกข้าไปสั่งการให้ข้าไปดูแโลโรงฝังทหารนอกเมืองพวกเจ้าจะเห็นอย่างไรเสี่ยวเอตอตอบว่า รองฟังย่อมดีกว่างานที่สารเจ้าอยู่แล้วขอรับท่านสามารถชักค่าทำเนียมได้สบายสบายเลยตามปกติถ้าไม่จ่ายสินบาทค่าสินบนก็ไม่มีทางที่จะได้ไปดอกขอรับแมไม่เพียงแต่ไม่ทำร้ายแต่ยังปูนบำเหน็จให้ไปกินตำแหน่งดีๆเสียอีกข้าก็ไม่รู้ที่จะทำอย่างไรแล้วเซียวเอ้อว่าระแวงไปใยัยท่านผู้มีพระคุณตราบใดที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นการดีแล้ว แต่ว่าพระคุณท่านจะต้องไปอยู่เสียไกลเอาให้ข้าพอมีเวลาจะรีบไปเยี่ยมท่านให้ถึงที่ว่าแล้วเสี่ยวเออก็เชิญให้หลินชงดื่มฉลองกับตนอีกหลายจอกเพื่อให้เรื่องสั้นเข้าทั้งสองก็อำลากันหลินชงกลับไปยังศาลเจ้าเก็บข้าวเก็บของขัดดาเข้ากับเสเอลเอาทวนขึ้นมาถือแล้วออกเดินทางตรงไปยังโรงฟางพร้อมหัวหน้าผู้คุม วันนั้นเป็นวันในฤดูหนาวที่อากาศหนาวเหน็บท้องฟ้ามืดครึ้มเป็นสีเทาทั้งสองเดินฝ่าสายลมกันโชกแรงที่หอบห่าหิมะเข้ามาปะทะใบหน้าเนื่องจากถนนไปโรงฟางปราศจากซึ่งร้านเหล้าไม่นานนักทั้งสองก็เดินรวดเดียวถึงโรงฟางทหารแห่งนั้นมีกำแพงดินล้อมอยู่โดยรอบเจาะช่องขนาดใหญ่ติดประตูไว้สองบานพวกเขาช่วยกันผลักประตูก้าวเข้าไปในกำแพงรัว้ว ก็เห็นตึกแถวมุงฟางขนาดใหญ่หลังหนึ่งแบ่งซอยเอาไว้เก็บฟางสักเจ็ดแปดห้องเห็นจะได้ ร, รอบๆข้างล้วนเต็มไปด้วยฟันหญ้าแห้งตรงกลางลานมีเพิงหมาแหนเล็กๆมุงด้วยจากพอเข้าไปข้างในก็เห็นทหารแก่ผู้หนึ่งนอนขดตัวอยู่หน้าเต่าอ่างโลหัวหน้าผู้คุมแนะนำว่าท่านผู้นี้คือหลินชงท่านพัสดีสั่งให้พามาทาหน้าที่แทนลงุง ส่วนลุงก็ให้กลับไปดูแลสารเจ้าพร้อมกับข้าเพราะฉะ น, นั้นลุงจงมอบหมายหน้าที่การงานให้กับเขาให้แล้วเสร็จนะทหารแก่ผู้นั้นมอบกุญแจให้หลิมชงและพูดขึ้นว่าข้าวของที่อยู่ในโรงพัสดุนี้ล้วนตีตราทางการกำกับเอาไว้หมดแล้วส่วนฝ่นยาเหล่านี้ก็ขึ้นจานวนลงบัญชีเอาไว้จนสิ้น ว่าแล้วก็พาลิ้นชงออกไปตรวจนับจานวนหญ้าแต่ละฟ่อนแต่ละฟ่อนจนกระทั่งครบแล้วพากลับมาที่เพิงเจ้าตัวแยกไปจัดเก็บข้าวของพอจะไปก็พูดขึ้นว่าข้ามอบเตาอ่างโลกับถ้วยชามรัมใหเหล่านี้ให้ท่านนะลิ้นชงก็บอกว่าข้ากอดทิ้งของพวกนี้ไว้ที่ศาลเจ้าเช่นกันท่านลุงก็จงเอาไวใช้เถิดขอรับ ทหารเท่าชี้ไปที่ลูกน้ำเต้าแห้งที่แขวนไว้ข้างฝาแล้วบอกว่าถ้าจะออกไปหาซื้อเหล้าก็ตามถนนสายนี้ลงไปราวสองสามลีจะมีตลาดเล็กๆอยู่แห่งหนึ่งว่าพรางก็จากไปพร้อมกับหัวหน้าผู้คุมหันมาทางหลินชงอดีตครูทหารเอาห่อผ้ากับผ้าโพยวางลงบนเตียงแล้วสุดตัวลงนั่ง จัดแจงเติมไฟในเตาอั้งโลให้ลุกโครงขึ้นอีกเขาเห็นถ่านอยู่กระสอบหนึ่งที่มุมห้องก็เลือกหยิบเอามาเผื่อไว้สองสามก้อนมองสำรวจไป ร, บรอบๆเพิงพักมันเก่าคร่ำคร่าชำรุดสุดโสมนักแล้วยามต้องลมกันโชคก็ให้โยกแยกอยู่ไปมาถิ่นชงถามตัวเองว่ายจะรอดหนาวนี้ไปได้หรือเปล่าวะเนี่ยถ้าพายุหยุด เห็นทีจะต้องไปตามช่างก่ออิฐจากในเมืองมาซ่อมใหญ่กันสักทีหนึ่งแล้วถึงจะผิงใกล้ไฟแต่ลินชงก็ยังไม่หายหนาวนักรบเท่าผู้นั้นบอกว่ามีตลาดเล็กๆใต้นี้ลงไปสองสามลี้ทำไมกูไม่ออกไปซื้อเหล้ามาดื่มแก้หนาววะเนี่ยโอ้ยหนาวจะตายอยู่แล้ว คิดพลางก็เดินไปหยิบเงินจากห่อผ้าเอาลูกน้ำเต้าแห้งผูกปลายทวนปิดฝาเตาอ่างโลบเพื่อป้องกันลูกไฟกระเด็นหยิบหมวกสักหลาดปีกกว้างขึ้นมาใส่ถือพวงกุญแจแล้วพับประตูเพลิงตามหลังพอก้าวพ้นกำแพงด้านหน้าก็หันกลับมาลั่นประแจประตูใหญ่แล้วออกเดินมุ่งหน้าลงไปทางใต้ยามนี้เพิ่งจะตกายแ ก, แก่แต่ท้องฟ้ามืดมัวสลัวดังใกล้ค่าบนเส้นทางสายเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ใต้กองหิมะ บัตรนี้ดังจะดารดาษปูลาดด้วยเก็ดจกขาวโพนแลกไกลไปสิ้นจนสุดลูกหูลูกตาหลินชงย่ำเท้าไปข้างหน้าลมเหนือรุนหลังค่ำนี้หิมะช่างตกหนักเสียจริงๆพอเดินไปได้สักครึ่งลี้เมื่อมองไปข้างหน้าก็เห็นศาลเจ้าเก่าๆแห่งหนึ่งหลินชงยกมือขึ้นประนตจรดหน้าผากแล้วข้อมหัวอธิษฐานว่า ขอแทบพยาดาฟ้าดินได้โปรดเมตตาช่วยปกปักรักษาชีวิตลูกช้างให้พ้นพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดวันข้างหน้าลูกช้างจะกลับมาเผากระดาษเงินกระดาษทองเส้นสูงวงครีลิ้นชงออกเดินต่อไปตามทางมองออกไปเบื้องหน้าก็เห็นเป็นโรงเรือนกลุ่มหนึ่งซุกตัวอยู่ใต้ความเหน็บหนาวอดีตครูทหารแ 0,000 ื่นุดมองเพ่งฝ่าพายุหิมะที่ร่วงคราวลงมาเป็นสาย บ้านแต่ละหลังล้วนรายล้อมด้วยรั้วรอบขอบชิดที่บ้านหลังหนึ่งกลับมีไม้กวาดฝางหญ้าวางพิงไว้หน้าบ้านอันเป็นสัญลักษณ์ป่งบอกว่าเป็นโรงเตี้ยมลิ้นชงเดินตรงเข้าไปข้างในเจ้าของโรงเตี้ยมทักถามว่าเอา้าท่านมาจากที่ใดกันล่ะขอรับลิ้นชงตอบว่าจำน้ำเต้าลูกนี้ไม่ได้หรือไร ใช่คนนั้นมองไปที่น้ำเต้าแล้วก็พูดขึ้นว่าอ๋อน้ำเต้าโลกนี้เป็นของทหารพูดเท่าที่โร้งฟังนี่นะลินว่าถูกแล้วเจ้าของร้านพูดขึ้นอีกว่าถ้าเช่นนั้นท่านคงเป็นผูด้ดูแลมาอยู่ไหมละสิขอเชิญท่านนั่งได้เลยขอรับวันนี้อากาศหนาวไปหน่อยก่อนอื่นขอให้ข้าได้ต้อนรับท่านสักสองสามจอกก่อนเถอะ เจ้าของร้านยกเนื้อวัวหั่นเป็นแว่นๆจานหนึ่งกับเหล้าอุ่นๆอีกกระปุกหนึ่งออกมาเลี้ยงรับแล้วบอกหลินชงให้ช่วยตัวเองตามสบายหลินสั่งเนื้อมาเพิ่มดื่มไปหลายจอกแล้วเอาเหล้ากรอกน้ำเต้าลูกนั้นจนเต็มห่อเนื้ออีกสองจานทิ้งเศษเงินไว้บนโต๊ะผูกน้ำเต้าเข้าไว้ที่ปลายทวนแล้วเอาห่อเนื้อยัดใส่ไว้ในอกเสื้อแล้วพูดว่าขออภัยที่มารบกวนนะ แล้วก็ออกประตูรัว้วเดินฝ่าสายลมที่หอบเอาหิมะมาปะทะหน้าพอมาถึงตอนนี้ก็ตกกลางคืนแล้วหิมะยิ่งโปรยปลายลงมาหนักกว่าเก่าลินชงค่อยๆชักเท้าก้าวสวบสวบลงไปบนกองหิมะท่ามกลางพระพรายสายลมเหนือลินชงเร่งฝีเท้ากลับไปโรงฟางพอา่อไขกุญแจรัว้วแล้วก้าวเข้าไปข้างในลินชงก็ต้องร้องอุทานออกมาเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ย อันที่จริงเทพพ ย, ยดาทิพได้ตอบรับคำบนบานสารกล่าวสเสด็จลงมาปกปักรับษาชีวิตวีรชนคนดีอย่างลิ้นชงด้วยว่าพายุหิมะตกหนักเสีย จ, จนกระทั่งหลังคาเพลิงหมางแงนไม่อาจทาน้ำหนักไหวถล่มทับพับลงมาในที่สุดลิ้นชงคิดในใจว่ากูจะทำยังไงดีวะเนี่ยฮะยุ่งใหญ่แล้ว ริ้นชงรีบทิ้งทวนกับน้ำเต้าลงพื้นด้วยวิตกว่าถ่านไฟแดงๆจากเต่าอั้งโล่จะลุกลามกลายเป็นไม้โรงฟางไปทั้งหลังจึงรีบรือ้อฝาห้องเพิงหมาแงนให้เป็นช่องแล้วมุดเข้าไปได้ครึ่งตัวใช้มือคลาไปทั่วๆแต่ถ่านที่คุ้อยู่ในเต่า น, นั้นถูกหิมะกรบทับจนดับสนิทไปนานแล้วลินคืบมือสเปะสะปะไปบนเตียงกระทั่งคว้าได้ผ้าผุยก็ลากออกมา ลำตัวท่อนบนหลุดพรวหงายท้องออกสู่เวงฟ้าอันดำสนิทแห่งท้องนภ า, าอันมืดมิด อ, อนทากาลลิ้นชงครุ่นคิดว่าถ้าหาที่ก่อไฟไม่ได้กูจะทำยังไงดีวะเนี่ยฮะฉับพลันก็ให้หัวนึกไปถึงสารเจ้าโบราณที่ตนเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อตะกี้นี้ได้กูไปนอนค้างที่นั่นสักคืนดีกว่าเช้ามาค่อยขยับขยาย ว่าแล้วก็มวนผ้าห่มนวมยกทวนที่ผูกน้ําเต้าใส่เหล้าขึ้นคอนบ่าปิดประตูรั้วโรงฟางลั้นประแจแล้วก็ตรงไปยังศาลเจ้าเก่าพอเข้าไปได้ก็ลากก้อนหินใหญ่ที่เห็นอยู่มาขั้นบานประตูศาลเจ้าขัดเอาไว้กันลมหนาวแล้วเดินลึกเข้าไปด้านในก็เห็นด้านบนยกพื้นมีรูปสลักพูดภูผาสวมเกราะทองขนาดสองข้างด้วยยมบาลตนหนึ่งกับอสูรน้อยอีกตนหนึ่ง ที่มุมห้องด้านหนึ่งมีกระดาษเงินกระดาษทองกองสุมอยู่เต็มลิ้นชงตรวจตราดูในสารเจ้าจนทั่วก็ไม่เห็นคนดูแลหรือผู้ใดอาศัยอยู่เลยลินปลดลูกน้ำเต้าออกวางบนกองกระดาษแล้วพิงทวนไว้ข้างฝาครี่ผะหมนวมออกถอดหมวกสักหลาดปีกกว้างปัดิมะออกจากเสื้อผ้าถอดเสื้อคลุมยาวสีขาวซึ่งบัด น, นี้เปียกปอนไปกว่าครึ่งแล้วเอาไปผึ่งไว้ที่แท่นบูชาพร้อมหมวก ลินชงดึงพระห่มนวมขึ้นมาคลุมถึงสเสอเทเล่าจากขวดน้ำเต้าเข้าปากเป็นระยะๆะะะะขยอกเนื้อที่หิ้วมาดันเล่าที่บัดนี้เย็นยะเยือกผ่านลำคอลงไปทันใดนั้นพลันก็ได้ยินเสียงเปาปะแปรเปรีป้ยพระดังลั่นปุปปะอยู่ภายนอกอดีตครูทหารทะลึ่งลุกขึ้นยืนคมแนมองลอดออกไปตามช่องกำแพงก็เห็นโรงฝังกำลังตกอยู่ในกองเพลิง ส่งเสียงแตกประทุดังอยู่ปุปุป่ ป, ปะาลิ้นชงคว้าทวนขึ้นได้ก็คิดจะทะลันออกไปผจนไฟอยู่แล้วฉับพันก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเดินเข้าใกล้มาลิ้นชงรีบเข้าไปยืนประชิดประตูแล้วเงี่ยหูฟังได้ยินเสียงปีเท้าคนสามคนลุกลี้ลุกลนเดินตรงมาที่ศาลเจ้าคนเหล่านั้นพยายามผลักประตูให้เปิดแต่หินก้อนใหญ่ขวางไว้ ดันอย่างไรก็ไม่ออกจึงพากันเข้ามายืนหลบหิมะอยู่ใต้ชายคากันศาสตร์มองดูเปลวเพลิงเฉยอยู่ในที่สุดบุรุษหนึ่งในนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าเ้ย <c oughs> เป็นแผนการที่ไม่เลวเลยทีเดียวว่าไหมใช่อีกคนตอบว่าเราเป็นนี่ท่านพัสดีกับท่านหัวหน้าผู้คุมนักแล้วพ่อข้ากลับไปถึงเมืองหลวงและเรียนท่านจอมพลท่านใต้เท้ากราุณา คงจะต้องปูนบรรเลื่อนยศชั้นปนาการตำแหน่งใหญ่ให้พวกท่านยังไม่ต้องสงสัยเลยตอนนี้ครูทหารจ้างก็ไม่มีเหตุผลใดๆจะมาปฏิเสธได้อีกแล้วชายคนที่สามพูดขึ้นว่าเราจัด ก, การกับไอ้ลินชงได้แบบนี้คุณชายน้อยคงจะต้องฟื้นขึ้นได้แน่ใช่เราพยายามถาบถามมาก็หลายหนเสียงชายคนที่สองพูดถึงขนาดหลอกไอ้บัดซบจ้างว่าลูกเขยท่านตายแล้ว แต่มันก็ยังไม่ยอมอยู่ท่าเดียวอาการไข้ของคุณชายน้อยก็สุดหนักลงทุกวันทุกวันดังนั้นท่านจอมพลจึงสั่งการลงมาที่เราโดยตรงให้มาขอความช่วยเหลือจากท่านสุภาพบุรุษทั้งสองในที่สุดวันนี้เราก็สำเร็จตามเป้าประสงค์ลงจนได้แม่สักใจวะ่ะข้าเป็นคนปีนกำแพงแล้วจุดไฟใส่กองหญ้าเส้นไหลฟ่ฟอนอยากจะเห็นมันวิ่งหนีออกมานัก ตอนนี้โรงฟังก็ไหม้ไฟไปสิ้นแล้วถึงมันจะหนีรอดออกมาได้โทษเผาโรงฟังทหารก็ถึงขั้นประหารชีวิตอยู่ดีเรากลับเข้าเมืองกันดีกว่าไปคนหนึ่งในนั้นก็พูดขึ้นว่ารออีกสักหน่อยหนึ่งเถิดถ้าเราเอากระดูกสักสองสามชิ้นกลับไปเมืองหลวงท่านจอมพลกับคุณชายน้อยก็จะได้ชมว่าเราทำงานหมดจดตลอดรอดฟัง ลิ้นชงแอบฟังอยู่ก็จำเสียงชายทั้งสามได้ชายคนแรกสุดที่พูดคือหัวหน้าผู้คุมคนต่อมาเป็นผู้กองลู่เฉียนส่วนคนที่สามคือผู้อันนั่นเองลิ้นชงคิดในใจว่าแม่สวรรโปรดแท้ๆนี่ถ้าเพิงหมางแงนไม่พังลงมาซะก่อนเราคงถูกไอ้ทรชนเหล่านี้จับย่างสดเป็นแม่นมัน ลินชงค่อยๆเอาเท้าเขี่ยหินขวางประตูออกกระชับทวนมั่นอยู่ในมือแล้วดันประตูพั่วออกเฮ้ย ไ, ไอพวกอับรีพวกมึงคิดจะหนีไปไหนฮะคนทั้งสามกำลังจะไปอยู่แล้วพ่อหันมาเห็นก็ตกตะลึงพลึงเพลิดก้าวขาไม่ออกหลิมนเหยียดแขนออกไปเสือกทวนแทงใส่หัวหน้าผู้คุมล้มลงไปกองอยู่กับพื้น ผู้กองลู่ร้องลำตัวอ่อนระทวยด้วยสยองเฮ้ยไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดผู้อ่านวิ่งหนีไปได้สองสามก้าวลิ้นชงไล่ทันกระซวกทวนทีเดียวทะลุหลังผู้อันก็ล้มตามลงไปอีกคนหลิ้นชงหันกลับมาพอดีกับที่ผู้กองลูกกาลังจะเพ่นหัวหน้าองคลักษ์คุมบ้านจอมพลเก่าวิ่งหนียังไม่ทันครบทสาก้าวด้วยซ้ําหลิ้นชงก็ตะโกนขึ้นว่าหยุดนะไอ้เพื่อนทรยศ์ ฮ hey, hey, มึงจะหนีไปไหนแล้วคว้าชายเสื้อคุมยาวของ ล, <Spin. S 1> องลูกกระตุกทีเดียวลูกก็หงายหลังลงไปนอนกองอยู่บนพื้นหิมะลิ้นชงจิ้มด้ามทวนปักกองหิมะพักเอาไว้เอาตี๋นข้างหนึ่งเหยียบออกผู้กองลูก <rebuild> ชักด <pection> าบออกจากปักแล้วชี้ไปที่หน้าชายที่นอนอยู่ก <anlam> ับพื้นลิ้นชงขบเคี้ยวเขี้ยวฟันเฮ้ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆึๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ที่เขาว่าข้านั้นพออภัยแต่ไม่ใช่ใจจิตคิดช่อฉนนี่มันจริงแท้แน่นักหนอลูกอ่อนวอนว่าไม่ใช่ความคิดข้าดอกท่านจอมพลสั่งมาข้าไม่กล้าปฏิเสธลิ้นชงร้องว่าไอ้คนขดกูหรือเคยเป็นเพื่อนเล่นกับมึงมาแต่เด็กแต่วันนี้มึงหวนกลับมาทำร้ายกูมึงจะแก้ตัวอย่างไรฮะลองชิมดาบเล่มนี้ดูก่อนก็แล้วกันเอา้า หลินชงเอาดาวแหวกอกเสื้อผู้กองลู่ออกเสือกไปทีเดียวทะลุหัวใจแล้วออกแรงบิดเลือดสดสดพุ่งกระฉูดไหลทะลักไปทั่วพื้นหิมะแล้วหลินชงก็ยื่นมือลงไปล้วงเอาหัวใจกับตับออกมาเห็นดังนั้นหัวหน้าผู้คุมที่ยังไม่ตายก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นจะวิ่งหนีหลินเรียบตะครุบตัวเอาไว้แล้วว่าตอนนี้กูรู้เช่นเห็นชาติไอ้ไวร้ายอย่างมึงหมดสิ้นแล้วเอานี่ไปกินซะ ว่าแล้วก็ตวัดตัดหัวหัวหน้าผู้คุมออกด้วยดาบแล้วเอามาเสียบไว้ที่ปลายทวนต่อมาหลินชงย้อนกลับไปตัดหัวฟู่อันกับลู่เฉียนเก็บดาบเข้าฝักเอาผมคนทั้งสมผูกติดกันแล้วก็หิ้วหัวทั้งสาเข้าไปในศาลเจ้าวางเส้นเอาไว้ให้เห็นที่หน้าแท่นบูชารูปปัน้นพูดภูผาหยิบเสื้อคลุมของตนขึ้นมาใส่ผูกผ้าคาดเอวสวมหมวกสักหาดปีกกว้างบนศีรษะแล้วตบท่ายด้วยเล่าที่เย็นชืดในน้ำเต้าจนหยดสุดท้าย ลินชงเวียงพะหมนวมและน้ำเต้าเปล่าทิ้งกระทับทวนแล้วก้าวออกจากสารเจ้าร้างมุ่งหน้าไปทางตะวันออกพอเดินมาได้สักษี่ห้าลี้ก็เห็นชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้ๆ ก, กลุ่มหนึ่งหอบยิ้วถังน้ำถือคราบตีไฟพากันตรงไปยังต้นเพลิงลิ้นชงร้องบอกว่าโอ้รีบเข้ารีบเข้าให้ช่วยกันดับไฟก่อนข้าจะรีบไปรงานเจ้าหน้าที่ว่าแล้วก็ถือทวนถไป ยามนั้นหิมะยิ่งตกหนักขึ้นไปใหญ่หลินชงรีบเร่งไปทางทิศตะวันออกห่างโรงฟางสักสองชั่วยามได้ระยะทางมาไกลโขตัวสั่นเทาอยู่ในความเหน็บหนาวพอมองข้ามทุ่งหิมะขาวออกไปก็เห็นกระตับเล็กๆหลังหนึ่งซุกตัวอยู่ในหมู่ไม้ใบร่วงกรนที่ขึ้นอยู่ร่มแหลมจากน้ำหนักหิมะหลังคามุงฟางแอนเป็นท้องช้างแสงไฟริบเรีลอดออกจากรอยแตกที่ฝาบ้านลิ้นชงพระประตูเข้าไป บ่าวไวชาราคนหนึ่งกับชายชั ก, กันอีกสี่ห้าคนนั่งขดอยู่รอบๆกองไฟที่กำลังติดกิ่งไม้อยู่โชดช่วงลิ้นชงก็เดินตรงเข้าไปหาแล้วเอ่ยว่าพอนอมคารวะข้ามาในราชการเรือนจำทหารที่มะเปียกเสื้อผ้าหมดใครจะขอผิงไฟไล่หนาวสักหน่อยหากพวกท่านจะการุณนหะ์ชายชาราพูดขึ้นว่าเอาเลยเอาเลย เราไม่ถือดอกลิ้นเอาผ้าเปียกอิงไฟจึงกระทั่งแห้งไปบางส่วนฉับพลันก็สังเกตเห็นหายขนาดใหญ่ใบหนึ่งตั้งอัางไฟอยู่ข้างเตากลิ่นไอที่อิงไฟและเหยกลิ่นเหล้าลอยขึ้นจากปากหายยั่วใจนักแล้วพูดขึ้นว่าข้ามีเงินติดตัวมาหน่อยหนึ่งหวานท่านเจียบเหล้าแบ่งให้ข้าสักนิดหนึ่งจะได้ไหม ชายชราพูดขึ้นว่าเฮ้เราแผลตเวงกันมาเป็นยามนอนเฝ้ายุ้งฉางอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็ใกล้ยามสีเข้าไปแล้วข้างนอกนั้นหนาวนักลําพังพวกเราเราก็ยังแทบจะไม่พอจะกินอยู่แล้วเฮตุ hey, ฉันไหนจะต้องไปแบ่งให้ท่านใดอีกลืมเสียเถิดเฮ้ hey, <Hey. S 2> <Hey. S 1> แบ่งเหล้ามาโถแบ่งเมียจะดีกว่า <c oughs> ลิ้นชงว่าเคน่า <c oughs> ขอแก้หนาสักสองสามจอกเองชายชราว่าไอ้อย่าได้ต่อแยข้าบอกไปแล้วว่าไม่ให้กลิ่นกลุ่นของเหล้ายั่วใจหลิ้นชงจนน้ำลายสอจึงเซาสีต่อไปอีกว่ามันช่วยไม่ได้นะพวกท่านต้องแบ่งให้ข้าบ้างพวกชาวบ้านฟังอยู่ทั้งหมดก็สุดจะกลั้นท่านก็หันมาเอาเรื่องไอ้พวกเราหรือก็ใจดี ปล่อยให้เองเขามาตากผ้าผิงไฟก็ยังไม่พอกลับอยากเล่าของพวกเราเข้าไปอีกเร็วๆ ร, รีบไปซะมิเช่นนั้นเราจะจับมัดลิ้นชงได้ฟังดังนั้นก็โกรธเฮ้ยไอ้บัดซบพ่อคําด่าหลุดปากมือก็ตบด้ามทวนงัดใบทวนดีด่านไฟใส่หน้าชายผู้สูงอายุ อ, ย อ, อีกมือหนึ่งที่ว่างก็กระแทกด้ามทวนที่ถูกดีดและหมุนคว้างไปข้างหน้าเคี้ยวใส่กองไฟอีกคราหนึ่งคราวนี้กองไฟได้ด้ามทวนที่ดีดใส่ ลูกไฟก็ฟุ้งกระจายไปทั่วเปลวไฟลามไปติดเขาของเท่าผู้นั้นทุกคนสะดุ้งสะเดิดหนีไฟหลินชงอาดัมทวนหวดใส่พวกชาวนาเหล่านั้นจนล้มลุกคลุกคลานแต่เท่ารีบเตลิดส่วนคนอื่นๆกลับตะลึงพึงเพลิดนิ่งขึงอยู่กับที่หลินชงจึงเอาปลายทวนยางใส่ไล่จนหนีกันไปสิน้นหลินชงบอกกับตัวเองว่าหดแล้วคราวนี้เราจะได้กินเหล้าให้สบายอุราเสียที บนเตียงดินเหนียวมีกระบวยททำด้วยกระลาสองใบวางอยู่หลินชงหยิบขึ้นมาเสกหนึ่งจ้วงลงไปในไหตักเหล้าขึ้นมาดื่มไม่ช้าก็หมดไปกว่าครึ่งหลินชงแบกหอกออกเดินโซซัดโซเซจากกระท่อมหลังนั้นไปพอตุปัตตุเปไปได้เกือบลี้ลมหอบหนึ่งก็ตีหลินชงหน้าขม ำ, ำลงไปนอนคว่ำข้างห้วยลึกสายหนึ่งลินชงพยายามลุกขึ้นแต่ก็ไร้ผลดังโบราณว่า ลองคนเมาได้ล้มก็จะหวังว่าจะได้ลุกด้วยเหตุนั้นหลินชงจึงนอนแผ่หลาไร้สติอยู่กลางดงหิมะนั่นเองข้างฝ่ายบ่าวไพร่กลุ่มนั้นวิ่งกลับไปรวบรวมไพร่พลมาได้ยี่สิบกว่าคนต่างถือมีดถือไม้แห่กันไปที่กระท่อมหลังนั้นแต่หลินชงไม่อยู่เสียแล้วคนเหล่านั้นช่วยกันแกะรอยตามไปในดงหิมะก็เห็นหลินชงนอนหมดสติอยู่กับพื้นทิ้งทวนอยู่ข้างตัวพวกเขาร้องขึ้นว่า เฮ้ยมันอยู่นี่เองมาดูสิแล้วมันอยู่นี่ว่าแล้วก็จับครูทหารมัดเอาไว้จนแน่นหนาตอนที่หลินชงถูกขามออกไปยังคฤหาสน์เวลาก็ล่วงไปถึงยามห้าแล้วแต่ก็เป็นเพราะหลินชงที่ได้ไปที่คฤหาสน์หลังนั้นนั่นเองเรือแพนับหมื่นนับพันจึงพากันคลีบใบออกสู้ศึกในทะเลสาบวีรชนคนกล้านับร้อยต้องมาต่อแถวที่ป้อมค่ายกลางป่าทามจัดขบวนทัพรุกรับกันไปทั้งซ้ายทั้งขวา ได้ฟังเรื่องสุดจะเยี่ยมโหดอมหิทธโศกนรตรกรรมและเรื่องสังหารผลาญชีวิตก็ให้เสียวแปลกหัวใจอย่าเยียดเข้าไปถึงไขกระดูกและพวกบ่าวไพร่แบกลิ้นชงไปไหนฟังบทต่อไปหากใครรู้ครับก็มีเชิงอัดนิดหน่อยนะครับการดื่มเหล้าแบบพิธีการในจีนนะครับ เขาจะรินใส่จอกเล็กๆคะเนกครึ่งเป๊กบ้านเราแล้วยกดื่มรวดเดียวให้หมดในการเชิญแขกดื่มเจ้าภาพจะกล่าวคำว่ากั้นเปยครับกั้นเปยนี่นะอําเคยได้ยินนะครับสมัยก่อนก็นะอําก็เคยอยู่ในวงเล่านะครับก็เป็นสิ่งไม่ดีนะครับพี่น้องแต่ว่ามันเป็นัวรุ่นนะครับที่ไปนั่งกินกับผู้ใหญ่เวลาเขาเรินเหล้าให้เราแล้วนะครับเขาจะบอกว่าเอาเลยเอาเลย กันเปยกันเปยนะไอ้เราก็ไม่รู้ว่ากันเปยไปเพราะอะไรนะครับก็มาเข้าใจวันนี้นี่เองนะครับกันเปยนะครับก็ก็แปลว่าหมดจอกหรือความจอกนั่นเองพอกันเปยแล้วทั้งแขกทั้งเจ้าภาพจะต้องเอียงจอกมาข้างหน้าให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นก้นจอกว่าหมดจริงๆนะครับสองกัง ร้อยแปดวิรบรุษแห่งเขาเรียงซานตอนที่สิบเอ็ดจู่กุยปล่อยธนูสัญญาณจากสาลาริมน้ำหลินชงขึ้นเขาเลรียงซานในคืนหิมะตกในคืนนั้นหลินชงหัวเสือดำเมาจนครองสติไม่อยู่ล้มพับลับอยู่กลางดงหิมะโอ้อนนาดหนาวีรชนคนกล้าทูกคนเขาจับเอาเชือกมัดแบกถูกลูกถู ก, กลางตรงไปยังคลืนหดหลังหนึ่ง บ่าวคนหนึ่งพูดให้ได้ยินเข้าหูว่านายท่านยังหลับอยู่เราจับมันแผวนไว้กับคือปากทางเข้าปราสาทก่อนจะดีกว่าพอสว่างหลินชงก็งวงเงียลืมตามองออกไปรอ บ, รอบๆก็เห็นครึงห่ายเป็นปราสาทใหญ่หลังหนึ่งตั้งอยู่ต่อหน้าดูแปลกตายิ่งนักลินชงแค่นเสียงว่าเฮ้ยใครบังอาจเอากูมาแขวนไว้ที่นี่วะเนี่ยฮะ พวกบ่าวไพร่าพากันถือกระบองก้าวออกจากประตูรั้วแล้วว่าโอ้โหมึงยังมีน้ำหน้ามาบนอีกหรือเนี่ยฮะแต่เท่าที่ถูกไฟไหม้คราวก็พูดขึ้นว่าห <c oughs> ยัดเสียเวลาไปเสียวนากับมันเลยนวดให้น้ำใจก่อนพ่อนายตื่นแล้วค่อยสอบถามเอาความทีหลังก็ยังได้แม่กูยังแคนไม่หายนวดกูหมดเลยมันเอาไฟเผาหมดเฮ้ บ่าวไพราพากันกรูเข้ารุมล้อมไม้ไร่ในมือมีอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็กระนำใส่ร่างที่แกว่งไปไกวมาตามแรงตีหลิ้นชงจะเล้นอย่างไรอย่างไรเชือกที่มัดไว้ก็ไม่หลุดจึงได้แต่แข็งใจตะโกนออกไปว่าเอา้าตีเข้าไปเลยตีได้เท่าไรตีเข้าไปเลยแล้วพวกมึงจะต้องเสียใจในภายหลัง <c oughs> บ่าวอีกคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาบอกว่านายมา ลิ้นชงมองออกไปด้วยสติที่กำลังเลื่อนรางเต็มทนก็เห็นบุรุษหนึ่งแลไปล้ายขุนนางชั้นผู้ใหญ่สองมือไพ่หลังโ p ้นจากตัวตึกเดินดุ่มๆลงมาตามซุ้มทางเดินชายผู้นั้นตะโกนขึ้นว่าเอา้าเฮ้ยพวกเจ้าทุบตีไครอยู่หรือพวกบ่าวไพ่ารายงานว่าอ๋อเมื่อคืนนี้เริ่มจับไอ้โจรขโมยข้าได้ขอรับ ผู้หลุดผู้นั้นเดินเข้าไปพิจารณาดูใกล้ๆก็จําอดีตครูทหารได้จึงรีบสั่งบ่าไพร่ให้หยุดทุกตีแล้วแก้มัดลิ้นชงลงมาเขาถามหลิ้นชงว่าท่านมาถูกมัดอยู่เยี่ยงนี้ได้เช่นไรฮะท่านอาจารย์ลิ้นพอได้ยินเช่นนั้นพวกบ่าไพรก็ค่อยๆพากันเร้นกายหนีหายไปจนหมดสิน้นผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าลิ้นชงหาใช่ใครอื่นไม่นอกจากท่านชายใช้จิ้มนั่นเอง หลิ้นชงพอเห็นเข้าก็โอดกระว่าวว่าช่วยข้าน้อยด้วยท่านใต้เท้าใช้จิ้นบ่นว่าชั้นไหนพวกชาวบ้านร้านถินเหล่านี้จึงได้กล้าละลาบละล้วงกระทำหยามมินท่านให้ได้อายถึงเพียงนี้วะเนี่ยฮะลิ้นชงวา่าเรื่องมันยาวขอรับคนทั้งสองเดินกลับไปในเครือหาดนั่งลงหลินชงก็เล่าถึงภัยที่ตนได้ไปประจนมาโดยละเอียด ย้อนหลังไปตั้งแต่ตอนที่โรงฟางถูกเผาใช่จินว่าแม่พี่ท่านช่างเคราะซ้ำกรรมซัดเสียจริงๆแต่ที่เราได้มาพบกันในวันนี้ก็นับว่าเป็นเพราะสวรรค์ท่านดนปราณีโดยแท้ท่านอย่าได้วิตกไปเลยนี่คือพระสาทตะ ว, วันออกของข้าอยู่ที่นี่สักพักไว้วันหน้าแล้วค่อยคิดหาทางยาขยับขยายกันนะว่าพรางก็หันไปสั่งบา่าวไพร่ให้เอาเสื้อสำรับใหม่ออกมา พอลินชง n g ผัดเสื้อผ้าเสร็จใช้จิ้นก็เชิญเข้าไปนั่งในห้องผิงไฟดื่มกินกันไปอยู่ในนั้นลิ้นอาศัยอยู่ในครืหาตต่ออีกห7เจ็วันเรื่องนั้นเราจะไม่เล่าถึงอีกนะครับหันมาว่ากันถึงเรื่องเมืองกังโจดีกว่าพัสดีนำเรื่องลิ้นชงขึ้นร้องต่อข้าหลวงสัตว่าลินชงข้า่าหัวหน้าผู้คุมผู้กองลู่เฉียนและฟู่อัน รวมทั้งเผาโรงฟางของกองทัพพอได้สดับเช่นนั้นข้าหลวงเมืองกังโจก็ให้ตกใจรีบสั่งพนัก ง, งานให้เขียนใบบอกแล้วให้ตำรวจนำออกไปติดประกาศไว้ทั่วแห่งหนทุกตำบลหมู่บ้านทั้งในหัวเมืองตามโรงแรมร้านค้าและย่านตลาดทั้งหลายทั้งสิน้นใบประกาศระบุรูปประพันธ์สันฐานของตัวอาชญากรเสนอสินบนนาจับถึงันพวงอีแปะ การไล่ล่าที่เร่งร้อนเราจะพลิกฟ้าคว่มแผ่นดินเช่นนี้สร้างความโกลหนโกลหลมานไปทั่วทุกถิ่นที่ทุกชุมชนลิ้นชงหลบอยู่ในเครึ่งหาดตะวันออกพอรู้ข่าวก็อยู่ไม่เป็นสุขรู้สึกดังต้องเข็มสักพันเล่มจึงออกปากกับชายจินว่าใต้เทา้าปลอดจะได้ซ่อนข้าเอาไว้ในปราสาทต่อไปอีกเลยพวกมันคงจะออกค้นหาทั่วทุกตรอกซอกซอยหากพวกมันมาเจอข้าที่นี่ย่ำไม่เป็นการดี ท่านจะพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยขอให้ข้าได้พึ่งพาความเมตตาปรานีและคุณธรรมน้ำมิตรของท่านอีกสักครั้งขอยืมเงินเดินทางไปหาที่กบดานแหล่งใหม่หากยังมีชีวิตอยู่ได้ก็ขอกตันยูรู้คุณใต้เท้าสื่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอรับใช่จิ้นว่าหากท่านพี่ยืนครานจะไปให้ได้ข้าก็มีข้อเสนอและจะทาหนังสือแนะนาให้ท่านจะเห็นว่ากระไรลิ้นชงว่า ้ต้เท้าช่างกรุณานักแห่งใดที่ไหนหรือขอรับใช้จิ้นว่าสถานที่แห่งนั้นคือเขาเหลืองซานอันเป็นตำบลชายน้ำอยู่ในสังกัดจังหวัดจีโจมณฑลสารตุงเขาแห่งนี้วัดโดยรอบได้แปดร้อยลี้เป็นป้อมค่ายชายน้ำขนาดใหญ่รายล้อมไปด้วยที่ลมปลักตมคู่หนองคลองบึงปากกกดงอ้ออันกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาเป็นสถานที่ลี้ลับซับซ้อน ซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลหมอกช่วนาตาปีไร้ผู้คนอาศัยอยู่ผู้กล้าสามคนล่วงหน้าไปปักหลักอยู่ก่อนแล้วคนแรกคือวังหลุนฉายาบัณฑิตชุดขาวคนที่สองคือตู้เฉียนฉายาผู้สูงเทียมฟ้าและคนที่สามชื่อทรงหวานฉายาเทพพิทัก์เมฆาสร้างสุ่ผู้คนได้สักเจ็ดแปดร้อยคนคอยออกปล้นสะดมอยู่เป็นนิด ผู้ใดทาผิดต้องอายาแผ่นดินหนักมักหนีไปที่นั่นฆ่าสนิทกับคนทั้งสามเรามีหนังสือถึงกันอยู่หนึ่งเนื่อ ง, องสมมติว่าข้าเขียนหนังสือแนะนำท่านจะเห็นว่าอะไรลิ้นชงว่าท่านชายว่าดีข้าก็เห็นว่าดีตามถ้าว่างามข้าก็ชอบว่างามตามไปด้วยข้าไปนี่บุญคุณท่านใต้เท้านักแล้วใช้จิ้นว่าแต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือ ประกาศจับท่านกระจายไปทั่วทั้งกังโจแล้วแถมในทหารสองคนก็คอยเฝ้าสำรวจตรวจตราผู้คนที่เข้าออกประตูเมืองซึ่งท่านต้องผ่านไปทางนั้นพอดีใช้จิ้นข้อมัวครุ่นคิดอยู่นานพลันก็เงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าฮ่าฮ่าฮ่าข้าคิดออกแล้วข้าจะคุ้มกันท่านไปเองลิ้นชงออกปากว่าพระคุณท่านครั้งนี้ไม่มีวันลืมได้ ใช่จิ้นส่งบ่าวไพร่ล่วงหน้าไปพร้อมกับสัมภาระของหลินชงเสร็จแล้วก็รวบรวมมา้าราวยี่สิบสามสิบม้าติดคันธนูกับลูกศรพาเหี่วกับหม้าเข้าร่วมขบวนทำทีจะเข้าป่าล่าสัตว์โดยให้หลินชงนั่งม้าปะปนมาด้วยในทหารเฝ้าประตูเมืองทั้งสองเคยไปมาหาสู่ครื่องหัดใช้จิ้นก่อนที่จะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาตรวจตราประตูเมืองจึงรู้จักมักคุ้นเชื้อพระวงหนุ่มผู้นี้เป็นอย่างดี พอขบวน ล, ล่าสัตว์มาถึงในทหารทั้งสองที่นั่งอยู่บนกำแพงเมืองก็ยืนขึ้นร้องทักออกไปว่าเอา้าท่านใต้เท้าออกไปล่าสัตว์หรือขอรพบใช้จิน้นรีบลงจากมา้าด้วยมารยาทแล้วว่าท่านคุณทหารทั้งสองมาทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะฮะทหารทั้งสองตอบว่าออก็มายจับอาียากรหลินชงติดประกาศไปทั่วทั้งเมือง ท่านเจ้าเมืองจึงสั่งให้เราสองคนมาซักถามคนทุกคนที่ผ่านเข้าออกประตูนี้ขอรับใช้จินพูดขึ้นว่าข้าก็มีลิ้นชงอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยผู้หนึ่งใช้จิ้นพูดแล้วยิ้มพวกท่านดูไม่รู้จักหน้าตาเขาดอกหรือในทาหารทั้งสองพลันหัวเราะกันฮือๆใต้เท้าย่อมรู้จักตัวบทกฎหมายดีท่านคงไม่เต็มใจพาเขาหนีไปเป็นแน่เชิญขึ้นมาเถิดขอรับ ใช้จิ้นยิ้มแล้วว่าพวกท่านเชื่อใจข้าขนาดนี้เชียวหรือถ้าเช่นนั้นหากเที่ยวนี้พวกเราได้เยือติดมือกลับมาแล้วก็จะแบ่งให้ท่านทั้งสองบ้างว่าพรางก็อำลาในทหารทั้งสองขึ้นมา้าแล้วขบวนล่าสัตว์ก็เหาะม้าผ่านหน้าประตูเมืองออกไปไทั้งหมดควบ ม, ม้าไปได้ราวสิบห้าลี้พวกบ่าวก็มาดักรออยู่ก่อนแล้วที่ข้างถนนใช้จิ้นบอกลินชงให้ลงมา้าผลัดชุดล่าสัตว์ออก เปลี่ยนมนุ่งชุดตามปกติอย่างที่บ่าวขนมาให้ขัดดาบเข้ากับเอลสวมหมวกสกรารดติดผู้แดงบนกระหม่อมเวียงห่อผ้าขึ้นหลังกระชับง้าเข้ากับมือกล่าวอัมลาใช้จิ้นอย่างนอบน้อมแล้วออกเดินไปตามถนนใช้จิ้นกับคนเหล่านั้นก็พากันขึ้นมา้าแล้วเข้าป่าล่าสัตว์จู่กระทั่งได้เวลาเย็นพอย่ำค่ำก็กลับผ่านประตูเมืองเอาสัตว์ทิล่ามาได้แบ่งให้หนายทหารทั้งสองแล้วก็กลับไปยังคฤหาด เราจะไม่พูดเรื่องนี้อีกนะครับหลินชงเดินทางพัอีกสิบกว่าวันจนกระทั่งใกล้ค่ำวันหนึ่งเมฆหนาในหน้าหนาวก็ก่อตัวขึ้นสายลมเริ่มกันโชคโบกสะบัดพัทธิมะเปล็ดขาวพราวฟ้าล่อนกราวลงมาเกลื่อนดิน มองดูเหมือนผ้าห่มนวมสีขาวห่วมคลุมไปทั่วทั้งอนาบริเวณท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาลไกลจนสุดลูกหูลูกตาเท่าที่คนเดินทางจะแลไปได้หลินชงยังคงมุ่งหน้าไปทั้งทั้งที่อากาศเหน็บหนาวร้าวถึงกระดูกพ่อโพเพ้ก็เห็นร้านเหล้าตั้งอยู่แต่ไกลมกตัวหยุดชิดติดทะเลสาบใหญ่โรงเตี๊ยมแห่งนั้นถูกหิมะกลบเสียเกือบมิดลินชงเรียบดิ่งตรงเข้าไปหา พอถึงก็เลือกเสื้อกกที่ปิดประตูขึ้นสวนไออุ่นในร้านเข้าไปในห้องรีบหุบเสื้อตามหลังตบเกล็ดหิมะออกจากเสื้อผ้ามองไปรอบๆก็เห็นโต๊ะเป็นจำนวนมากพอเลือกได้ที่ก็นั่งลงเอาง้าพิงฝาปลดห่อผ้าเอาหมวกกับดาบแขวนไว้แล้วเสี่ยวเออก็ก้าเข้ามาถามจะรับสุราเท่าไหร่หรือขอรับลิ้มชงตอบว่าเอามาสองธนนานก่อนนะ เสี่ยวเออก็ใช้กระบวย y จ้วงเหล้าขึ้นจากถังไม้สองตวงนำมากรอบใส่กระปุกแล้วยกขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะลิงชงพูดขึ้นอีกว่ามีอะไรแกล้มเหล้าหรือเปล่าล่ะเสี่ยวเออตอบว่าอ๋อเรามีเนื้อวัวทั้งดิบทั้งสุกหา่านอ้วนๆแล้วก็ไก่ทอดกรอบขอรับลิงชงสั่งว่าแล่เนื้อวัวสุกมาให้ข้าสองช่างนะไม่ช้าคนรับใช้ก็กลับมาพร้อมเนื้อสุกหอมกรุ่น ผัดผักอีกสองสามอย่างรวมทั้งชามใบใหญ่เอามาใส่เหล้าพ่อลิ้นชงกินเหล้าเข้าไปได้สองสามชามก็สังเกตเห็นบุรุษผู้หนึ่งเดินไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูเมื่อมองออกไปดูเกรติมะที่กำลังพร่างพูอยู่ภายนอกชายผู้นั้นถามคนรับใช้ว่าคนที่กำลังดื่มเหล้าผู้นั้นเป็นใครกันฮะเจียวเออบุรุษนั้นใส่หมวกกันหนาว ปล่อยกระบางยาวลงมาคลุมไหล่สวมเสื้อคลุมขนสัตว์ตัดจากหนังนาคบกใส่รองเท้าหุ้มข้อหนังกวางตัวสูงใหญ่กำยำล่ำสันใบหน้าท่าทางทรงภูมิโหนกแก้มนูนเด่นชัดเช่นสันมัดไว้หนวดกับคราวแพะและก็ยังคงมือมองหิมะดื่มดำอยู่ในพวังลินชงเรียกเสี่ยวเออมารินเล่าแล้วเชิญชวนว่าดื่มกับข้าสักชามสิเสี่ยวเออก็นั่งลงดื่มเป็นเพื่อน ลิ้นชงถามเซียวเออว่าจากที่นี่ถึงเขาเหลียนซานยังอีกไกลแค่ไหนล่ะฮะเซียวเออเซียวเออว่าอ๋อไม่กี่ลี้ดอกครับแต่ถ้าว่าทางไปจะมีแต่น้ำน่ะสิท่านต้องข้ามเรือจึงจะได้ลิ้นชงว่าถ้าเช่นนั้นช่วยหาเรือให้ข้าสักลาสิออฮ้ยข้าจะไปหาเรือในคืนหิมะตกแบบนี้ได้จากที่ไหนล่ะฮะลิ้นชงขยันขยอว่า เออนาไปหาเรือเจ้าไปส่งข้าแล้วข้าจะให้รางวัลอย่างงามอตอนนี้ไม่มีที่ไหนมีเรือดอกครับโอ้หนอสถานการณ์ในยามนี้ช่างสุดแสนจะดีเสียนี่กระไรลิ้นชงคิดประชดให้สุดแสนรันทดเกินจะสะกดใจอยู่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นถึงครูทหารกระเกียดเกรียงไกรเป็นที่โจดขานกันไปทั้งในเมืองหลวง ยามจะกินก็ได้กินยามจะดื่มก็ได้ดื่มนึกจะไปไหนมาไหนก็ได้ไปทุกย่านร้านถิ่นไม่คิดเลยว่าไอ้ไวร้ายเกากิวจะทำเอากูตกอับได้ถึงเพียงนี้หน้ากูก็ถูกเขาสักไม่นหัซ้ำหัวกูก็ถูกเขาในรเทศเชิดส่งไอ้ครั้งจะกลับไปบ้านก็คงไม่ได้จะคิดไปที่ไดก็ไม่ตลอดรอดฟัง ชีวิตเราตอนนี้ช้ำแสนโดดเดี่ยวเดียวดายอ้ามบ้ามเสียหนี้ไกรเนอะพ่อเมาหมายได้ที่ก็สั่งเซียวเออร์ให้ไปหาหมึกกับผู้กันมาด้วยความหดหู่สิ้นหวังหลินชงก็ลังระบายใส่ข้างฝ า, ฝาเป็นสโลกความว่าอันตัวกูไซลินชงนักสู้ผู้กล้าพักดีเหนือฟ้าครอบแหลงล่าปัตพีชื่อเสียงกึกก้องเกรียงไกร ผู้คนเลื่อมใสแซ่สองถึงน้ำป่าจะถอนรากถึงพายุจะกระชากปิดปิวแต่หากลมหายใจยังมีกูจะต้องกอบสักกู้สีได้ดีขึ้นอีกหนนลิ้นชงโยนผู้กันลงยกชามเหล้าขึ้นดื่มชายคนใส่เสื้อขนสัตว์ก็ปรีเข้ามาหยุดผ้าคาดเอวเอาไว้มัน่นแล้วก็ร้องขึ้นว่าเฮ้ย คนคนนี้มาไกลถึงที่นี่ช่างกล้าดีนะที่กังโจตัวก็ต้องอาชญาโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตทางการตั้งข้าหัวให้ถึงสามพันพงวิแปะแล้วนี่ยังจะมีอะไรจะพูดอีกไหมฮะลิ้นชงว่าเจ้าคิดว่าเราเป็นผูดด้ใดหรือบุรุษผู้นั้นว่าท่านไม่ใช่ลิ้นชงหรอกหรือลิ้นชงว่าข้าแสจางเฮ้ยมรู้เรื่องอะไรชายผู้นั้นก็หัวเราะ เล้วไหลท่านเขียนชื่อตัวเองไว้ข้างฝาหน้าก็ถูกเขาสักถึงโกหกได้ก็ไปไม่ตลอดดอกลินชงพูดกับบุรุษผู้นั้นว่าเจ้าคิดจะส่งตัวเราให้ทางการจริงๆหรือชายคนนั้นหัวเราะอีกแล้ววา well, ่าเพื่ออะไรมาเราไปคุยกันในห้องนั้นจะดีกว่าว่าแล้วก็พาลิ้นชงตรงเข้าไปในห้องด้านหลังที่มองออกไปยงังทะเลสาบบอกเสี่ยวเออให้ตามไป คนทั้งสองต่างคํานับให้กันและกันแล้วก็ซุดตัวลงนั่งฝั่งตรงข้ามบุรุษผู้นั้นเอ่ยขึ้นว่าฟังว่าท่านมาถามหาเรือจะไปเขาเหลียงซานเหตุช่นไหนท่านจึงได้คิดจะไปที่นั่นล่ะฮะสถานที่แห่งนั้นเป็นที่มั่นของคนนอกกฎหมายรู้ไหมลิ้นชงว่าขอเรียนท่านด้วยซื่อทางการกําลังไลด่ดงกลิ่นข่ามมาติดๆไม่มีที่จะให้ซ่อนเร้น ข้าจึงคิดจะขอไปขึ้นกับพวกเขาบุรุษผู้นั้นว่าถ้าเช่นนั้นท่านควรมีหนังสือแนะนําตัวนะลิ้นชงว่าข้ามีมาฉบับหนึ่งเป็นหนังสือฝากฝังจากเพื่อนมิตรที่ตําบลเฮงให้ในเขต จ, จังหวัดกังโจบุรุษผู้นั้นแย้งขึ้นทันทีว่าใช่ท่านชายใช้จิน้นสระตันน้อยผู้นั้นหรือไม่ล่ะฮะลิ้นชงว่าท่านรู้ได้อย่างไรบุรุษผู้นั้นว่า ท่านใช้สนิทชิดเชื้อกับพวกหัวหน้าบนเขาพวกเขามีหนังสือถึงกันและกันอยู่เนืองๆแล้วก็เล่าให้ลินชงฟังเรื่องที่หว่างหลุนทําผิดแล้วหนีภัยมาในระหว่างนั้นใช่จิน้นได้ที่หลบซ่อนแก่ทั้งหว่างหลุนและตู้เฉียนทั้งสองพมนักอยู่ในครื่องหาดพักใหญ่เพราะจะจากมาก็ได้ค่าเดินทางจึงเป็นนี่บุญคุณกันอยู่ลินชงอุทานให้ hey! ท่านเองก็เป็นคนของพวกเขาดอกหรือนี่ ข้ามีตาเสียเปล่าแต่หารู้จักเขาไทซานไหมโปรดบอกนามท่านด้วยลิ้นชงรีบโค้งคำนับให้อย่างสุภาพบุรุษผู้นั้นคำนับตอบแล้วว่าข้าน้อยผู้ตามต้อยเป็นยามด่านหน้าของหัวหน้าวางหลุนไม่นามองกรว่าจู้กุย้ยพื้นเพเป็นคนตำบลอี้ซุยเขตจังหวัดอี้โจมีฉายาในวงยุทธตพบว่าจะระแค่บก อาศัยแอบแฝงร้านสุราเป็นช่องคอยสอดส่องการเคลื่อนไหวของบรรดาพ่อค้าวานิชและคนสัญจรไปมาใครพอมีข้าวของเงินทองก็จะแจ้งขึ้นไปทั้งค่ายพ่อได้ยินท่านเอ่ยชื่อเขาเหลียงซานจึงใคร่รู้จักพ่อเห็นท่านเขียนชื่อบนกำแพงจึงนึกขึ้นได้ว่าคนเมืองหลวงเรื่องชื่อถึงวีระภาพของท่านยิ่งนักไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันนี้จะโชคดีได้มีโอกาสมาพบท่าน เมื่อท่านชายใช้มีหนังสือแนะนามาหัวหน้าวางย่อมจะต้องต้อนรับผู้มีชื่อเสียงเกร ก, ก้องเยี่ยงท่านอย่างแน่นอนจู่ ก, กุ้ยเลี้ยงดูหลินชงด้วยปลาเนื้อแหละเหล้าทั้งสองดื่มกินในห้องที่มองเห็นเวื้งน้ำไปเกือบครึ่งคืนหลินชงถามว่าข้จะหาเรือข้ามฝั่งไปฟากระนวนได้อย่างไรจู่ ก, กุ้ยบอกว่าที่นี่มีเรือออกเยอะแยะ พี่ท่านอย่าได้วิตกไปเลยพักผ่อนให้สบายเสิก่อนเถิดพอยามห้าแล้วค่อยตื่นข้าจะพาท่านไปเองคนทั้งคู่ลา ก, กันกลับไปห้องพักพอถึงยามห้าท้องฟ้ายังไม่ทันสางดีจู่กุยก็ปลุกลินชงขึ้นทั้งสองล้างหน้าบ้วนปากกินเนื้อหน่อยหนึ่งแล้วตามด้วยเหล้าเข้าไปอีกสี่ห้าจอกจู่กุยเดินไปผลักหน้าต่างด้านที่ติดทะเลสาบออกหยิบเกาทันสัญญาณดอกหนึ่งขึ้นเทียบคันศร สลักลายรูปนกสาลิกาดงแล้วดีดเก้าทันดอกนั้นส่งเสียงหวีดหวิวเข้าไปในคุ้งอ่าวเล็กๆที่ต้นอ้อขึ้นไปโดงหนาทึบฝัง่งตรงข้ามลิ้นชงถามว่าเหตุใดจึงต้องทำเช่นนั้นละ่ะฮะท่านจูกุย้ยจูกุ้ยว่าเก้าทันดอกนั้นเป็นเก้าทันสัญญาณของพวกเราเขาเหลียนซานอีกไม่นานก็จะมีเรือออกมารับ ไม่นานนักจากดงอ้อฝั่งตรงข้ามก็เห็นเรือเร็วลำหนึ่งพร้อมฝีพายสามสี่คนแหวก ด, ดงอ้อออกมาพอมาถึงพลกันเชียงที่พายข้ามน้ำมาก็คัดท้ายเรือเข้าจอดเทียบท่าใต้ห้องที่สร้างชงโงกง้ำอยู่เหนือผืนน้ำลิ้นชงหยิบอาวุธและห่อของขึ้นมาถือจู่กุ่ยก็พาลงเรือพลเรือเจ้าเรือข้ามทะเลสาบตรงไปขึ้นฝั่งที่ต บ, บนหาดทรายทองจู่กุ้ยกับลินชงลงที่นั่น หนึ่งในฝีพายขนของของลินชงเดินนำหน้าขึ้นภูไปส่วนคนอื่นๆก็พาเรือกลับไปยังคุ้งอ่าวที่ตนเพิ่งจากมาจูก่ๆกุยกับลินชงเริ่มปีนขึ้นเขายิ่งสูงต้นไม้ก็ยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม้ใหญ่เรียงรายกันทั้งสองฝั่งกลางทางมีสาลาพักร้อนพอพ้นเลี้ยวหน้าออกไปพวกเขาก็เห็นด่านมียามรักษาการเฝ้าระวังอยู่อย่างหนาแน่น นอกตัวด่านเป็นที่ตั้งราวสัตว์ตราวุธมีทั้งทวนดาบธนูยาวเกาทันสั้นและหอกรอบๆเต็มไปด้วยท่อนซุงเหล่หินพร้อมกลิ้งเข้าใส่ค่าศึกพอจู้ ก, กุ้ยกับลิ้นชงเดินเข้าไปในด่านสมุนโจรบางคนก็ล่วงหน้าไปแจ้งข่าวก่อนแล้วทั้งสองเดินผ่านทิวแถวและธงสัญญาณรบเบียดตัวแรกผ่านโขกเขาอีกสองแห่งก่อนจะหลุดเข้าสู่ประตูทางเข้าค่ายใหญ่ ตัวค่ายนั้นซ่อนตัวอยู่ในวงล้อมของกำแพงผาสูงชันทั้งสทิศหากดูประกอบกับเส้นทางที่ต้องลอดผ่านด่านแข็งแรงที่ผ่านมาก็นับว่าเป็นป้อมปราการที่อยู่ยงคงกระพันยากต่อการเข้าตีพหลุดเข้าไปในตัวค่ายกลางหุบเขาก็เห็นเป็นที่ราบพื้นเพียงกันราวแผ่นกระจกเฉพาะลานโล่งพื้นนั้นวัดโดยรอบได้กว่า 4, สี่พันเซียมูตึกทั้งขวาและซ้ายสร้างกระจายกันอย่างได้สัดส่วน ส่วนตัวประตูใหญ่ของค่ายก็เป็นที่ตั้งของด่านอีกด่านหนึ่งจูก่กุยพาหลินชงตรงไปที่หอทำมายุธภพซึ่งใช้เป็นโรงพิธีและศูนย์กลางค่ายผู้กล้าที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เท้าแขนตัวกลางคือบัณฑิตในชุดขาววางหลุนบุรุษที่นั่งบนเก้าอี้เท้าแขนเบื้องซ้ายคือตู้เฉียนผู้สูงเทียมฟ้าส่วนเก้าอี้เท้าแขนเบื้องขวาคือทรงหวานเทพิทักษเมฆา หลินชงกับจู้กุ้ยที่เพิ่งเดินทางมาถึงรีบสืบเท้าออกไปข้างหน้าคารวะนายโจนทั้งสามด้วยนอบน้อมจู้กุ้ยกล่าวแนะนำว่าท่านผู้นี้คือลิ้นชงฉายาหัวเสือดำครูทหารแปดหมืนแห่งกองทหารรักษาพระองค์ที่เมืองหลวงเพราะเกิดเป็นมีความกับจอมพลเกาจึงถูกเขาสักหน้าในประเทศไปกังโจพอไปถึงที่นั่นก็มีคนวางเพลิงเผาโรงฟังกองทัพ และเกิดสู้รบกันขึ้นระหว่างรบท่านได้ฆ่าคนไปสามคนจึงดันด้นหนีภัยไปอาศัยอยู่ในปราสาทของท่านชายใชย้แล้วเกิดชอบพอกันท่านชายจึงมีหนังสือฝากฝังแนะนำให้ขึ้นมาร่วมกับพวกเราที่ค่ายลิ้นชงส่งหนังสือให้หวางหลุนเปิดออกอ่านแล้วเชิญให้ลิ้นชงนั่งเก้าอี้ตัวที่สี่ส่วนจู้กุ้ยตัวที่ห้าแล้วเรียกหาสุราคนทั้งห้าก็ร่วมดื่มกันสามรอบ หวังว่าท่านชายช้คงจะสบายดีนะลิ้นชงตอบว่าใต้เท้ายังคงเข้าป่าหนาสัตว์และพักผ่อนอยู่ที่ชานเมืองเป็นนิจสินขอรับพอทักออกไปดังนั้นหว่างหลุนก็พลันเงียบเสียงใจให้ล่องลอยไปในความคิดคำหนึ่งรำพึงอยู่ในห้วงพวังอันตัวเหล่านี้ก็เป็นแค่บดตสอบตกรับราชการไม่ได้ เพราะความโกรธแค้นแท้ๆจึงได้พาตู้เฉียนหนีมาเป็นโจรต่อมาได้ทรงวานมาร่วมจึงได้ตั้งเป็นกกใหญ่อันตัวเรานั้นไซส์ใช่จะสามารถอะไรกับใครเขาแถมตู้เฉียนกับทรงวานฝีมืออาวุธกองงันๆแสนจะธรรมดาสามัญแต่คนพูดนี้กลับเป็นถึงอาจารย์ประจำกองทหารราชบุรลบอันเกรียงไกรฝีไม้ลายมือของมันถึงขั้นแปดมื่นย่อมเป็นครูทหารชั้นอาจารย์ใหญ่หากเราขืนรับไว้ แล้วมันเกิดรู้ภายหลังว่าไอ้พวกเรามันก็ออกไอ้แค่กระสนไดน้มันคงจะคิดการใหญ่แล้วใครล่ะจะไปมีปัญญารับมือไหวอย่ากระนั้นเลยยอมหยาบขายเสียแต่ต้นหาข้อแก้ตัวแล้วไล่มันไปอยู่ที่อื่นสิให้พ้นๆจะได้ตัดไฟเสียแต่ต้นลมให้เป็นการดีตอบแทนพระคุณท่านชายใช้เช่นนี้พิเคราะห์ดูทีอาจจะไร้มารยาทนะแต่ใจช่วยอะไรได้ล่ะ คิดดังนั้นก็หันไปสั่งสมุนให้นําสุรามาเพิ่มเลี้ยนดูหลินชงให้เป็นที่เอกเระเิกทั้งห้าพากันกินและดื่มกันอย่างเต็มที่พอกินเสร็จหวังหลุนก็สั่งสมุนโจรคนหนึ่งให้นําถาดใส่เงินหนักห้ิบตำลึงกับไหมอย่างดีอีกสองเข็มออกมาวางต่อหน้าหลินชงแล้วหวังหลุนก็ลุกขึ้นพูดว่าท่านชายมีหนังสือแนะนําให้ท่านหลินขึ้นมาร่วมก๊กอันต่ำต้อยของเราแต่เสียดายนะ ที่มั่นของเรานั้นสเบียงกลางก็อัตคัดขัดสนไพร่ผลนั้นเล่าก็ไม่อยู่น้อยคนแถมตึกรามบ้านช่องก็ชำรุดสุดซอมจอมเป็นการไม่ถูกต้องรังแต่จะทำให้ชื่อเสียงกิตติภูมิของท่านต้องดังพร้อยสูญเส้นไปเปล่าเปล่า ป, าปี้ปเราจึงขอมอบของกำนันเล็กๆน้อยๆ น, นี้ให้ด้วยหวังใจว่าท่านจะไม่ดูมินทินแคลนจงโปรดให้อภัยและไปหาชุมชนแห่งใหม่ที่ใหญ่กว่านี้อาศัยอยู่เถิด ลิ้นชงทวงขึ้นทันทีว่าท่านหัวหน้าทั้งสามกรุณาฟังข้าก่อนข้าเดินทางอันแสนไกลด้วยหวังใจจะมอบตัวอยู่ใต้บงังคับบัญชาให้พวกท่านกำกับใช้สอยท่านชายใชย้โปรดกรุณามีหนังสือมาให้แล้วแม้นว่าข้าจะไม่ถึงกับฉลาดปราดเปรืองแต่ก็ได้แต่หวังให้พวกท่านโปรดเมตตาข้าไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดนอกซจากจะมอบกายถวายเป็นเครื่องพรี ขออยู่รับใช้พวกท่านไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่สิ่งใดๆก็ไม่เป็นสุขไปยิ่งกว่านี้อีกแล้วแก้วแหวนเงินทองที่ให้มานั้นไม่ต้องการโปรดเห็นใจข้าโดยเถิดวางลิ้นตัดบทว่าข้ายเรานั้นครับแค่จริงๆจะตั้งให้ท่านกินตำแหน่งใดก็ไม่เหมาะต้องขออาภัยด้วยจู ก, กุ้ยฟังอยู่ก็ขัดขึ้นว่าพี่ใหญ่ขออาภัยที่ต้องพูดนะ เมื่อค่ายเราจะขัดแคลนข้าวปลาอาหารเราก็ยังพอไหววานหยิบยืมจากในเมืองและหมู่บ้านทั้งที่ใกล้และที่ไกลได้อยู่ส่วนบนเขาและตามชายน้ําก็ยังมีไม้ไร่ให้อุดมสมบูรณนะ์นักถ้าหากเห็นว่าจําเป็นก็พอที่จะตัดฟันเอามาสร้างบ้านสร้างห้องหอใหม่ได้อีกเป็นพันๆหลังยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้นี้ก็ยังถือหนังสือฝากฝังของท่านชายใช้มาจใจเราผักสายเข้าไปชื่อหรือ ข่ายนี้เป็นนิบุญคุณท่านชายใช้อยู่ไม่น้อยเลยนะหากท่านชายได้ยินว่าเราปฏิเสธท่านก็คงจะเสียหน้ายิ่งกว่านั้นท่านลินผู้นี้ก็มีฝีมือแข้งแข็งเป็นทรัพย์สินที่เราควรจะมีไว้ในครอบครองตู้เฉียนเห็นด้วยแล้วว่าจะเป็นอะไรไปนักหนาหากว่าเราจะเพิ่มมาอีกนึงหากเราไม่รับเขาไว้ใต้เท้าก็จะถือโทษโกรธเคืองหาว่าเราไม่กระตันอยู่รู้คุณ พวกเราเป็นนี่บุญคุณใต้เท้านักจใจผักใสผู้ที่ใต้เท้าแนะนํา ม, มาให้จะชอบแล้วหรือส่วนทรงหวานก็ย้ํากับวงังหลุนอีกว่าเพื่อเห็นแก่ใต้เท้าใช้เราควรให้เขาเป็นหัวหน้าคนหนึ่งจึงจะนับว่าถูกนะมิฉนั้นของผู้กล้าทั้งยุทธภพก็จะพากระตนิติฉินว่าเราไรซึ่งคุณธรรมน้ํามิแดต้องให้สอนปัดโถไม่รู้เรื่องอะไรเลยวังหลุนแย้งว่า แต่ว่าน้องพี่ทั้งหลายพวกท่านยังไม่รู้ซึ้งถึงเขาจะต้องอาชยามาจากกังจอแต่พวกเรายังรู้จักเขาน้อยไปหากเขาคิดจะขึ้นมาสอดแนมเราล่ะฮะใครจะรับผิดชอบหลินชงยืนฟังอยู่ก็ให้ขัดหูแล้วว่าเฮ้ย hey, ก็เป็นเพราะต้องโทษอาญาดองนาจึงได้มาขอร่วมยัยต้องต่อความยาวสาวความยืดผ่านพโลมาสงสัยในตัวข้าอีกแล้วฮะ ว่างหลุนเห็นได้ทีจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วหากท่านปรารถนาจะร่วมกับเราจริงๆแล้วก็ต้องไปเอาไปรับรองมาให้ได้เสียก่อนลิ้นชงว่าตัวข้านั้นเขียนอ่านได้พอตัวหากท่านนำผู้กันกับกระดาษมาข้าก็จะเขียนให้เดี๋ยวนี้เลยจู่ ก, กุ้ยได้ฟังก็หัวเราะแล้วว่า ท่านยังไม่เข้าใจท่านครูลินเราเรียกเอาไปรับรองจากผู้กล้าทุกคนที่เข้ามาร่วมหมายถึงท่านต้องลงเขาและไป็ฆ่าใครมาให้ได้เสียก่อนแล้วนาหัวมายืนยันหรือจะให้เรียกกันว่าไปรับรองสมาชิ ก, กภาพก็ได้นะลินชงเข้าใจและร้องว่าอ๋อเช่นนั้นย่อมได้นั่นไม่เท่าไรเลยข้าจะลงเขาไปรอท่ากลัวแต่ว่าจะไม่มีใครโผล่มาเท่านั้น ว่างหลุนว่าข้าจะให้เวลาท่านสามวันหากท่านนําไปสุทธิมามอบได้ตามกําหนดเราจึงจะรับเป็นสมาชิกถ้าไม่ก็เตรียมกล่าวลาได้เลยลินชงตกลงตามที่นายโจรกําหนดหลังประชุมเสร็จจู้กุยก็ลงจากเขากลับไปยังร้านเหล้าของตนหลินชงหยิบอาวุธและห่อผ้าตามสมุนโจรผู้หนึ่งลงเขาทั้งสองเอาเรือข้ามฟากไปหาที่ซุ่มคอยคนสัญจรผ่านมาตามถนน แต่รอจนกระทั่งพบค่ำก็หามีใครผ่านมาไม่ลิ้นชงกับสมุนจนก็แบกความผิดหวังกลับขึ้นเขาคืนไปยังค่ายวางหลุนถามว่าท่านได้บัตรสมาชิกมาแล้วหรือยังลิ้นชงตอบว่ายังขอรับวันทั้งวันไม่มีผู้ใดผ่านมาให้เห็นเลยวางหลุนว่าหากพรุ่งนี้ท่านยังหาไม่ได้โอกาสจะได้อยู่ที่นี่ก็ริบรีเหลือใจ ลิ้นชงไม่ตอบกลับห้องไปได้วยความผิดหวังกินอาหารแล้วรีบเข้านอนเอามันไม่อาบน้ําวะรุ่งเช้าก็รีบตื่นตั้งแต่ฟ้าเพิ่งจะสางกินอาหารเช้ากับพวกโจรบนค่ายหยิบอาวุธแล้วย้อนกลับลงมาตามทางเก่าสหมุนจนคนนั้นเสนอว่าวันนี้เราลองถนนด้านใต้ของที่มั่นดูถ้าจะเหมาะกว่านะขอรับทั้งสองข้ามทะเลสาบมาซุ่มรออยู่ที่ชายป่า จวบจนกระทั่งตะวันตรงศรีรษะก็ยังหามีใครโผล่มาไหมแต่ในที่สุดบัดเดียวหนึ่งก็มีกองคารวานเกาะกลุ่มกันเดินผ่านไปสักสามร้อยคนเห็นจะได้ลิ้นชงรั้งไว้หากล้าลงมือไหมจวบจนกระทั่งคนทั้งหลายหมู่นั้นผ่านไปสิน้นเวลาล่วงเลยไปอีกเงาแดดค่อยๆทอดยาวขึ้นเรื่อยๆวันนั้นทั้งวันหามีผู้ใดปรากฏกายให้เห็นอีกไห่ ลิ้นชงบนกับสมุนโจรคนนั้นว่าเฮ้ย hey! โชคร้ายนักสองวันเต็มๆหาคนเดินเดียวเดียวบนถนนไม่มีใจข้าทำฉันใดได้วะเนี่ยฮะโจรคนนั้นหันมาปลอบว่าอย่าวิตกไปเลยพี่ท่านพรุ่งนี้ยังมีอีกทั้งวันข้าจะพาท่านไปซุ่มบนถนนด้านตะวันออกแล้วพวกเขาก็พากันเดินกลับขึ้นภูวางลุ้นถามอีกว่าบัตรสมาชิกละ่ะฮะ เฮ้ยสองวันแล้วนะลิ้นชงได้แต่ถอนใจเฮ้ย hey, <c oughs> นายจนหัวเราะ <c oughs> ท่านเหลว อ, อีกแล้วหรือข้าให้เวลาท่านสามวันนี่สองวันก็หมดไปแล้วหากพรุ่งนี้ยังทำไม่สำเร็จเราก็ไม่จำเป็นต้องมาพบกันอีกเชิญลงจากเขาไปหาที่อยู่เอาใหม่ได้เลย <c oughs> ลินกลับมาอย่างห้อง จิตใจให้หดหูยิ่งนักไรเลยจะไปคิดว่าอันวัยไร้เกาเกิวจะทำเอาเราเจ็บแสบได้ถึงขนาดนี้คิดแล้วก็ถอนใจใหญ่เฮ้ยเราต้องมาจบชีวิตลงโดยไม่มีแม้แต่สวรรค์หรือปัตภีจะสนใจใ่ดีโชคชะตานี้ช่างแกล่งนะักคืนนั้นผ่านไป พอเช้าลินชงรีบลุกขึ้นหาอะไรใส่ท้องเก็บห่อผ้าวางไว้ที่มุมห้องขัดดาบแล้วหยิบเงาก้าวลงเขาไปพร้อมกับโจร น, นำทางแล้วข้ามเรือมายังถนนด้านตะวันออกลินชงคิดในใจว่าหากวันนี้เรายังไม่ได้บัตรสมาชิกก็คงต้องไปหาที่อยู่ใหม่ทั้งสองซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ริมถนนด้านทิศตะวันออกคอยอยู่จนกระทั่งเที่ยง จนแล้วจนรอดก็ยังหามีใครผ่านมาไม่เมกหิมะก้อนสุดท้ายถูกลมใต้กวาดไปสิน้นท้องฟ้าสีครามเข้มพันก็ใสสว่างกระจ่างไปทั่วทั้งผืนหลินคิดในใจว่าดูเหมือนว่าข้าจะอับโชคอีกตามเคยข้าควรจะรีบกลับขึ้นเขาไปเอาห่อผ้าสิแต่วันวันจะได้พอมีเวลาทันเดินทางไปหาที่อยู่ใหม่ท่านพี่ท่านพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว สมุนโจรที่มาเป็นเพื่อนกระซิบเสียงกระเส่านุ่นให้นุ่นให้มาคนหนึ่งแล้วลิ้นชงอุทานว่าอ้าในที่สุดและแล้วครูทหารก็เห็นชายคนหนึ่งเดินเรียบตีนภูมาแต่ไกลพอเข้ามาใกล้ลิ้นก็กระโดดเข้าใส่กลายเงาไอ้ยาชายผู้นั้นอุทานเรียบทิ้งหาบแล้วหันหลังเพ่นลิ้นชงวิ่งไล่แต่ชายผู้นั้นฝีเท้าวายเป็นกรด ไม่ทันไรก็หายลับไปกับเนินหินไอตัวชอฉันไหนจึงได้หนีไวขนาดนี้วะลิ้นชงพุ่นพลาดด้วยเพลิงแขนสามวันเต็มๆข้าต้องมานั่งคอยนอนคอยในที่สุดพอมันมาข้ากลับปล่อยให้ร้อยหนีไปสียน่สมุนโจรพูดปลอบว่าไม่เป็นไรหนะ้าถึงท่านพี่จะยังไม่ได้ฆ่าใครแต่ข้าของมีฆ่าที่มันทิ้งไว้ก็อกโณฮนะัก น่าจะพออยู่กินกันไปได้อีกหลายวันจนนั้นคำนวณราคาสัมภาระที่ถูกทิ้งไว้หลิมชงบอกกับสมุนจนคนนั้นว่าเจ้าขนขึ้นเขาไปก่อนข้าจะรอต่ออีกสักหน่อยหลังสมุนจนคนนั้นหอบห่อของจากไปไม่นานนักหลิมก็เห็นบุรุษร่างใหญ่อีกผู้หนึ่งโผล่พ้นโค้งมาเขาพึมพำว่าสวรรค์โปรด แต่บุรุษผู้นั้นถือเงาวิ่งตะบึงมาราวถูกไฟจี้พรางก็ตะโกนเสียงดังว่าเฮ้ยไอพวกโจรสาระแล้วพวกมึงเอาข้าวของของกูไปไหนวะร้อให้กูจับไอขี้ข้าอย่างมึงให้ได้เส ก, ก่อนเถอะจะสั่งสอนที่กล้ามากระตุกงวดพญาเสือเฮ้ <ö> ih, <c oughs> มันยุ่ไหนวะชายผู้นั้นวิ่งตะบึงราวกับบินมาตามทางลินชงก็เดินอาจอาจออกไปหา ก็เพราะว่าบุรุษผู้นี้ได้รบกับลิ้นชงนั่นเองเสือกระพือหลมหน้าผักดันตัวหนึ่งจึงได้ขึ้นเลี้ยงซานพวกตาทองกับที่ข้ามห้วยอีกนักสิบก็ตามขึ้นไปสังกัดปัอมค่ายแห่งนี้แล้วใครกันเล่าที่ต่อสู้กับลิ้นชงฟังบทต่อไปหากใครรู้วันนี้เสนอถึงตอนที่1ิบสอง มีชื่อตอนว่าลิ้นชงหัวเสือดำเข้าร่วมชุมโจนเขาเหลียงซานเดรชานหน้าดำขายดาบที่นครหลวงตะวันออกส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกทกท่านรับฟังได้นะบัดนี้ลิ้นชง ทอสายตาออกไปก็เห็นบุรุษหนึ่งนั้นสวมหมวกสกราตปีกกว้างทําจากฟานหยางติดผู้แดงกลางกระหม่อมใส่เสื้อคลุมใหม่สีขาวตัวยาวสําหรับเดินทางรัดเอวด้วยผ้าหน้ากว้างสอยเป็นตะเข็บแนวตั้งพันแข้งด้วยผ้าแถบสลับดําขาวสวมสนับแข้งหนังกว้างทับเข่ากับรองเท้าขนวัวหุ้มข้อหนึ่งดาบนั้นให้อยซยเอลหนึ่งเงานั้นกระชับมั่นในมือรูปร่างกำยำสูงใหญ่ใบหน้ามีปานดําปื้นใหญ่มาแต่กําเนิด ไว้หนวดแดงสองข้างดูห้อมแหลมหมวกสกลาด์คล้องเชือกไว้แต่บัดนี้ถูกปัดลงไปค้างกลางอยู่แผ่นหลังเอวคอดอกภายลหลพึ่งใช้ผ้าพันคอมัดผมผูกปมรวบชายไว้ท้ายถอยผู้มาใหม่แผลดเสียงกับพนาคขึ้นว่าไอ้จอนโสโครกเฮ้ยมึงอ้หอผ้ากับข้าวของมีข้าวของกูไปไว้ไหนวะอะ ปายลิ้นชองโกรธจนลืมหายใจในตาเหลือกถลนนวดคราวกระดิกสันระริกจะตอบก็ไม่ทันใจได้แต่กระชับง้าแล้วถลันเข้าฟันเต็มเหนียว <c oughs> ในยามนั้นบนท้องฟ้าไร้แม่ขี่มะแผ่นน้ำแข็งจับตัวเป็นฝ้าลอยเป็นเปลือกปิ่มอยู่ริมตลิ่งอากาศหนาวเย็นใะ่เ ย, ยือกจนตัวสัน่นแต่ยิยงขึ้นไปที่ชายฝั่งน้ำ สอบุรุษกลับร่วมร้อนกระดุดไฟประลายกันโถมถลันเข้าตบันกันอย่างเอาเป็นเอาตายสู้กันไปมา30กระบวนท่าก็ยังหาคนเป็นต่อไม่ได้ทั้งสองรบกันไปอีกสิเพลงขณะที่การต่อสู้กำลังเข้าใครฉับพลันใครคนหนึ่งบนชะ ง, ง่อนผาก็ส่งเสียงตะโกนลงมาว่าเอา้ท า, าท่านผู้กล้าทั้งสองยั้งมือด้วยลิ้นชงกระโดดออกจากรัศมีอาวุธส่วนคู่ต่อสู้ที่มาใหม่ก็รามือ พลันบุรุษชุดขาวว่างหลุนขนาบข้างด้วยตู้เฉียนกับทรงวานรวมทั้งสมุนโจรอีกเป็นจำนวนมากก็ก้กาวลงจากเขาพอลงมาถึงตีนผูก็ขึ้นเรือพายข้ามทะเลสาบมาพอมาถึงว่างหลุนก็กล่าวสรรเสริญขึ้นว่าแม่ท่านทั้งสองฝีมือล้ำเลิศเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจนักพี่ชายท่านนี้คือลิ้นชงสมยาหัวเสือดาส่วนท่านสุภาพบุรุษ ผู้มีปานดำบนใบหน้ามีนามว่ากระไรหรือขอรับบุรุษผู้มาใหม่ตอบว่าข้ามีนามว่าหยางซื่อสืบเชื้อสายจากตระกูลขุนพลมาได้สามชั่วคนแล้วข้าเป็นหลานเจ้าฝ้ายหยางหลิงกงแต่ตอนนี้ต้องมาตกระกรรมลําบากระเหรเร่ร่อนอยู่ในก้านซีตอนยังเป็นหนุ่มข้าสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารรักษาวังพอองค์พระจกักรพรรดิมีรับสั่งจะสร้างสวนหมืน่นปี จึงบัญชาให้พวกเราในทหารราชโชอรักสิบคนออกไปควบคุมการคัดเลือกหินรูปทรงสีสันแปลกประหลาดจากทะเลสาบไทหูลำเลียงไปประดับสวนในเมืองหลวงแต่ไม่คิดเลยว่าตามทางขากลับต้องมาประสบเคราะห์กรรมเรื่อเกิดอับปางลงกลางแม่น้ำเหลืองหินที่ลำเลียงมาได้ก็จมน้ำหายไปสิน้นข้าไม่กล้ากลับไปรายงานตัวดังนั้นจึงหนีมาเสียแต่มาเมื่อเร็วๆนี้ ได้ยินว่าข้าได้รับพระราชทานอภัยโทษจึงรวบรวมเงินทองข้าวของกลับไปเมืองหลวงคิดอ่านว่าจะไปวิ่งเต้นเดินเหินในสภากลาโหมเอาตำแหน่งเก่าคืนจึงแก้งวานชาวบ้านผู้นั้นหาของผ่านมาแต่กลับทูกคนของท่านชิงเอาไปสิก่อนโปรดจงเมตตาคืนให้แก่ข้าด้วยเถิดว่างหลุนถามอีกว่าเป็นตัวท่านเองไม่ใช่หรือที่มีสมหยา ว, ว่าเดินฉันหน้าดำหนะฮะ อย่างซื่อว่าถูกแล้วเป็นข้าเองนั่นแหละวางหลุนพูดว่าแม่เป็นท่านนี่เองเรายินดียิ่นนักหากท่านนานทหารจะขึ้นไปร่วมดื่มกันที่ค่ายสักหลายจอกแล้วขึ้ไปรับข้าวของขอ ง, ของท่านคืนท่านจะว่ากระไรอย่างซื่อว่าก็ในเมื่อรู้จักกันแล้วฉนันไหนไม่คืนของให้เสียเลยเล่านั่นก็เท่ากับว่าได้ขึ้นไปดื่มกันอยู่แล้ว ว่างหลุนว่าเมื่อหลายปีก่อนข้าเคยไปสอบที่เมืองหลวงตะวันออกจึงได้ยินคนเขาเล่าลือถึงกิจศักดิ์ของท่านวันนี้ช่างนี้วาสนาที่ได้มาพบหน้าแล้วฉะไหนจะยอมปล่อยให้ท่านไอ้มือเปล่าโปรดไปดื่มกินกับเราที่ค่ายบนเขาสักหน่อยหนึ่งเถิดจะเป็นไรมีหยางซื่อจำต้องตามหว่างหลุนและคนอื่นๆข้ามทะเลสาบขึ้นไปยังค่ายบนยอดเขาจูกุยถูกเรียกตัวมา ทั้งหมดก็ไปพร้อมกันที่หอธรรมายุทธภพที่นั่งฝั่งซ้ายมีเก้าอี้เท้าแขนสี่ตัวหว่างลุนตู้เฉียนทรงวานและจู้กุย้ยนั่งเรียงกันไปตามลําดับส่วนทางฝั่งขวามีเก้าอี้เท้าแขนสองตัวตัวแรกให้หยางซื่อนั่งส่วนตัวหลังเป็นของหลินชงพอทุกคนนั่งประจําที่แล้วหว่างรุ่นก็เรียกหาเนื้อแกะและสุราอย่างดีออกมาเลี้ยงฉลองเพื่อเป็นเกียรติแด่หยางซื่อเรื่องนั้นเราจะไม่กล่าวถึงอีกนะครับ ละเรื่องศัพเพเหระไปก่อนพอทุกคนดื่มกินกันไปได้สักหลายจอกวางหลุนก็ให้ครุ่นคิดอยู่ในใจถ้าเราให้แต่ลิ้นชงอยู่เราก็จะเสียเปรียบทําไมเราไม่แสดงน้ําใจรั้งให้หยางซื่ออยู่ที่นี่ด้วยอีกสักคนจะได้จับชนกันเอาไว้คิดพลางก็ชี้ไปที่หลิ้นชงแล้วเอ่ยกับหยางซื่อว่าท่านพี่พูดนี้ครั้งหนึ่ง เคยเป็นถึงครูทหาร8ปดหมืนแห่งกองทหารรักษาพระองค์อัน เ, เกลียติในเมืองหลวงตะ ว, วันออกมีนามว่าลิ้นชงหัวเสือดําจอมพลเก่าเลี้ยงคนดีไม่ได้จึงวางแผนใส่ใครสักหน้าแล้วในรเทศทรงไปกังโจที่นั่นพี่ลิ้นก็ยังหาพ้นภัยไม่ถูกตามจองล้างจองผานจนไม่มีที่จะอยู่เพิ่งจะหนีมาที่ค่ายเราได้ไม่นานมานี้เองข้าจะไม่นวงเหนียวท่านไว้หากท่านคิดจะกลับไปรับราชการอีก แต่ตัวข้านั้นไช้สิ้นแล้วซึ่งวาสนาจำต้องสละทิ้งราชการมาเป็นคนนอกกฎหมายอยู่บนเขาแห่งนี้ท่านเองก็เคยต้องอาญาแผ่นดินแม้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่ก็คงไม่มีทางที่จะได้ตำแหน่งเก่าคืนมาแน่แนโดยเฉพาะหากไอสาระเหลวเกากิวยังกินตำแหน่งอยู่ท่านคิดว่ามันจะอภัยให้ท่านได้ล่ะหรือฮะอยู่เสียที่ค่ายเล็กๆของเราแห่งนี้เถิด แบ่งของฉเฉลยเล่ายาปลาปิ้งกับเราเป็นโจรเช่นเรายังจะดีเสียกว่าท่านจะเห็นเป็นประการใดฮะท่านอย่างซื่ออย่างซื่อว่าแม่พวกท่านช่างเอื้อเฟือนักแต่ตัวข้ามีญาติผู้หนึ่งที่เมืองหลวงตะวันออกเขาต้องพลอยฟ้าพลอยฝนตกกระไดพลอยโจรมาด้วยข้ายังไม่ได้ทันทดแทนพระคุณที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลในครานั้นคิดว่าอย่างไรเสียข้าคงจะต้องกลับไปอยู่ดี วังว่าท่านจะคืนข้าวของให้ถ้าไม่ข้าก็ต้องไปตัวเปล่าว่างลุ้นหัวเราะแล้วว่าา่า <c oughs> <c oughs> แน่นอนแน่นอนถ้าท่านไม่เต็มใจจะอยู่ข้าก็ไม่ได้บังคับดอกโปรดวางใจเถิดค้างเสียที่นี่สักคืนพรุ่งนี้เช้าแล้วค่อยไป <c oughs> อย่างซื่อยินดีนักทั้งหมดดื่มกินกันจนกระทั่งถึงยามสองจึงเลิก รุ่งเช้าก็อำลากันอีกพอกินมื้อเช้าเสร็จนายโจรก็สั่งสมุนผู้หนึ่งให้แบกสมบัติของหยางซื่อลงเขาล่วงหน้าไปก่อนแล้วขบวนก็ตามไปส่งจนถึงตีนผูสมุนโจรคนนั้นแจวเรือข้ามฟากไปจนถึงถนนหยางซื่อก็ออกเดินทางส่วนโจรคนนั้นก็กลับมายังชุมโจรดังเดิมก็จนถึงตอนนั้นแล้วนั่นเองวางหลุนจึงยอมให้หลินชงได้นั่งเก้าอี้ตัวที่สี่และจู้กุยตัวที่ห้านับแต่นั้นมา ผู้กล้าทั้งห้าแห่งเขาเลี้ยงซานก็ออกป้นสะดมด้วยกันไม่ได้ขาดรายละเอียดเรื่องนี้เราจะไม่ขอกล่าวไปให้ย่นเยอนนะครับกล่าวฝ่ายอย่างซื่อตอนออกมาถึงถนนใหญ่ก็ได้ชาวนาคนหนึ่งมาหาบของให้จึงบอกให้สมุนโจรคนนั้นกลับไปเสียหลายวันผ่านไปอย่างซื่อก็เดินทางมาถึงเมืองหลวงตะ ว, วันออกเข้าพักโรงแรมจ่ายค่าจ้างให้ชาวนาะ างอาวุธแล้วก็สั่งอาหารและเครื่องดื่มมากินหลายวันต่อมาก็าเอาเงินทองข้าวของมีค่าไปเดินเหินขอตำแหน่งคืนกับสภาการาโฮมทั้งสูงทั้งต่ำใช้ใจ่ายเงินทองไปไม่ใช่น้อยจนในที่สุดก็ได้มีโอกาสเข้าพบจอมพลเกาเกาพิเคราะห์ดูรายงานคดีของอย่างซื่อโดยละเอียดแล้วพูดขึ้นว่านายทหารราชองครัก ฉันระดับยศเจ้าสิบนายทูกทรงไปขนหินรูปทรงสีสันประหลาดจากทะเลสาบไทหูเก้าคนเขานำของมาส่งมอบจนครบขาดอยู่กับแต่มึงเฮ้ยไอ้บัตรซบจอมพลเกาด่าด้วยโกรธมึงไม่เพียงไม่กลับมารายงานแต่ยังหลบหลีหนีไปจนนานก็ยังจับตัวไม่ได้มาบัดนี้มึงคิดจะกลับมาร้องเอาตาแหน่งเก่าคืนเช่นนั้นหรอือย่าได้หวังเลย มึงอาจได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่อาญาก็ยังจารติดกบาลมึงเช่นนี้อยู่ดีกองทัพใช้คนอย่างมึงไม่ได้ดอกว่าแล้วก็เอาหมึกดำกาประวัติอย่างซื่อแล้วให้ทหารไล่ออกไปจากกองบัญชาการหยางกลับโรงแรมด้วยความผิดหวังเขาคิดในใจว่าว่าน่าวางหลุนพูดไว้ไม่มีผิดเลย เป็นแต่เพราะไม่อยากเอาความด่างพร้อยมาแปะเพื่อนเผ่าพงวงตระกูลดอกด้วยเพลงดาบเพลงทวนที่มีก็หวังว่าจะฝากชื่อเสียงไว้กับพัตพีเป็นผีเฝ้าด่านชายแดนที่ไหนสักแห่งคิดเพียงจะมอบโอกาสให้กับบุตรชายฝากศักดิ์ศรีไว้ให้กับเมียรักพิทักษ์กิติภูมิบรรพชนไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนมาดูมินทินแครนได้ถึงเพียงนี้เฮ้ยไอจอมพลเกาไอชาติทั่วไออสรพิษเอ้ย คิดแล้วแค้นใจไม่หายอ ย, อยางให้หดหูในหัวใจเป็นยิ่งนักพักอยู่โรงแรมได้ไม่กี่วันเงินทองที่มีมาก็หมดสิน้นเขาคิดในใจว่าจะให้ทาฉันใดวะเนี่ยฮะจําจะเอาดาบประจําตระกูลที่ไม่เคยห่างไายออกขายมองไปทิศไหนก็ไม่มีทางอื่นอีกแล้วบางทีดาบเล่ม น, นี้อาจได้ราคาสักหลายพันพวงอีแปะพอจะได้เป็นค่าใช้ใจ่าย ก่อนจะไปหาที่ใหมย่ยูวันนั้นหยางเอาปล่อยยากห้อยไว้กับดาบก่อนจะมุ่งหน้าไปตลาดแล้วเตดเตยอยู่แถวถนนตลาดม้ามาตลอดทั้งเช้าก็หามีใครสนใจไต่ถามเรื่องดาบเล่มนี้ไหมพอตกเที่ยงหยางก็ย้ายไปเสี่ยงโชคที่สะพานเทียนฮั่นโจหรือสะพานทานสวรร์ยืนอยู่ได้ไม่ทันนาน พลันฝูงชนในจัตุรัสทั้งสองฝั่งถนนก็แตกตื่นวิ่งหนีกันเป็นที่อุตลุดรุดไปซ่อนตัวในตรอกติดแม่น้ําคนเหล่านั้นพากันตะโกนว่าเอารบเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเสือมาแล้วเสือเสือหยางพูดว่าเฮ้ยแล้วไหลเสือที่ไหนจะมาเที่ยวเพ่นพ่านอยู่ในบ้านในเมืองเช่นนี้วะเนี่ยฮะว่าแล้วหยางก็คงปักหลักอยู่ที่เก่าทันก็เห็นชายผู้หนึ่งลำตัวสูงใหญ่เนื้อตัวเต็มไปด้วยมัดกล้าม เดินแอบมาทางที่อย่างยืนอยู่ในอาการกึ่งเมาก็จําได้ว่าคนนี้เป็นคนกว้างขวางมีชื่อเสียงโด่งดังนามว่าหนิวเออร์คนทั้งเมืองเรียกหาว่าเสือไร้ขนเป็นคนเมาแล้วกลางสร้างเรื่องตบตีผู้คนไปสารพัดถูกทางการจับนับครั้งไม่ถ้วนแม้แต่สารไขเฟิงก็ยังเอาไม่อยู่ยามใดที่ปรากฏกาย ผู้คนจะพากันขี้ขดตดหายหนีตายไปสิน้นตอนนี้หนิวเออโซซ่าโซเซมาถึงตัวอย่างแล้วชุวยดาบไปถือไว้ในมือรางถามขึ้นว่า <c ười> เฮ้ดาบเล่มนี้เจ้ า, จ, าจะเอาสักเท่าไหร่วะเนี่ยฮะเฮ้ดี๋นะเ ด, ด, ดอย่างซื่อว่า <c ười> สำหรับดาบประจำตระกูลมีค่าเล่มนี้ราคาสามพันพงอิแปะหนิวเอออุทานขึ้นว่าเฮ้อุบะอุบะ จะให้เอาเงินก้อนโตไปแลกกับของส่วนๆพันนี้เนี่ยนะหรือฮะแค่สาสิบอีแปะข้าก็หาซื้อมีดคมๆมาตัดเต้าหู้ได้สบายแล้วเฮ้ยดาบเจ้ามันดีตรงไหนวะจึงได้มีราคามากมายเช่นนี้นะฮะย่างซื่อว่านี่หาใช้ดาบเด็กที่วางขายตามร้านทั่วไปไหมหากแต่เป็นดาบวิเศษหายากนักนิวเออว่าอ้าวแล้วมันดีวิเศษเสสอย่างไงวะเนี่ยฮะบอกมาดูซิ อย่างซื่อว่าคือว่าประการแรกดาบเล่มนี้ตัดทองแดงแทงทะลุเหล็กไม่มีบินประการที่สองหยิบเส้นผมมาเป่าใส่คมผมนั้นก็ขาดสิน้นประการที่สามฆ่าคนเลือดไม่ติดใบมีดนิวเออร์ท้าว่าเอาอยังงี้ก็แล้วกันนะเจ้ากล้าตัดเหรียญทองแดงไหมล่ะฮะเฮยอย่างซื่อก็พูดว่าเชิญควักออกมาเลยข้าจะแสดงให้ชม นิวเออร์เดินไปที่ร้านขายพริกหยวกใกล้สะพานกลับมาพร้อมกับเหรียญทองแดงชนิดราคาสามอีแปะยี่สิบอันแล้วนำมาตั้งวางซ้อนกันไว้บนราวสะพานพลางหันมาบอกอย่างว่าเนี ee, ่าเจ้าพามันได้ตลอดเอาไปเลยสามพันพวงอีแปะเงนินเยอะเงินเยอะคนเมาเงานินเยอะถึงผู้คนจะไม่กล้าเข้าใกล้แต่ก็มีไม่น้อยเลยคอยดูอยู่แต่ไกลอยางซื่อว่า เฮ้ยไม่เท่าไรดอกว่าพลางหย่างก็ม้วนแขนเสื้อกระชับดาบแล้วเล็งสับลงไปเพียงครั้งเดียวเหรียญที่ซ้อนกันทั้ง20สิบชั้นก็แบะออกจากการเป็นสองสิผู้คนพากันส่งเสียงฮือหานิวเออร์คำรามว่าเฮ้ยนั่นมันเล่นก้นนี่วาเจ้าว่าประการที่สองอะไรนะหยางซื่อว่าเด็ดผมมาเส้นหนึ่ง เพียงเป่าใส่คมผมก็จะขาดสิน้นนิ้วเอ้าว่าเฮ้ยข้าไม่เชื่อว่าแล้วนักเลงโตก็ดึงผมบนหัวกระจุกหนึ่งส่งให้หยางเอาเลยเอาเข้าข้าจะดู <c oughs> ไม่มีทางหรอกหยางเอามือซ้ายจับผมกระจุกนั้นเป่าพรวดเดียวใส่คมดาบเส้นผมเหล่านั้นก็พรันขาดครึ่งร่วงหล่นลงสู่พื้น รื่นี้ฝูงชนส่งเสียงดังสนั่นผู้คนที่มุงดูยิ่งทวีจํานวนมากขึ้นทุกขณะนิวเออร์ถามต่อว่าประการที่สามคืออะไรนะอย่างซื่อว่าฆ่าคนโดยเลือดไม่เปื้อนใบมีดเจ้าจะทํำยังไงฮะอย่างซื่อว่าหากท่านเอาดาบเล่มนี้ฟันคนดาบจะตัดผ่านไปโดยที่เลือดยังไม่ทันพุ่งออกจากบาดแผล ซึ่งแสดงว่ามันคมมากเฮ้ hey, ข้าไม่เชื่อหาคนมาลองให้ข้าดูสักคนสิอย่างซื่อว่าที่นี่น่ะหรือในเมืองหลวงเช่นนี้น่ะหรือใครจะกล้าข้าจะลองฟันหมาให้ท่านดูก่อนนิวเออว่าข้าบอกว่าคนนะไม่ได้บอกว่าหมาอย่างซื่อเริ่มโมโหแล้วพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่ได้ต้องการซื้อดาบจริงๆดอกเชิญไปที่อื่นเสียเถิดอย่าได้มาก่อกวนข้าเลย นิ้วเออว่าไหนเอามาให้ข้าดูสิไม่มีอย่างอื่นดีกว่านี้ทำแล้วหรือไรอย่ายั่วกันนะนิ้วเออรท้าอยางซื่อว่าไหนแทงข้าดูสิหากเจ้ากล้าอย่างซื่อว่าเฮ้ท่านไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอนไดกับข้าเราไม่ใช่ศัตรูกันข้าก็พิสูจน์ให้ท่านเห็นมาแล้วถึงสองหนไม่มีความจำเป็นใดๆต้องฆ่าคนให้ท่านดู้อีก นิวเออร์คว้าแขนอย่างซื่อไว้แล้วว่าจเจ้าต้องขายดาบเล่มนี้ให้ข้านะอย่างซื่อว่าเอาถ้าจะซื้อแล้วเงินล่ะทำไม่เมียเงินน่ะอย่างซื่อว่าเอาไม่มีเงินแล้วดึงข้าไว้หาพระแสงของเ้าอะไรละ่ะฮะก็ข้าจะเอาดาบไม่มีทางหรอกนิ้วเออร้าอีกว่าเช่นนั้นน่ะถ้าเจ้ากล้าก็แทงสิแทงเลย มึงแทงคนเมานะมึงเสียศักดิ์ศรีก็แล้วกันนะ่ะแทงคนเมาแทงหมาดีกว่าเอาหมาก็ผิดกฎหมายอีกไปฆ่ามันด้วยความโกรธหยางจึงผลักนิวเออร์ลม้ลมลงกับพื้นอันญพานใหญ่ทะลึกลุกขึ้นยืนเอาหัวพุ่งช น, นอกหยางหยางตะโกนว่าเอา้าพี่น้องเป็นพยานด้วยข้าจะขายดาบเอาเงิน ไอ้ขี้โกงพู้นี้พยายามจะแย่งมันตอนนี้มันกำลังตีข้าอยู่บรรดาคนมุงกลัวนิวเออร์จนไม่มีผู้ใดกล้าข้าห้ามปรามนิวเออร้องว่ากูตีเมืองแล้วงไงตีเจ้าตายแล้วจะมีอะไรหรือเปล่าละ่ะฮะว่าแล้วก็เวียงหมัดขวาเป็นวงกว้างมา <c oughs> ใส่หนึ่งหมัด หยางกระโดดหลบหมัดถอยไปข้างหลังพลางสะบัดดาบใส่หน้าแง่นิวเอิร์ไปหนึ่งทียิงเบาๆเสื อ, อ, อ, <c oughs> อร้ายขนก็ซุดลงไปกองกับพื้นอดีตราชองครักษืดเข้าประชิดเสือกใบมีดใส่หน้าอกนิวเอิร์จนมีดด้ามอีกสองครั้งเ <c oughs> ลือดสดๆทะลักออกมานองพื้น <c oughs> นิวเอิร์ตายสนิทจบชีวิตเสือร้ายแห่งเมืองหลวงไปในบาดดน <c oughs> ข้าข้าคนหยางประกาศแต่ไม่คิดจะย้อนความผิดให้พวกทั้งดอก ไหนไหนไออันต่อพันคนนี้ก็ตายไปแล้วโปรดจงตามข้าไปให้สาบคำเป็นพยานกับทางการด้วยเถิดชาวบ้านพากันมาล้อมหน้าล้อมหลังแห่ตามอย่างซื่อไปยังศาลไข่เฟิงทั้งหมดพากันมาหยอบมอบตัวคุกเข่าอยู่ต่อหน้าบรลังผู้พิพากษาหยางวางดาบของตัวไว้ที่พื้นเบื้องหน้าแล้วพูดกับผู้พิพากษาว่าข้าเคยเป็นทาหารรักษาการในวังหลวงแต่เพราะข้าทาเรือล่ม สินค้าที่เป็นหินประหลาดหลากสีจมน้ำหายไปสิน้นข้าจึงถูกลดตอนนี้ข้าไม่มีเงินจึงเอาดาบเล่ม น, นี้ออกมาเร่ขายแต่ไอ้อันถานนิวเออคิดจะแย่งมันและทุบตีข้าข้าบรรดาโทสะเลยข้าเสียพี่น้องเหล่านี้ล้วนรู้เห็นเป็นอย่างดีทั้งสิน้นบรรดาคนทั้งหลายต่างให้การเป็นคุณแก่อดีตในทหารราช อ, องครักษ์ผู้พิพากษากล่าวว่า นเมื่อจำเลยมอบตัวโดวยสมัครใจก็ไม่ต้องรับโทษบ่ยแล้วหันไปสั่งเจ้าพนัก ง, งานให้นำขื่ไม้ยาวมาจำคออย่างซื่อไว้ให้ผู้ตรวจสองนายกับเจ้าพนัก ง, งานพิสูจนศพพาหยางกับประจักษ์พยานย้อนกลับไปยังสะพานเถียนฮั่นโจเพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุส่วนผู้พิพากษาก็คอยท่าเตรียมเอกสารประกอบรูปการอยู่ที่ศาลหลังจากพยานมอบคำให้การเป็นลายลักษณอักษรต่อศาลก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ โดยมีข้อแม้ว่าหากสารเรียกมาให้การก็จะต้องรีบมาเป็นการด่วนฝ่ายหยางซื่อถูกนำตัวไปขังไว้ในฐานะผู้ต้องหาเมื่อได้ยินว่าหยางเป็นคนกำจัดเสือไร้ขนบรรดายามและผู้คุมต่างให้ความอารีอารอบไม่มีผู้ใดเรียกร้องเอาเงินทองแถมยังเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีผู้คนที่อาศัยอยู่ในระแวกย่านสะพานต่างพากันอนุโมทนาสาธุ ที่มีผู้ขจัดอันธพานประจําถิ่นลงเสียได้พวกชาวบ้านช่วยกันเรียรายเงินทองตั้งกองทุนส่งข้าวปลาอาหารให้หยางในคุกอยู่ไม่ขาดแถมยังออกเงินออกทองวิ่งเต้นผู้คุมทั้งสูงทั้งต่ำอีกด้วยยกกระบัตเห็นว่าหยางเป็นคนดีที่ขจัดคนพานไปจากถนนหลวงและมอบตัวด้วยสมัครใจและเมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดร้องเรียนเข้าข้างนิยวเ อ, อ้อดังนั้นจึงตั้งข้อหาเอากับหยางเบาๆสักไซไล่เรียงกันพอเป็นพิธีอยู่พักใหญ่ ในที่สุดก็ตั้งข้อหาให้ว่าฆ่าคนโดยไม่เจตนาระหว่างป้องกันตัวโดยการเสนอแนะของยกกระบาดหยางติดคุกอยู่60สวันก็ถูกคุมตัวออกมาคุกเข่าต่อหน้าบรรลังสารผู้พิาพากษาสั่งให้ถอดคือออกโบยยี่สิทีสักตัวทองที่แก้มแล้วในระเทศไปต้าหมิงเมืองหลวงมณฑลอุดรดาบนั้นสารยึดไว้พอทาเอกสารส่งตัวเสร็จ ทั้งสองผู้คุมคือจ้างหลงกับเจ้าหูก็เอาคือหนักเจ็ดช่างครึ่งใส่คอพ่อคําสั่งสารชิ้นสุดท้ายตกมาถึงทั้งสมก็ออกเดินทางพอมาถึงสะพานเถียนฮั่นโจบรรดาเจ้าของร้านใหญ่ๆ ใ, ใ, ในย่านนั้นหลายรายซึ่งเป็นโต๊้โหในการเรียรายเงินทุนก็เชิญทั้งสเข้าไปนั่งกินโต๊ะในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งเอาเงินส่วนหนึ่งมอบให้ผู้คุมแล้วบอกกับผู้คุมทั้งสองว่าหยางเนี่ยนะเป็นคงดีนักแหละ ช่วยขาจักนักเรงอันธพาให้ชาวบ้านรั้งทิ้งเยี่ยงพวกเราทั้งผู้คุมทั้งสองปลอกดูแลเขาในระหว่างทางไปเมืองหลวงเมืองทงอุดร ด, ด้วยนะผู้คุมทั้งสองพูดว่าเอาหนะ้าไม่จำเป็นต้องบอกดอกพวกเรารู้เรื่องนั้นดีรถจงวางใจเถิดบรรดาโต้โผมอบเงินทองที่เหลือรวมทั้งค่าเดินทางให้หยางหยางกล่าวขอบคุณแล้วทุกคนก็แยกจายกันไป อดีตในทหารรักษาวังหลวงย้อนกลับไปยังโรงแรมที่ตนพักจ่ายค่าอาหารและที่พักเก็บเสื้อผ้าใส่หอเลี้ยงดูปูเสือสองผู้คุมหากาะเอียดจากหมอมาปิดแผลที่ถูกโบยแล้วออกเดินทางไปกับผู้คุมตามถนนจากกรุงไคเฟิงตรงไปยังนครต้ามหมิงเขากำหนดหลักกิโลขีดหนึ่งเท่ากับระยะทางห้าลี้สองขีดคือ10ลี้ตามหัวเมืองใหญ่ๆรายทาง อย่างซื้อเล้ายาปลาปิ้งเลี้ยงดูจ้างหลงกับเจ้าหูอยู่เป็นประจำตกค่าก็เข้าพักที่โรงเตี๊ยมพอเช้าขึ้นก็ออกเดินทางไม่นานนักก็มาถึงเมืองหลวงมณฑลอุดรและเข้าพำนักอย่างโรงเตี๊ยมผู้ว่าการนครต้าหมิงสมุหะเทสาพิบาลเมืองหลวงมณฑลอุดรนั้นเชี่ยวชาญทั้งบุนและบู๊มีอํานาจมากชื่อเลี้ยนจงชูเป็นบุตรเขยของใช่จริงสมุหานายกแห่งเมืองหลวงตะวันออก วันนั้นเป็นวันที่9เดือนยี่ผู้ว่าเลี้ยงออกว่าราชการสองพว้คุมก็พายหยางซื่อมาที่บัลลังแล้วส่งมอบหนังสือกํากับจากสารไทยเฟิงให้ผู้ว่าเลี้ยงแกะออกอ่านเลี้ยงเคยพบหยางที่เมืองหลวงตะวันออกมาครั้งหนึ่งแล้วดังนั้นในครั้งนี้จึงซักไซไล่เลี้ยงสีจนละเอียดละอ้อยหยางเล่าความถึงเรื่องจอมพลเก่าที่ไม่ยอมบรรจุตนเข้ากินตําแหน่งเก่าเรื่องที่ตนเงินหมดจนต้องขายดาบ กระทั่งไปฆ่านิวเออร์ผู้ว่าเหลียงจึงสั่งบริวารให้ถอดขือที่สวมคอเอาตัวอย่างซื่อไว้ใช้งานแล้วออกใบรับให้สองผู้คุมพร้อมทั้งอนุญาตที่เดินทางกลับเมืองหลวงตะวันออกเรื่องของพวกเขาเราจะไม่กล่าวถึงอีกนะครับหยางคอยประบัติรับใช้ผู้ว่าเหลียงในจวนตั้งแต่เช้ายันค่าอยู่ไม่ได้ขาดผู้ว่าให้ประทับใจในความวิริยะอุสาหะเป็นยิ่งนัก วันหนึ่งจึงคิดจะตั้งหยางให้เป็นนายทหารเพื่อได้กินเงินเดือนเบี้ยหวัดประจําแต่ก็ให้คิดวิตกด้วยเกรงว่าทหารคนอื่นๆจะพากันขัดขวางนั่นเองจึงสั่งให้จัดนายทหารทั้งต่ําทั้งสูงมาประลองฝีมือกันที่สนามนอกประตูตะวันออกในคืนนั้นผู้ว่าเหลียงเรียกหยางเข้าพบเหลียงพูดกับหยางสุ้นว่าข้าคิดจะตั้งให้เจ้าเป็นนายทหาร จะได้มีเบี้ยวหวัดเอาไว้ใช้อยู่กินฝีมือเชิงอาวุธของเจ้าเยี่ยมยุดขนาดไหนหรือฮะหยางซื่อหยางซื่อกราบเรียนว่าข้าน้อยผ่านการทดสอบเพลงอาวุธจนได้เป็นในทหารราชโอคกักพิทัก ฟ, ฟังหลวงจึงชำนาญสิ้นอาวุธทั้ง18ชนิดสำเร็จศิลปะ ก, กิจไร้รําเรื่องที่ใต้เท้าคิดจะอุปถัมคาจุนข้าน้อยนั้นเปรียบเสมือนโบกแขนเสื้อปัดเป่าเมฆหมอก ให้โอกาสตะวันได้ใช้แสงลงมาเยี่ยมพิภ พ, พข้าน้อยได้เลื่อนขั้นไม่แต่น้อยนึงก็จะขอบราวารณาตัวเป็นเช่นนกปีกหักจักย้อมมอบกายถวายชีวิตก้มหัวเป็นงวงานเป็นดังหนึ่งม้าติดอานใส่ขลุมปากให้พระเดจพระคุณท่านคุมใช้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอรับผู้ว่าเหลียงยินดียิ่งนะักมอบเกราะชุดหนึ่งให้คืนนั้นไม่มีเหตุการณ์อื่ น, นเกิดขึ้น วันรุ่งขึ้นท้องฟ้าใสากระจ่างสายลมโบกสะบัด ต, ตะวันจั่จรัดสาดแสงเวลานั้นเป็นช่วงกลางเดือนยี่หลังอาหารเช้าผู้ว่าเหลียงก็ขึ้นม้าไปกับหยางทหารพิทักษ์ล้อมหน้าล้อมหลังเคลื่อนขบวนลอดประตูเมืองทางทิศ ต, ตะวันออกตรงไปยังสนามประลองยุทธ์บรรดานในทหารและขุนนางพลเรือนน้อยใหญ่พากันออกมารอต้อนรับ พอขบวนมาถึงประรมพิธีชมการแสดงผู้ว่าเหลียงก็ก้าวลงจากหลังมา้าขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้เงินจำหลักลวดลายอย่างประนีตขุนทหารชั้นสัญญบัติเรียงรายดังเป็นเช่นสารวัตรทั้งซ้ายทั้งขวาพวกผู้บัญชาการท่วงท่าดุร้ายคอยระแวดระวังทั้งหลังแหละหน้าเยื้องไปทางหอสูงยกพื้นตรงกลางคือสองขุนพลผู้เกลอไกลผู้หนึ่งมีนาม ว, ว่าขุนพลหลี่เซงิงสมญาเจ้าเวหา ส่วนอีกผู้หนึ่งคือขุนพลเหมือนต้าสมยาดาบใหญ่แต่ละคนใช้แค่ฝ่ามือเดียวก็สามารถสยบข้าศึกได้นับหมืน่นทั้งคู่ว่าการทับม้าและพลเดินเท้าทั้งสองรีบก้าวเข้ามาคารวะผู้ว่าเหลียงอย่างนอบน้อมธงเหลืองผืนหนึ่งสะบัดขึ้นเหนือปารำพิธีกลองทองห้าสิบใบในแต่ละฝั่งทั้งสองฝากพลันก็ประคงขึ้นพร้อมกันแต่เดียวโอดโอยโหยหวน บันเลงเพลงสามจบตบท้ายด้วยเสียงกลองย่ำอีกสามครั้งและแล้วความเงียบก็เคลื่อนเข้ามาปกคลุมไปทั่วอนาบริเวณสนามประลองทหารห้ากองร้อยรีบแปรขบวนฉับพลันเหนือปารำพิธีแห่งนั้นก็มีสัญญาณธงแดงชักขึ้นลั่นทบๆตบตีแนวชายอยู่ในสายลมแล้วกลองก็ประคมขึ้นอีกคำรบทหารทั้งห้ากองร้อยอาวุธครกมือแยกออกเป็นสองแถวถอยร่นไปจนสุดขอบสนามทั้งสองฝากง แล้วธงสัญญาณสีขาวก็สะบัดขึ้นอีกทหารม้าสองแถวหน้าเหาะม้าขึ้นมาข้างหน้าดึงบังเหียนบังคับม้าให้หยุดผู้ว่าเลี้ยงเรียกนายดาบโจจิ้นออกมารายงานตัวนายดาบโจยืนม้าอยู่ในแถวทหารทั้งปีขวาก็กระตุ้นมา้าวิ่งเรียบมาหน้าปารมพิธีกระโดดลงจากอานปากด้ามหอกในมือพระไว้กับพื้นคุกเข่าลงข้างหนึ่งกุมมือสองข้างขึ้นสู่วางอกกล่าวอวยพรผู้ว่าเลี้ยงด้วยเสียงอันดัง ผู้ว่าเหลียงสั่งว่านายดาบโจเจ้าจงแสดงสีมือให้เราเห็นเป็นประจักษ์โจดึงห อ, อกขึ้นจากพื้นเวียงตัวกลับขึ้นอ่านวนม้าเป็นวงหน้าปารมพิธีเบี่ยงไปทางซ้ายแล้วย้ายมาทางขวากดแกว่นอาวุธไร้รำเพลงยุดอยู่บนหลังมา้าพวกคนส่งเสียงฮือฮาอย่างชื่นชมผู้ว่าเหลียงสั่งว่าเรียกหยางซื่อทหารรับใช้ที่เพิ่งย้ายมาจากเมืองหลวงตะวันออกมาข้างหน้า ยา่างวนหมามาหน้าปารมพิธีแล้วกลาา่าวอวยพรผู้ว่าบ้างผู้ว่าเหลี้ยงว่าข้ารู้ว่าในอดีตเจ้าไปในทหารรักษาวางแห่งเมืองหลวงตะวันออกต้องทวนอาญาถึงถูกในประเทศมาที่นี่มาทุกวันนี้โจรผู้ร้ายให้ทุกชุมนักแผ่นดินเราต้องการคนกล้าแข็งเจ้าจะกล้าสู้กับในดาบโจรจิ้นหรือไม่หากเจ้าชนะก็จะได้ตําแหน่งเขาไปครองอย่างซื่อว่า เมื่อใต้เท้าการุณาปราณีข้ามิรื้ที่จะปฏิเสธผู้ว่าเหลียงจึงสั่งให้นําม้าศึกตัวใหญ่มาให้หยางขี่สั่งทหารสัมพุฒินาอาวุธชนิดต่างๆบรรดามีมาให้ถือแล้วบัญชาให้หยางซื่อผูกเกราะขึ้นมา้าสู้กับโจดจิน้นหยางตรงไปหลังปาร์มสวมเกราะที่ได้รับจากมือผู้ว่าเมื่อคืนก่อนผูกรัดจนแน่นหนาสวมหมวกเหล็กกล้าไว้บนหัวขัดคันธนูกับซองเกาทันควยสองไหล่ไว้กลางหลัง ให้ดาบไว้ข้างเซลถืหอหอกขึ้นมาแล้วก็วิ่งเรียบออกมาผู้ว่าเหลียนประกาศขึ้นว่าให้หยางซื่อกับโจจิ้นสู้กันด้วยห อ, อกก่อนโจจิ้นคำรามด้วยความโกรธว่าเฮ้ย <c oughs> ไอ้นักโทษต้องในประเทศเอ้ยมึงกล้าดียังไงวะจึงคิดจะมาประห อ, อกกับกูฮะเดี๋ยวถ้ามึงในดาบโจนั้นหาได้ทันคิดไม่ว่า คำพูดชินนั้นชัางบาดใจหยางอดีตขุนทหารล้อมวังที่กําลังจะเข้ามาต่อตีนับก็หากไม่มีการประลองยุทธ์ในครั้งนี้มีหรือที่หยางซื่อจะได้ชัยชนะเด่นผงาดเหนือถวยทัพนับหมื่นดกดืนเกลอกล้ากลางสมอนแต่ใครกันเล่าที่ถูกผลการประลองยุทธ์บีบต้องให้ปรากฏกายออกมาฟังบทต่อไปหากใครรู้ ครับมีอา ธ, าธิบายนิดหน่อยนะครับเรื่องของหมวกสักรลาดปีกกว้างของหยางซื่อนะครับที่เขาบอกว่าทำจากฟานหยางนะครับในที่นี้เขาก็อา ธ, าธิบายไว้ว่าฟานหยางเป็นชื่อเดิมของอนาบริเวณรอบๆกรุงปักกิ่งในปัจจุบันนะครับตอนนั้นเรียกว่าอยู่โจซึ่งคือดินแดนระหว่างมณฑลหัวเปื่อยต่อกับดินแดนเหลียวหนิงนั่นเองนะครับสองกัง 108 ร, ร้อยแปดเวทรบรุิดแห่งเขาเหลียงซานตอนที่ส3เดรัจฉานหน้าดำออกรบในเมืองหลวงวนทนอุดรนายกองทรวงหน้าชิงชัยในสนามประลองยุทธทั้งโจจิ้นกับหยางซื่อต่างฝ่ายต่างยืนม้าอยู่ใต้ธงพร้อมประจันหน้ากันด้วยหอกเอาเอาอยาพงนายพลเหวินต้าตะโกนห้ามแล้วรีบรุดไปรายงานผู้ว่าเหลียงใต้เท้าขอรบ ม้จะต้องเลือกเฟ้นให้ชัดว่าใครจะสันทัดในเพลงอาวุธแต่คมห อ, อกนั้นไร้ซึ่งหัวจิตหัวใจหมายก็แต่จะใช้ทลายรังจรแต่ชีวิตเลือดเนื้อของคนทั้งสองนั้นเล่าเป็นสมบัติของกองทัพหากพวกเขาเกิดพลั้งพลาดได้รับบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจเป็นง่อยแต่หากหนักขึ้นมาหน่อยก็อาจถึงตายข้าน้อยขอบ้างอาจเสนอแนะให้ถอดปลายหอกออกเสียเปลี่ยนเป็นผ้าชุบปูนขาวผูกเอาไว้แทนหลังรบแล้ว ตัวพวูดที่มีปูนขาวติดมากกว่าให้ปรับเป็นแพะผู้ว <_ C> ่าเหลียงพูดว่าแม่ช่างเป็นความคิดที่ดียิ่งนะักแล้วสั่งการลงไปให้พูดที่แข่งขันทั้งสองกลับไปหลังปาร์มพิธีถอดปลายหอกออกเอาผ้าสักหลาดหนาผูกเป็นปมมัดไว้แทนแล้วทั้งสองก็สวมเสื้อคลุมดำทับจุ่มหอกปลายผ้าลงในถังปูนขาวขึ้นมาแล้วก็ควบลงไปในสนาม โจจิ้นลถไปหอกที่บันนี้กลายเป็นเพียงปกผ้าแตะตุ้นม้าริ่งเรียบเข้าหายอย่างซื่ออดีตในทหารรักษาวังก็ลงแทร้ซื่อม้าเข้ารับม้าสองม้าทะยานเข้าปะทะคนสองคนก็ซืกมาเข้าประชิดรุกทัาควนเวียนขันเหี้นเป็นที่พลวัลต่อตีกันไปมาสี่สิบห้าสิบเพลงตามตัวโจจิ้นก็ไล่พร้อยไปด้วยน้ำปูนขาวราวถูกสาดด้วยน้ำเต้าหู้เกือบห้าสิบจุดเห็นจะได้ ส่วนอย่างนั้นเพื่อนปูเนือเกาะกันไหล่ซ้ายแต่เพียงจุดเดียวผู้ว่าเหลียงยินดียิ่งนักจึงสั่งให้โจจินเข้ามารายงานตัวที่ประรำพิธีและพูดว่าผู้ว่าคนเก่าตั้งให้เจ้าเป็นนายทัพแต่หลังจากที่ข้าได้เห็นเจ้ารบแล้วเจ้าไม่อยู่ในวิสัยที่จะนำทัพสัพระยุทธ์ชิงใช้กับใครเขาได้จงมอบยศของเจ้าให้เขาเสียเถิดนายพลหลี่เซงิงก้าวเข้าไปในประรำพิธีและพูดขึ้นว่า โจจิ้นผู้นี้ไม่สันทัดในการหอกแต่ฝีมือธนูบนหลังม้านัว่าฉมังจะปลดเขาก็เท่ากับว่าจะปลดขวัญทหารพานไปเสียทั้งหมดจใจไม่ให้พวกเขาสู้กันด้วยเกาทันบ้างแล้วขอรับผู้ว่าเหลียงพงกษ์ศรีสะแล้วพูดว่าพูดได้ดีพูดได้ดีแล้วก็ออกคําสั่งโจจิ้นกับหยางเอาหอกปักดินเปลี่ยนมือถือธนูกับลูกเกาทัน หยางดึงคันธนูออกมาจากซองลองดีดดูแล้วก็กระโดดขึ้นมา้าวิ่งเรียกมาที่หน้าป ร, รัมพิธีหยุดมา้ายืนขึ้นบนโกรนแล้วโค้งคำนับเรียนใต้เท้าอันเกาทันในยามรบกันไซไม่แยกมิแยกศัตรูช่วยเปิดแผลก็ให้ชะกันนักโปรดได้ชี้แนะด้วยขอรับผู้ว่าเหลียงว่ายามสองขุนศึกเข้ารมรันสัพยุ์กันนั้นไม่มีใครเขาพูดเรื่องการบาดเจ็บกันดอกต่อให้ถึงตายก็เถอะ หยางกลับลงไปยังสนามประลองแต่ในพลหลี่เซงิงสั่งให้ทั้งสองติดล้อมป้องกันที่แขนหยางเสนอว่าท่านยิงเกัท่านใส่ค่าก่อนสามดอกแล้วค่าก็จะคืนท่านไปสามดอกเช่นกันข้างฝ่ายโจจิ้นนั้นในยามนี้ก็หาได้ตั้งใจเป็นอื่นไม่นอกจากการคิดแต่จะส่องหยางให้ทะลุลูกเดียวแต่ด้วยเป็นนักรบเจนสนามอดีตราชองรครักษ์ก็มั่นใจว่าตนสามารถรับมือกลลเม็ดเด็ดพรายต่างๆได้จึงไม่ไหวหวั่น ธงสีฟ้าบกสะบัดขึ้นบนยกพื้นห ย, า, ยางเขลื่นมา้าลงไปทางใต้โจก็ไล่าตามไปติดติในดาบแห่งกรมทหารมา้าพันสายบางเหียนไว้กับปมหน้าอ่านมือซ้ายกำคันธนูมือขวาเทียบดอกเกาทันเข้ากับสายเหนียวคันสอนจนสุดก่อนจะประจงดีดให้หลุดใส่แผ่นหลังของหยางพันที่แววเสียงสายธนูลั่นดังผึง่งหยางก็ดึงตัวลงแนบกับอ่านมา้าเกาทันดอกนั้นลอยข้ามหัวไปไร้ซึ่งพิสง์ โจขุนผันดึงเกาทันดอกที่สองออกจากซองเทียบเข้ากับคันธนูดึงเล็งแล้วปล่อยใส่หลังอย่างอีกดอกคราวนี้หยางไม่หลบเพียงแค่ใช้คันธนูปัดลูกเกาทันเฉลี่ยตกลงในพงหญ้าตอนนั้นเกาทันก็หมดไปแล้วสองดอกในดาบเริ่มครั่งหยางวิ่งม้ามาจนสุดสนามหันหลังกลับวกมาที่ทางปารำพิธีควอาตัวไปสุดบ้างโจก็ดึงบางเหียนมา้าแล้วห่อกลับตามมาแปดกีบตะกุยหลานหญ้า พักคุ้ยฝุ่นฟุ่งตลบขึ้นปลดฟ้าดังว่าต้องลมเพชรหึงขย o b ขยับประหนึ่งเสียงเคาะกลับครัวกรองโจเทียบเกาทันดอกที่สามขึ้นสายและด้วยกําลังทั้งหมดที่มีก่อนาวคันธนูดึงสายออกจนสุดเหยียดตาจ้องขเขม็งจับที่แผ่นหลังหยางแล้วค่อยๆประจงปล่อยลูกดอกให้สะบัดออกจากแหลงกอได้ยินเสียงอดีตในทหารรักษาวังก็เอี้ยวกลับยื่นมือออกไปจับลูกเกาทันช่วยดึงลงมาจากกลางฟ้า แล้วผ่อนม้าวิ่งเหยาะๆตรงไปยังหน้าปารามพิธีเวี่ยงลูกเกาทันดอกนั้นลงสู่พื้นผู้ว่าเหลียงเพิ่งจะหายตะลึงจึงสั่งหยางให้คืนเกาทันโจไปสามดอกทงสีฟ้าบอกขึ้นอีกคราในดาบโจทิ้งคันธนูกับซองเกาทันหันมากระชับโลแล้วควบม้าลงไปทางใต้หยางยืนตัวขึ้นบนโกลนเอาส้นเท้าคิดหลังมา้าแล้วไล่กวดตามไปหัแรกอดีตราชโอ ง, องรกรดีสายธนูเปล่า พอได้ยินโจก็หันกลับยกโลกขึ้นรับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโจคิดในใจอย่างกระหยิมยิ้มย่องว่าไอ้คนถอยนั่นมันเองแต่หอกแต่ไม่เป็นธนูเราค่อยมันยิงพลาดอีกสองดอกแล้วค่อยบอกให้มันยอมแพ้เราก็จะได้กลายเป็นผู้ชนะตอนนั้นม้าของโจวิ่งไปถึงขอบสนามแล้วจึงเหวยหัวกลับมาทางปารัำพิธี หมาหยางก็ไล่ตามไปติดๆหยางดึน uh huh. เขาทันดอกหนึ่งขึ้นจากซองแล้วเทียบกับคันศรหยางคิดในใจว่าถ้าเรายิงใส่หลังไม่แล้วเขาต้องถูกฝังแต่คนคนนี้หาใช่ศัตรูเราไมมเราควรยิงเอาส่วนที่ไม่ถึงตายจะดีกว่าว่าพลางแขนซ้ายก็เหยียดออกจนสุดกระดุดจะ ก, กำเขาไถซานไว้ในมือแขนข้างขวาที่น้าสายธนูกก็คูดังจะตรกองกอดทารกอยู่แนบอ ก, อก ส่วนคันศรที่โก่งก็โค้งราวงจันท์คืนวันเพ็นรวดเร็วเกินจะทันบรรยายเก้าทันดอกนั้นพลันจำแรกเข้าใส่ไหลซ้ายของนายดาบแห่งกรมทหารม้าพิทักต้ามหมิงเจ้าของร่างร่วงพลัดลงวัดพื้นม้าหลังเปล่าดีดกีบเท้าตเตลิดหนีไปทางหลังปารัมพิธีบรรดาในทหารทั้งนายทั้งบ่าวประดามีต่างกรูเขาช่วยเหลือกันให้เป็นที่สับสนโอละมานผู้ว่าเหลียงเลื่มปิติยิ่งนัก จึงออกคำสั่งในเดี๋ยวนั้นมอบตำแหน่งโจให้หยางหยางลงมาด้วยความยินดีก้าวเข้าไปในประรรมพิธีกล่าวขอบพระคุณผู้ว่าเหลียงแล้วขำนับรับการแต่งตั้งแต่บุรุษหนึ่งซึ่งยืนอยู่บนขั้นบันไดปีกซ้ายรีบ ก, ก้าวลงมาขัดจังหวะเอาไว้เสียก่อนเขาร้องว่าอย่าพิ่งด่วนไปเจ้ากับข้ามาประลองกันก่อนเถิดหยางมองออกไปก็เห็นบุรุษนั้นลำตัวสูงใหญ่ใบหน้าโกรมป้อม หูกลางปากว่างริมฟีปากหนาไว้หนวดฟูเต็มปากเคราวเหยียดชี้ดูท่าทีขึงขังบุรุษผู้นั้นสืบท้าเข้าไปหาผู้ว่าเหลียงแล้วก้มลงคารวะแล้วว่าโจจินผู้นี้ป่วยเรื้อรังมานานจิตใจยังไม่ทันฟื้นคือสติเต็มกำลังทำให้ต้องพลาดทั้งแต่อยางซื่อเขาอธิบายต่อว่าถึงข้าจะไม่เรียกได้ว่าสันทับจัดเจนแต่ก็ใครจะขอประรองกับท่านอยางดูบ้าง หากเขาได้เปรียบแม้แต่น้อยหนึ่งไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งโจจินตำแหน่งของข้าข้าขอจะมอบให้เขาด้วยยินดีจะไม่ขอคัดค้านใดๆไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ผู้ว่าเหลียงมองออกไปหาใช่ใครอื่นนอกจากโ่เจ้านายกองถลวงหน้าแห่งกรมทหารม้าพิทัก์ต้าหมิงผู้ดั้นนั่นเองอันธรรมดาโทสะของโสเจ้านั้นประทุง่ายเพะพกับโรยเม็ดเกลือใส่กองไฟ นายกองผู้นั้นเป็นคนฝ่หาชื่อเสียงมักจะแตกแถวออกประจันบาลกับข้าศึกก่อนอยู่หนึ่งเนืองจนได้สมญานามที่ลือเรื่องว่านายกองถลวงหน้าขุนพลหลีเซงรีบลงมาจาับกยกพื้นตรงไปยังหน้าปารำพิธีแล้วเอ่ยขึ้นว่าเรียนท่นานใต้เท้าจังซื่อเคยเป็นถึงราชองครักษ์พิทัก์หวังหลวงเป็นธรรมดาอยู่ดีว่าย่อมเลิศล้ำในเชิงอาวุธพวกเรานั้นต่างรู้ดีว่า ในดับโจจินหาได้คู่ควรกับฝีมือของเขาไหมตอนนี้เธอได้ต่อตีกับในกองโเจ้าจึงจะนักว่าถูกคู่เหลียงครุ่นคำานึงว่าเราแค่คิดจะยกหยางซื่อให้เป็นใหญ่เป็นโตกับเขาบ้างในทหารของเรากลับพากันคัดค้านดีละหากหยางซื่อมันเอาชนะเหนือโเจ้าได้พวกมันก็คงจะพากันเงียบเป็นเปาซาว่าพางก็เรียกหยางซื่อเข้าไปหา เจ้าจะรับมือผู้กองโศเจ้าได้ไหมล่ะฮะอยงซื่ออย่างซื่อว่าอ น, นั่นเป็นสิ่งที่ใต้เท้าปรารถนาข้าก็ไม่อัดคัดผู้ว่าเหลียงจึงว่าเถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วจงไปผัดผ้าเสียหลังปาร์ลมแล้วรับเกราะตรวจตรา ด, ดูให้แน่นหนาจงจำไว้ว่าศึกครั้งนี้ไม่ธรรมดาว่าแล้วก็หันไปสั่งในทหารสัมพวุธให้จัดอาวุธที่เหมาะมือให้และกําชับอีกว่า ให้เขาใช้มาศึกของข้านะยางขอบพระคุณผู้ว่าก่อนจะเข้าไปผลัดผ้าหลังปารำคุณพลหลีเสงก็เข้าไปกำชับข้างฝ่ายโสเจ้าว่าตัวเจ้ามีตําแหน่งใหญ่โตโ จ, จ้เจนก็เป็นหนึ่งในบังคับแต่ก็กลับมาพลาดท่าเสียทีหากเจ้าขืนแพ้เขาอีกชื่อเสียงของกองทัพเราก็จะพากันปนไปข้าจะให้เจ้ายืมหมาเจนศึกกับเสื้อกราาของข้าจงระวังให้ดี อย่าให้มีอะไรมาทำให้ชื่อเสียงของตัวต้องหัวหมองโส่เจ้ากล่าวขอบพระคุณแล้วก็ไปเตรียมพร้อมผู้ ว, ว่าเหลียงลุกขึ้นไปที่หน้ามุกคุณรับใช้รีบยกเก้าอี้ตามไปจนชิดติดลูกรงตรงระเบียงชมจันทร์บรรดาในทหารต่างตามมาเข้าแถวอารักขาอยู่สองข้างพวกเขาสั่งการให้เอาฉัดไหมสามชั้นสี่ขายอดทองทรงน้าเต้าออกมากั้นแดดไว้หลังผู้ว่า บนยกพื้นของนายพลบัดดลธงแดงก็สะบัดขึ้นเป็นสัญญาณกลองทองทั้งสองฝั่งก็ประสานประโคมรัดขึ้นพร้อมกันปืนใหญ่แผดเสียงกึกก้องคำรามร้องมาจากแถวทหารโสตเจ้าชักม้าออกมาหยุดยืนใต้ซุ้มธงเบื้องซ้ายที่ปลิวสวยัยอย่างซื่อควบม้าออกมาจากแถวทหารฝั่งตรงข้าม <Yeah. S 1> แล้วก็หยุดยืนม้าอยู่ทงสัญญาณสีเหลืองโบกสะบัดกรองประโคมรัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งขบวนแถวทหารทั้งหมดก็ตะโกนขึ้นพร้อมเพียงกันคำหนึ่ง พอสิ้นเสียงทั้งสนามประลองก็ตกสู่เสียงสงัดของสัญญาณดังเง่งเง่งพร้อมกับธงเขาวก็โบกขึ้นไหวไหวบรรดาผู้ชมพลอยเงียบสนิทหามีผู้ใดคิดจะส่งเสียงไหมและแล้วบนยกพื้นในพลธงสีฟ้าก็สะบัดขึ้นอีกขนเสียงกลองศึกดังขึ้นเป็นครั้งที่สมในทหารที่ยืนชิดกันอยู่ใต้ซุ้มธงด้านซ้ายทันก็เปิดออกเสียงกระพัวดังกรุ้งริ้งนำหน้าแล้วในกองโศจ้าก็ก้กาวลงมาที่สนามประลองยุทต หยุดมหม้ายืนอยู่อาวุธกระชับมั่นสง่างามตามอย่างนักรบสวมหมวกเหล็กกล้าทรงหัวสิงห์ผู้ยาวสีแดงบนกระหม่อมย้อยสยายลงมาปกไทยทอยในกองถลวงหน้าสวมเกระอ่อนสารด้วยห่วงเหล็กคาดรัดทัดหน้าสิงค์เคลือบทองปกป้องด้วยเกราะสำริดครอบแผ่นอกและแผ่นหลังไล่ลงมาจะลดหน้าท้องผ้าคลุมสีชมพูลายก้นหอยคลุมไหล่ไล่ลงมาถึงกลางน่องผ้าผืนนั้นคล้องไหล่ไว้ด้วยเชือกขนสัตว์สีเขียว สวมรองเท้าหนังหุ้มข้อลวดลายเป็นบ้างขั้นธนูขัดหลังไว้กับบ่าซ้ายซองเกาทันคว้ยไล่ขวาเอาไว้กลางหลังมือขวากำขวานทองด้ามยาวพาดขวางเอาไว้กับอานมา้าขี่อาชาสีขาวปลอดของคุณพลหลี่เซิงหันมาทางฝั่งขวาลูกกระพุ้นดังขึ้นกราวหนึ่งทันแถวทหารเบื้องขวาก็เปิดออกอย่างซื่อถือหอกตั้งคาฟ้าเสืออึกม้าออกมาพอถึงลานประลองยุทธก็ดึงม้าหยุดแล้วราบหอก นักรบผู้กล้าสวมหมวกเหล็กสะท้อนแสงแดดส่องประกายขาวราวน้ำค้างใสหมวกเหล็กที่สวมใส่ติดผู้สีน้ำเงินเกระ อ, อ่อนคลุมกายก็เดินลวดลายเป็นเครือไม้ไหวเชือกขนสัตว์สีม่วงห้อยเสื้อคลุมไว้กับสองไหล่แผงเกราะคลุมอกและแผ่นหลังตีเป็นรูปหน้าสิงส่วนกระ อ, อ่อนคลุมสองไหล่ออกแบบเพื่ในกรีบดอกพุดซ้อนเข้าซับในบุผ้าไว้อีกชั้นหนึ่งใส่รองเท้าหนังหุ้มข้อสีน้ำตาลส้นหนา คันธนูด้ามจับทำด้วยหนังกับซองเก่าทันรูปกลวยนั้นเล่าก็ขัดหลังควายไว้ทั้งสองบาถือหอกเหล็กคร่ำจำหลักลายนั่งอยู่บนหลังอาชาในกรำศึกสีแดงสุกใสดัง่านไฟคุ่ฝีเท้าจัดจ้านฟานลมกรดของผู้ว่าเหลียงทหารทั้งสองฝั่งโห่ร้องขึ้นอย่างตื่นใจถึงจะยังไม่ทันได้แสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แต่ภาพลักษณ์ของคนทั้งสองงามสมศักดิ์แห่งนักรบหน้าชื่นชมเป็นยิ่งนัก ให้ทงผู้หนึ่งควบม้ามาจาับทางใต้ถือทงปกักดินทองเป็นตัวอักษรว่าคําสั่งพอไปถึงก็เอ่ยขึ้นว่ามีคําสั่งจากใต้เท้าพนักท่านต้องการให้ท่านทั้งสองพยายามกันจนสุดกําลังผู้ใดย่อหย่อนจะถูกลงโทษผู้ใดชนะจะโปลดให้รางวัลงามเข้าใจไหมโอ้โหลูกสาวให้วิ่งมาบอกเนาะน่าจะบอกเองอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เลยนักรบทั้งสองควบม้าลงไปกลางสนามพอไปถึงก็หันม้ามาประจัญกันชูอาวุธขึ้น โซจ้าถมเข้าหาร่ารำขวานอยู่ไปมาอย่างเองก็เปิดปลายหอกทยานม้าสวนออกไปสองคนพันตูกันอยู่กลางลานต่อหน้ายกพื้นขุนทหารชั้นผู้ใหญ่ต่างฝ่ายต่างพยายามกันจนสุดฤทธิ์ลุกไล่ไปมาสี่แขนเวี่ยงวาดแปดกีดหกพงาดผ่านผานการสัพย์ยุทธ์ดำเนินไปกว่า50เพลงก็ยังไร้ซึ่งวี่แววผู้ชนะผู้ว่าเหลียงตะลึงมองลงไปจากเฉลียงชมจันทในทหารที่ขนาบอยู่ข้างทั้งซ้ายและขวาต่างส่งเสียงเชียกกันยกใหญ่ บรรดาไพ่พลที่ยืนอยู่เบื้องล่างต่างอ้าปากค้างแม่อยู่กองทับมานานก็นหลายปีไปรบมาก็หลายหนจะไม่เคยเห็นคู่ใดจะทัดเทียมเสมอเหมือนคุณพลหลีดเซงกับคุณพลเบิร์นต้าที่ยืนอยู่บนยกพื้นก็ระงับใจไม่อยู่ตะโกนรับทุกครั้งที่ใครออกอาวุธเออเออนั่นแหละเออนั่นแหละเอาเข้าไปเอาเข้าไป คุณพลเวินต้าให้วิตกว่าคนทั้งสองจะบาดเจ็บจึงสั่งนายงถือธงคำสั่งของตนควบม้าเข้าไปแยกทั้งสองออกจากกันพันกรองสัญญาณบนยุทพื้นในพลก็ประโคมขึ้นสำทับแต่ทั้งอย่างแหละโสหาฝั่งไม่ต่างฝ่ายต่างกระหายในชัยชนะไม่มีใครยอมออมมือให้กันเลยกันเมื่อควบม้าเข้าแทรกไม่ได้ผลนายงก็ตะโกนสำทัพไปอีกครั้งว่าโรดยังมือด้วยทันลักลบทั้งสองใต้เท้าจะมีบัญชา ก็เมื่อนั้นนั่นเองทั้งสองจึงยอมลดอาวุธปลอบมา้าวิ่งเรียบกลับมาหยุดยางตำแหน่งใต้ร่มธงของฝ่ายตนผิดหน้าไปทางผู้ว่าเลี้ยงเพื่อรอคำสั่งขุนพลหลีดเซงกับขุนพลเวินต้าลงจากยกพื้นตรงไปที่ทเฉลียงชมจันทร์แล้วรายงานว่าทายเท้าขอรับเฟมมือของคนทั้งสองมีค่าล้าสมควร น, นามาใช้เต็มที่ผู้ว่าเลียงยินดีจึงสั่งให้นักลบทั้งสองเข้ามารายงานตัว นายทงถ่ายทอดคำสั่งหยางกับโโซก็เหยาะม้ามาหน้าปารามพิธีพ่อลงมา้าทหารคนหนึ่งก็เข้าไปเก็บอาวุธทั้งสองเดินมือเปล่าเข้าไปในปารามพิธีแล้วโค้งคำนับผู้ว่าเหลียนสั่งให้นำเงินมากำนันทั้งสองคนละแท่งเสื้อผ้าอีกคนละสำรับแล้วเลื่อนขั้นคนทั้งสองขึ้นเป็นผู้บังคับการระดับกองพันพร้อมทั้งสั่งทำเอกสารให้แล้วเสร็จในวันนั้นเลยถือข้าวของที่ได้รับกลับออกมาจากปารามพิธีทอดหมวกเปลืองชุดเกราะ ผัดผ้าแล่าทั้งสองก็กลับมายังปารามพิธีใหม่ขอบพระคุณบรรดาในทหารที่ยังชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นผู้ว่าเหลียงบัรรให้คนทั้งสองต่างคํานับร่วมยศชั้นพันตรีเสมอกันไพร่พลและประชาชนที่มาชุมนุมกันค่อยๆทยอยถอนตัวกลับลดธงลงพับสลบับกับกรองโหมประคมขึ้นเป็นทํานองชนะศึกผู้ว่าเหลียงแวดล้อมด้วยในทหารทั้งชั้นผู้ใหญ่และชั้นผู้น้อยก็เลี้ยงฉลองกันต่อภายในปา ร, รัมพิธีแห่งนั้น จวงจนตะวันลับฟ้าไปอย่างเบื้องทิศตะวันตกงานเลี้ยงจึงได้เลิกลาผู้ว่าเลี้ยงขึ้นม้ากลับจวนพร้อมขบวนทหารพิทักในขบวนนั้นผู้พันใหม่ทั้งสองก็ขี่ม้าขนาไปประดับศีรษะด้วยช่อชัยาพฤกษ์ทำขึ้นจากดอกไม้สีแดงสดพอขบวนกลับถึงตัวเมืองตามถนนสองฝากฝั่งประชาชนทั้งหนุ่มแก่แม่ไม้และวัยรุ่นต่างพากันอุ้มลูกจุงหลานออกมาแสดงความยินดี ผู้ว่าเหลียงร้องทักไปจากหลังม้าว่าเอาพวกเจ้าคึก ค, คักทำไมกันนักหนาแล้วเนี่ยฮะย่ะข้าอันนั้นหรือพูดเท่าหลายคนพากันคุกเข่าและตอบว่าแม่พวกเราเกิดและโตในตาเหมินเมืองหลวงมนฑงอุดรมาก็หลายสิบปีแล้วไม่เคยเห็นการประลองยุทธ์เช่นนี้มาก่อนพวกเราไปที่สนามเฝ้าดูขุนทาหารทั้งสองประลองกัน เขได้เห็นฝีมือปานนั้นแล้วก็ไม่มีผู้ใดจะไม่เป็นฉุกเลยขอรับผู้ว่าเหลียงปลื้มอยู่แล้วก็ยิ่งเปรีมเข้าไปใหญ่แล้วก็กลับไปยังจวนบรรดาเ พ, พื่อนสนิทมิสหายของโสเจ้าจัดฉลองตำแหน่งใหม่ให้หยางซื่อด้วยไม่รู้จักผู้ใดจึงหน้าถอยกลับไปที่พักอย่างเงียบๆและอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนับแต่นั้นมาหยางซื่อก็ยิ่งตั้งใจรับใช้ผู้ว่าเหลียงเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้ขาด เรื่องนี้เราจะไม่พูดถึงอีกนะครับเราจะข้ามการสถานาสัพเพเหระและวกกลับเข้าเรื่องเลยหลังการประลองนอกประตูเมืองตะวันออกครั้งนั้นผู้ว่าเหลียงก็ยิ่งชื่นชอบอย่างมากขึ้นเป็นลำดับทั้งสองอยู่ด้วยกันทุกวันอย่างได้เงินพิเศษเพิ่มจากเงินประจำตำแหน่งให้จับจ่ายใช้สอยค่อยๆผูกมิรใหม่โดยเฉพาะกับโสเจ้านั้นต่างก็ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันทั้งฝีมือและพละกลาําลัง เวลาล่วงเลยไปสิ้นสุดฤดูใบไม้ผริย่างสู่ฤดูร้อนวันที่ห้าเดือนห้าเข้าเทศกาลผู้ว่าเหลียงกับพัญญาคุณหญิงใช้กำลังฉลองเทศกาลกันในห้องนั่งเล่นหลังจวนที่พักหลังจากดื่มไปหลายจอกคุณหญิงใช้ก็ตั้งปุดชาเอ่ยความหลังขึ้นว่าแม้ที่วันนี้ใต้เท้าได้ดีมียศทางทหารแถมมีตาแหน่งสาคัญในราชการยศถาบรรดาศักดิ์และกิยศเช่นนี้ ได้มาจากไหนหรือเจ้าค้าอ๋อนับตั้งแต่เด็กมาข้ากอมุมานะเราเรียนเขียนอ่านอยู่ไม่ได้ขาดเรี่ยวชาญทั้งประวัติศาสตร์และวรรณคดีผู้ว่าเหลียงตอบแท่ข้าก็เป็นคนกระตันยูรู้คุณรู้คนดีว่าเป็นนี่บุญคุณบิดาผู้เป็นใหญ่ของคุณหญิงที่เมืองหลวงตะวันออกเสมอข้ารู้สึกว่าไม่เคยทดแทนพระคุณที่ได้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลมาได้หมดสักทีคุณหญิงว่า อ๋อเป็นเช่นนี้นั่นเองดอกหรือแล้วเช่ไหนใต้เท้าจึงลืมวันเกิดของท่านไปเสียเล่าผู้ว่าเหลี้ยงว่าให้ข้าจําได้ไม่มีวันลืมวันที่สิบห้าเดือนหกนั่นเองเมื่อเดือนก่อนที่เพิ่งผ่านมาหยกหยกข้ากระส่งเจ้าพนักงานนําเงินหนึ่งแสนพงอีแปะออกไปกว้านซื้อหาเพชรพลอยศิลปะวัตถุและของมีค่าอื่นๆจะเอาไปไว้เป็นของกํำนันวันเกิดท่านใต้เท้ากรุณาเจ้าแล้วมาเดือนนี้ ของก็น่าจะมาถึงไม่ต่ำกว่าเก้าในสิบแล้วหากทุกอย่างพร้อมสับเมื่อใดก็ได้จัดส่งไปเมื่อ น, นั้นแหละแต่เพียงเรื่องเดียวที่ข้าเป็นกังวลอยู่คือเมื่อปีกลายของมีค่าราคาเท่ากันที่ส่งไปกำนันท่านใต้เท้ากรุณาเจ้าถูกโจรปล้นไปในระหว่างทางทองหยองเหล่านั้นหายจวกจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ข้าจะเลือกใช้ใครให้คุ้มกับสินค้าเที่ยวนี้ไปดีคุณหญิงใช้ว่า ก็ใต้เท้าออกมีเจ้าพนัก ง, งานที่ใช้สอยตั้งมากมายก็เลือกใช้สักคนที่ใต้เท้าวางใจเถิดเจ้าค่ะเรายังพอมีเวลาเหลืออีกสี่สบห้าวันรอให้หาซื้อของให้แล้วเสร็จก็ยังมีเวลาเผย อ, อีกเหลือแลคุณหญิงอย่าได้กังวลใจไปเลยข้ารู้ดีว่าต้องทําช่ไหนงานเลี้ยงดําเนินไปจากเที่ยงวันล่วงไปถึงยามสองทุกคนก็เลิกเรื่องนั้นเราจะไม่กล่าวถึงอีก น, นะครับ ยังมีเทศาพิบาลคนใหม่ถูกใช้มาว่าราชการตำบลหยุ่นเซงิงอันเป็นหัวเมืองใหญ่ในเขตจังหวัดจี้โจมณฑลซานตุงคนผู้นี้แท่ซื่อตัวชื่อหวนปินอยู่มาวันหนึ่งออกว่าราชการทหารยามเรียงกันไปทั้งซ้ายขว า, ท า, าเทศาซื่อสั่งการให้อำเพอกับตำรวจมือปราบสองนายเข้ามารายงานตัวคนหนึ่งนั้นเป็นมือปราบเหล่าราบส่วนอีกคนหนึ่งเป็นมือปราบเหล่ามา้าคนแรกคุมทหารราบติดเหลายายี่สิบ และติดดาบอีก20บคนที่สองคุมพลธนูขี่ม้า20สบเดินเท้าอีก20บจูถงในดาบตำรวจม้ารูปร่างสูงใหญ่ไว้เรายาวสลวยแต่งเลมอย่างประณนนีตงดงามใบหน้าเป็นสีน้ำตาลอย่างเปลือกลูกเก่าลัดในตาสดใสเป็นประกายคล้ายกวนกงครั้งเมื่อก่อนจู๋ถงผู้นี้มาจากตระกูลมั่งมีรู้จักกันทั้งตะบลในสมญาวา่าเรางามเป็นคนดีมีเมตตาจิตและวีระอาหาริ่งนัก คบหาหมวลมิตรในหมู่ชาวยุทธภพมากหน้าหลายตาและสันทัดนักหนาในเชิงอาวุธส่วนในดับตำรวจเหล่าราบนั้นชื่อเหลยเหงตัวสูงผิวดำแดงไว้คราวประดับคางเป็นรูปพัดสั้นแข็งแรงและปราดเปรียวเป็นยิ่งนักกระโดดข้ามห้วยได้ไกล 20-30 ศอกรู้จักกันในานา้ำเสื้อติดปีกเปลี่ยนงานบ่อยแต่ก่อนเคยเป็นช่างตีเหล็กต่อมาเปิดกิจการโรงโม่แป้งย้ายมาทาโรงค่าสัตว์ และมาคุมบ่อนโบกบ่อนเบี้ยแม้จะวีระอ่านหารแต่ข้างจะติดเป็นคนใจแคบอยู่หน่อยหนึ่งกระนั้นก็เป็นผู้ที่คล่องแคล่วเชี่ยวชาญในเชิงอาวุธชั้นยอดเช่นเดียวกับจูถงหน้าที่หลักของคนทั้งสองคือคอยจับโจรขโมยเมื่อเจ้าเมืองหยุ่นเซีงเรียกทั้งสองก็รีบออกมาคาระวะและรอรับคําสั่งเทสาพิบาลตําบลจุนเซีงกล่าวว่านับตั้งแต่มารับตําแหน่ง ข้ารู้ว่าโจรบนเขาเหลียงซานที่เป็นตำบลชายน้ำขึ้นตรงต่อจังหวัดจี่โจนั้นออกเที่ยวปล้นสะดมสู้รบกับทหารของเราอยู่เนืองๆพวกมันมีกำลังกล้าแข็งนักก่อมทำชั่วไปทั่วทุกตำบลหมู่บ้านที่ข้าเรียกพวกเจ้ามานี่ก็เพื่อสั่งการให้เอาคนออกไปลาดตระเวนจับพวกมันมาจะให้ไปรบกวนชาวบ้านเป็นอันขาดพวกหนึ่งให้ยกออกไปทางประตูทิศตะวันตกอีกพวกหนึ่งให้ยกออกไปทางทิศตะวันออก บนสันผู้เลยหมู่บ้านฝั่งตะวันออกไปมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งใบสีแดงแปลกกว่าเพื่อนพวกเจ้าแต่ละคนจงเด็ดใบไม้มาคนละกรมเพื่อเอามาพิสูจน์กับข้าว่าได้รากตะเวนไปไกลแค่ไหนหากใครไม่ได้ใบไม้มาจะถือว่าโกหกข้าจะลงโทษให้หนักในตำรวจทั้งสองก็กลับไปรวบรวมผู้คนที่สถานีแล้วรีบออกเดินทางเลยเหงพาคนยี่สิบคนผ่านออกไปทางประตูตะวันออก พวกเขาตระเวรค้นหาไปทั่วละแวกหมู่บ้านและชนบทรอบๆในที่สุดพอใกล้สว่างก็มาถึงเนินเขานอกหมู่บ้านฝั่งตะวันออกหลังจากเก็บใบไม้แดงมากําหนึ่งแล้วก็วกกลับมาทางหมู่บ้านแต่พอมาได้สักสองสามลี้ก็สังเกตเห็นว่าที่ศาลเจ้าหลิงกวนที่พวกตนผ่านมาประตูเปิดอ้างแง้มเอาไว้เป็นที่ชนนกกลนะเลยเหงหพูดขึ้นว่าศาลเจ้าแห่งนี้ไม่มีคนดูแลแต่ประตูกลับไม่ปิดหรือจะมีคนร้าย แอบเข้าไปอาศัยเราควรจะไปตรวจดูให้แน่ชัดเลยเหงกับคนของเขาก็จุดใต้ขึ้นแล้วเข้าไปค้นดูและแล้วที่นั่นบนแท่นบูชานั่นเองร่างชายผู้หนึ่งนอนเเคงลำตัวเปลือยเปล่าถอดเอาเสื้อขาดวินมาม้วนไว้เป็นก้อนนุ่นหัวต่างหมอนอากาศข้างนอกร้อนอบอ้าวร่างนั้นนอนกลน้นหลับสนิทอย่างสบายอารมณ์เลยเหงพูดขึ้นอีกว่า ประหลาดดีแท้แม่ช่างเป็นไปได้เจ้าเมืองของเราถ้าจะเป็นผู้พิเศษนี่ต้องเป็นโจนบ้านฝั่งตะวันออกแน่เที่ยวว่าแล้วก็ตะโกนออกคําสั่งพลตระเวนทั้ง20สก็กรูกันเข้าล้อมแม้ชายคนนั้นจะสูงใหญ่เนื้อตัวกำยําล่ําสันและต่อสู้ดิ้นรนจนสุดฤทธิ์แต่ในที่สุดก็โดนบิดแขนคอยหลังจนอกแอนพวกตํารวจพลตระเวนพากันฉุดกระชากลากถูชายผู้นั้นออกจากศาลเจ้าแล้วพาตรงไปยังคุ้มบ้านผู้ใหญ่บ้าน และก็เพราะว่าเขาถูกพาไปที่นั่นนั่นเองวีรชนจำนวนหนึ่งจึงได้มาพบกันที่หมู่บ้านฝั่งตะวันออกและสมบัติราคาแสนอีแปะจึงถูกตามกลิ่นมาจนถึงตำบลหยุนเซ็งโอ้ว่าดาวอสูรบนฟ้าจุดติลงมายังผืนธรณีมารปตัพพีอีกหลายตนก็พ้นที่คุมขังแล้วเหลยเหงหพาชายพืชที่เขาจับได้ไปนที่ใดหากสงสัยใครรู้ โปรดรับฟังในบทต่อไปเถินครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายน้่ก็ขอถือโอกาสนี้ท้าลาพี่น้องที่รักเอาไว้ด้วยเวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจตุรพิทพรชัยทั้งสี่มีอายุวันนะสุขภาละ